แล้วบางเกิดอาการขนลุกเกลียวด้วยสัมผัสประหลาดประหลาด ห, หันมาฝืนยิ้มให้ตาพรานเท่ารางเอื้อมมือไปแตะของเหลวสีแดงคล้ำที่ไหลค้นเป็นทางลงมานั้นมาขยี้ดมดูโหก็ยางตะเคียนนั่นแหละบุญคำนายเคยเห็นยางตะเคียเนเหรว่ายางต้นไม้ชนิดไหนมาก่อนเน่ะที่ได้มันแดงเถือกเป็นสีเลือดแบบนี้ยบุญคาแยงแผวต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 นายดมว่าเป็นยางไม้แต่บุญคาก็ดมว่ามันมีกลิ่นคาวเลือดอยู่นั่นแหละเสียงของแกเกือบเป็นกระซิบหรือไหลานาบุญคํเขาทำเสียงดุและตกไหลโดยแรงไปไปไปตัมันเถอะไม่มีอะไรหรอกพยักหน้ารังแขนบุญคาออกเดินพระออกจากโคนตะเคียนใหญ่ต้นนั้นเสียงบุญคาพึมพาอะไรอยู่ในคอฟังไม่ได้สับ รพินเอาแขนข้างหนึ่งกอดคอเดินเคียงคู่มาด้วยกันอย่างปลอบขวัญกล่าวต่อมาว่านี่สั่งอะไรหน่อยนะบุญคำนายจะสั่งอะไรบุญคำเฉยเฉยเงียบเงียบเสีแล้วก็อย่าเอาเรื่องนี้ไปพูดให้พวกเราคนใดฟังทั้งสิน้นปาะเดี๋ยวจะขวัญเสียจะเปลาเปล่าเชื่อใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกแล้วบุญคำนั้ก็ลืมซะด้วยอย่ามวัวแต่กังวลอยู่เลย เฉยๆก็ได้นายแต่ไอเรื่องไม่คิดนี่เห็นจะไม่ไหวนะนายคืนนี้เรายังนอนพักกันอยู่ที่นี่เสด้วยสิแต่าลาพังบุญคําคนเดียวอ่ะเห็นกขาแบบนี้บุญคําห่อแนบแล้วไม่อยู่แถวนี้ต่อไปอีกรอกเอ๊ะไหนว่าเราก็ศิษย์มีครูเหมือนกันไม่ใช่เลยเขาถายมย้ำๆจตนาจะชวนพูดขบขันเป็นการปลอบใจแกแต่บุญคําไม่ขำด้วยสีหน้าเป็นทุกข์ ก็ใช่หรอกนาะสิบมีครูแต่ครูคือพ่อของบุญคำเองอะ่ะก็ไม่เคยให้วิชาอะไรบุญคำไว้ให้ลองริดกะับตะเคียนยักษ์แบบนี้นี่บุญคำนะปราบได้แต่ผีตายโหงผีโปรงผีปลาแต่นางตะเคียนน่ะมันคนละอย่างกันนะนาะยบทแม่ใจเฮี้ยนขึ้นมาแล้วก็สิบหมอผีก็เอามาอยู่เราไปร่ารานเขาก่อนนะนาะยพวกเราทำผิดเองนะนาะย ก็ทำไมบุญคําไม่ทําพิธีบอกกล่าวขอกระมาก็เสียละพวกเราก็ไม่ได้มีเจตนานี่จอมพรานพูดยิ้มยิ้มแกสันหน้าอย่างลําบากใจบุญคําก็นึกบนบานขอกระมาอยู่ในใจแล้วละ่ะแต่กลัวจะไม่รับอนี่นายเชื่ออะไรบุญคําสักหน่อยได้ไหมละ่ะบุญคําไม่ได้เป็นตัวต้นเหตุแล้วก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าของทุกคนนะอะแล้วจะให้ทําไงบุญคําจะปลูกสาหรขึ้นที่โคนต้นเดี๋ยวนี้อ แล้วนายไปลากขอไอ้แง่ายเชินายใหญ่ซึ่งเป็นานายของเราทั้งหมดให้แง่ทายกับนายใหญ่จุดทูกข อ, ขอเขามาเขาซะที่นี่กระปินหัวเราะเบาๆนี่บุญคำอย่าให้มันเกี่ยวข้องไปถึงน า, นายใหญ่ดีกว่าเขาไม่เชื่อด้วยหรอกึืนไปแนกเขาทำยางงั้นน่ะเขาจะหาว่าเราสองคนบ้าได้ปล่าๆเอานะ่าเฉยซะเถอะตกลงแปลว่านายไม่เชื่อบุญคาเลยด้วยเนี่ย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 ผีจักบุญคําพูดไดยอนให้กดหัวเลยอ่ะถนหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นทนํานองไหนก็ให้มันเกิดขึ้นมาสักก่อนเอาไว้ค่อยแก้ไขทีหลังแล้วกันลําพังนายนะ่ะเห็นจะเห็นจะไม่กระไรหรอกบุญคํารู้ว่านายมีอะไรดีๆอยู่ในตัวสารพัดแต่คนอื่นๆนี่สิจะลําบากนะนายฉันก็ไม่ได้มีดีอะไรอย่างบุญคําว่านะหรอกแต่รับรองว่าหมอผีอย่างบุญคําเอง ถ้ามีผีตัวไหนมันเฮี้ยนฉันก็เคยไล่ออกมาซะหลายครั้งแล้วใช่สินายน่ะเล่นต่อยบุญคำจนสลบเมือดไปบางทีก็เล่นเอาไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์มาช็อตบุญคำถึงผีมันไม่ยอมออกบุญคำก็ต้องไล่มันออกไปเองนหะเพราะทนไม่ไหวผีมันกลัวนายก็อีกตอนนี้แหละเออรีบไปกันเถอะค่ำแล้วเดี๋ยวพวกเราจะสงสัยเขาตัดบทแล้วเร่งฝีเท้าขึ้น ทั้งสองกลับมาถึงบริเวณแคมป์ก็คำลงพอดีทุกคนกำลังชุมนุมเตรียมกินอาหารเย็นอยู่ริมกองไฟเชษฐากะชัยยันร้องทักมาไปไหนกันมาระพินเห็นใส่บอกว่าคุณกระบุญคำพากันเดินข้ามไปฝั่งโน้นเลยก็เดินตรวจอะไรเล่นๆงั้นแหละครับเขาตอบเรียบๆแล้วจ้องมาทางมาเรียอย่างแปลกตาที่เห็นหล่อนตัดผมสั้นหน้าตาเปลี่ยนไปอะ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 เพราะนั่งอยู่ใกล้ที่สุดทลันข้าประคองพลิกร่างของหม่อมราชวงศ์สาวให้นอนผ้าตักพร้อมทั้งประคองใบหน้าขย่าเรียกทีๆเชิฐากระใช้ ย, ยานจ้องตะลึงแล้วปาดตรงเข้าไปโดยเร็วในขณะที่พรานใหญ่ทลันพรวดขึ้นยืนด้วยความตกใจทุกคนเห็นสีหน้าของดารินซีดเผือดลมหายใจวยรวยรวยดวงตาทั้งสองปิดสนิทพี่ชายกับเพื่อนหนุ่มช่วยกันจับตัวสารวจ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 ใช่แล้วล่ะฉันเพียงแค่เป็นลมไปช่วยขนาดเท่านั้นนี่รู้สึกปวดหัวตะครั่นตะครอหรือเปล่านั่นในทองแ่ะรู้สึกว่ามีอาการประเภทผิดอาหารหรือมีอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมเชษฐาศซักอย่างร้อนใจพยายามลูบคลำไปตามตัวน้องสาวไม่นะครับพี่ใหญ่แค่มึนๆงงๆหนักๆ ห, หัวเท่านั้นแหละเมื่อสักครู่มันก็วูบไปเฉยๆอ่ะ ไปนอนเธอน้อยเธอกําลังจะไม่สบายอะ่ะฉันจะพาเธอไปเองมาเรียกระซิบและประคองเพื่อนสาวขึ้นยืนเฉถากับชยันก็เห็นพ้องด้วยพากันเดินตามเข้าไปส่งยังที่พักนอนกระพินยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมคู่ใหญ่ชยันก็โผล่กลับออกมาเพียงคนเดียวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมชมอยู่ยกยกว่ากระดูกแข็งมาก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 นอกจากหมดแรงอ่อนกำลังไปเฉยๆบนว่าเพลียอยากนอนเห็นหายากินเองอะแล้วก็นอนห่มผ้าหลับตานิ่งไปแล้วถามอะไรก็ไม่พูดได้แต่สั่นหัวตอนนี้เมกับเชิฐากำลังนั่งดูอยู่ถ้า้นอนพัก อ, อาการจะดีขึ้นละมั้งครับเขาพูดเหมือนจะกล่าวกับตนเองผมก็หว่างั้นแหละหมอก็หมอเถอะไม่กระดูกเหล็กไปได้เท่าไรนรักรอก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 ชา ย, ยันก็กลับเข้าไปนอนส่วนเชษฐากามาเรียรตั้งแต่เข้าไปส่งดารินแล้วก็ไม่ได้กลับออกมาอีกคงจะเข้านอนกันตั้งแต่ตอนนั้นระพินตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของบริเวณทั้งหมดแล้วเอนตัวลงนอนข้างๆบุญคำซึ่งนอนลืมตาโพลงอยู่นายหญิงเป็นอะไรไปครับนายเสียงแกกระซิบถามเบาๆเป็นลมนิดหน่อยอะนองกระเทพ บ, บุญคำ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 เครื่มเลมกำลังจะหลับสนิทนั่นเองเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นอย่างกระทันหันเพราะใครคนหนึ่งมาเขย่าปลุกทางปลายเท้าพอลืมตาขึ้นก็แลเห็นสา่งปาพรานต่องสู่ของมาเรียหน้าซีตาเหลือพลงซื้อนายใหญ่มากสูงถึงกระมาเลยเสียงอันสะท้านสั่นนั้นหลุดลอดลำคอสั่งปามาอย่างญาติเย็นจอมพรานผงกตัวขึ้นนั่งโดยเร็ว ไร่เฟินข้างตัววูบขึ้นมาอยู่ในมืออีกมือหนึ่งฟาดไฟฉายมันอยู่ที่ไหนเจ้าตองซูอึกอักอยู่ในลำคอแล้วชี้มือไปทางหมู่โขหินประชิดแนวและเมะ๋ออันจะเป็นทางลงไปสู่ทานน้ำเบื้องล่างมันโผล่มาจากปากทางนั้นเดินเฉียดทุ่มไม้หายลับไปทางด้านขวาเกิดมาสางตายังไม่เคยเห็นซื้ออะไรใหญ่ถึงแค่นี้โอ้หลังมันสูงกว่าก้อนหินนั่นอีกยาวสักห้าวาห็นจะได้น า, นาย รับพินจ้องหน้าอันซีดเผือดนั้นอย่างคลางแคลงลุกขึ้นยืนในทันทีนั้นย่องกริตรงไปยังตำแหน่งซึ่งสางปาชี้บอกกราบไฟใช้สำรวจไปรอบๆแล้วกรวดไปตามพื้นสางปาเดินตามหลังมาด้วยอาการสัทธานส่อเจ้าเห็นได้ยังไงสางปานี่เจ้าไม่ได้นอนหลับหรอกเลยสางปายังไม่ได้นอนนายสางปานั่งอยู่ที่โคนต้นไม้นู้นกำลังสูบกัญชา กวนกันชามันทำให้เจ้าตาฝาดซื้ออะไรจะสูงเท่ามายาวห้าวานอย่างเจ้าว่าวะเขาพูดอย่างหัวเสียกราดไฟไปตามพื้นแล้วยักหน้าดูซะมีร่องรอยอะไรบ้างไหมพรานชาวต่องสู่ลืมตาโพลงอยู่เช่นนั้นกลืนน้ำลายลงคอและทำหน้าหยีเกใส่ปาสาบานได้นะนายว่ามองเห็นจริงๆไม่ได้ตาฟาด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 เขาจะนอนหลับต่อไปอีกนานสักเท่าใดไม่ทราบมารู้สึกตัวอีกครั้งเพราะเสียงพูดกันพึมพำแทรกอยู่รอบกายและไปก็เห็นเกิดเสยจันและขยินนั่งล้อมวงพูดอะไรกันอยู่จนฟังไม่ได้สักสีหน้าของแต่ละคนเหล่านั้นแสดงอาการตื่นเต้นโกรกตกใจส่วนบุญคำยังคงนอนกลนครอกอยู่ตามเดิมอะไรไมั่นลุกขึ้นมานั่งกันทาไม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 มันก็วิ่งเข้ามาแทงอีกห้าหกครั้งเห็นจะได้แล้วนี่ข ย, ยินนอนไม่ได้เลยนะนายผมก็เหมือนกันนายจันชิงบอกมาด้วยอาการกระือกระหอบหน้าเหลือสองนิ้วตบหินใหญ่เท่าใบตานก้าวลงมาจากยอดป่านนอนเยียบออกผมไว้จะร้องก็ร้องไม่ออกดิ้นอยู่เป็นนานที่แรกว่าฝันโอ้ยที่ไหนได้ลืมตาขึ้นแล้วยังมองเห็นชัดอยู่เลย พอร้องเรียกชื่อนายพ้นปากก็ไม่ได้คำเดียวมันก็หดบูบหายไปผมลุกขึ้นนั่งไอ้ทยินก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามานายงูเหลือนตัวเท่าต้นรังนะ่ะมันกลืนผมก็ไปครึ่งตัวเกิดสำลักออกมาบ้างตกอยู่ในอาการเดียวกับทยินและจันปากคอสั่นเทาแล่ที่สุดเลยนายตัวมันน่ะเป็นงูแต่หน้าเป็นผู้หญิง ผมตะโกนเรียกให้ช่วยแต่ไม่มีเสียงเหมือนกันมันขยอกผมก็ไปเกือบหมดตัวแล้วก็พอดีได้ยินเสียงนัจจันร้องลั่นมันก็หายวับไปเฉยๆโอ้ยฝันหนีดีฟอหมดใจยังเต้นตึกตกอยู่เนี่ยรพินเม้มริมฝีปากแน่นเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่เสยซึ่งนั่งเอามือประสานโปะอยู่กลางหัวหน้าเขียวแกล่ะเสย เคมองสบตาเขายิ้มแห้งๆผมน่ะไม่อยากบอกให้นายรู้เลยตั้งแต่เข้านอนเมื่อตอนหัวค่ำมีแล้วผมเห็นอะไรก็ไม่รู้สินายมันมายืนล้อมปางพักเรารอบด้านไปหมดยืนสี่ขาบ้างสองขามัง่งบางตัวก็หัวไม่มีมันโผล่อยู่ตามก้อนหินตามพุ่มไม้พอฉายไฟไปมันก็หายไปหมดพอดับไฟไประเดี๋ยวเดียวก็ออกมาเต็มอีกผมน่ะกระซิบบอกไอ้เกิด มันก็หาว่าผมตาฝาดผมก็เลยนึกว่าตัวเองตาฝาดเหมือนกันพอลงนอนหลับตาก็ยิ่งเห็นชัดผมนี่ไม่ได้หลับลงเลยนะนายก็พอดีได้ยินเสียงไอ้พวกนี้ตื่นขึ้นมาก็เลยลุกขึ้นมาบ้างหลิวไหลกันใหญ่แล้วไอ้พวกนี้หลับแล้วก็ฝันเลอะเอทอะกันไปเองแทๆ้ๆเขาทำเสียงดุต่ำๆเอ๋แต่ผมว่ามันพิกลอยู่นะนายจันทร์ครางอ่อย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 สังปลาผู้นอนเอากระสอบคลุมหัวอยู่ไม่ห่างออกไปนักก็ดินพรวดพลาดร้องอยู่อึกอักตะกุยตะกายทำกิริยาเหมือนจะต่อสู้กับอะไรสักอย่างทุกคนหันขวักไปมองเป็นตาเดียวและพินเพ่นพรวดขึ้นยืนกระโจนเข้าไปที่เจ้าพรานตองสู่โดยเร็วอีกสีคนก็วิ่งพลูตามเข้ามาด้วยเขากระชากกระสอบป่านที่คลุมหัวสางตาออกหิวคอมันขึ้นมาพร้อมกับเขย่าเรียกโดยแรง สร้างป้าเป็นอะไรไปสร้างป้ายังคงหลับหูหลับตาแน่นอยู่เช่นนั้นแยกเขี้ยวเวียงกําปั้นออกไปทั้งซ้ายขวาไม่ยอมลืมหูลืมตาดูโลกบ่าก็สะบดพรุดสวางไม่เป็นภาษาระพินสะบัดหลังมือชาเข้าไอ้ทีใบหน้าเป็นการปลุกให้คืนสติร่างของพรานตองสู่เสธลาไปล้มก้นกระแทกกับพื้นแล้วลืมตาสว่างโพลงขึ้นเหรยวไปรอบๆ ขยินกระจันก็ข้ามาประคองหิ้วแขนขึ้นยืนนายมันร้องลั่นกระหืดกระหอบออกมาเมื่อมองเห็นหน้าพรานใหญ่และทุกคนที่แวดล้อมอยู่มันไปไหนแล้วนายมาช่วยสางปลาไว้ได้ยังไงมันน่ะอะไรเสือน่ะสิไอ้เสือใหญ่เท่าม้าตัวนั้นน่ะสิก็ตัวที่สางปลาเห็นแล้วบอกนายเมื่อหัวค่ํา ม, มันย่องเข้ามาตะครุบสางตานะนาย จอมพราน ย, ยืนอึ้ทุกคนก็เงียบกริบได้แต่มองหน้ากันคงมีแต่เสียงหายใจหอบฮักฮักแพทย์จะไม่เป็นคนของสั่งปลาเท่านั้นในที่สุดเขาก็ฝืนยิ้มให้เอื้อมมือมาตบแขนพรานตองสู่ร่างเล็กกล่าวด้วยน้ำเสียงปลอบโยนว่าไม่มีเสือตัวไหนมาตะครุบเจ้าหรอกส่างปาจะฝันไปนะเอาล่ะจะ เ, เพิ่ง น, นอนกันเลยมานั่งกินกาแฟกันทั้งนี้ก่อนดีกว่า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 บุคคลเหล่านี้เขาก็ล้วนรู้จักอุปนิสัยใจคอมาอย่างดีแล้วทั้งสิน้นต่ละคนขวัญดีและกล้าหาญมั่นคงกันทั้งนั้นไม่ใช่พวกคลาตาเขาและพวกที่ชอบสร้างมโนภาพอุปาทานขึ้นเองเลยไมย่อีกประการหนึ่งจะว่าพวกนี้คิดเพ้อฝันไปเองก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเขากระบุญคำก็ไม่ได้แพ่งพลายให้ใครรู้มาก่อนเลยถึงเรื่องตะเคียนใหญ่ต้นนั้น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 จ้มองไปยังเงาตะคุ่มของกลุ่มโขดหินอันเป็นเพิงพักของคณะนายจา้างเห็นสงบเงียบเชียบเป็นดุดสนีภาพนั่นแสดงว่าทุกคนคงจะหลับสนิทโดยไม่มีอะไรแพร่พานเข้าไปรังควานรบกวนช่วยทำให้ใจชื้นขึ้นเล็กขณะนั้นเองฉลรอยจะได้ยินเสียงพูดกันแซ่อยู่รอบตัวตาเท่าบุญคำก็ตื่นลุกขึ้นนั่งโดยเร็วเฮ้ยนั่นมันเกิดอะไรขึ้นแกร้องถามขึ้นรวมรวม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 าก็ฝันเหมือนกันว่าฝันว่านางฟ้าไม่นุ่งผ้าไม่ชวนข้าเล่นไล่จับแมกำลังเพลินดีเดียวข้าก็ตกกระใจตื่นเพราะเสียงพวกกันเป็นหมีกินพึ่งของพวกเองนี่แหละทำไมฉันถึงไม่ฝันอย่างลุงมั่งก็ไม่รู้สินะเสือครางเกาหัวยิกยิกฉันมองไปเห็นแต่ผีป่าเต็มป่าไปหมดไอ้เกิดถูกงูขยอกไอ้จันน่ะมีตีนท่าใบตานมาเหยียบอกไอ้ขยินน่ะช้างไล่แทง สัางปาหนะ่ะเสือตัวเท่ามาขบหัวนอนกันไม่ได้ทุกคนโุยพวกเองนี่จะรวมกันรวมหัวกันสร้างสถานการณ์ร้ายขึ้นหรือไงวะนี่นอนๆสัทีเถอะข้ากำลังหลับสบายก็เลยต้องพลอยตื่นขึ้นด้วยบุญคำเอตโรขึ้นและผู้จา ก, กลบเกลื่อนปลอบโยนพวกนั้นและพินลุกขึ้นเดินออกมาจุดบุหรี่สูบอยู่ในเงามืดริมก้อนหินลูกหนึ่งตามองฝ่าสีดำสนิทของป่ายาญยามวิการออกไป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 บุญคำก็ตามเข้ามาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆเขาเอาเรื่องแล้วไม่ละนายหินจะไม่สนุกแน่นะแกกระซิบกับเขาเบาที่สุดชื่อเธอหน้าว่าไม่มีอะไรหรอกพวกนั้นน่ะมันฝันไปเองแท้แทนมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ฉันกาบุญคำไม่หินเป็นอย่างพวกนั้นเลยเขาพูดน้ำเสียงปกติตบแขนพรานเท่าคู่ใจแกถอนใจฮึใครบอกละนาย บุญคำไม่ได้เป็นอย่างพวกนั้นบุญคำไม่อยากพูดแต่มันขวัญเสียกันไปใหญ่เท่านั้นแหละอ่ะก็ไหนบอกว่าฝันเห็นนางฟ้าแก้ผ้าไงโธ่นายบุญคำพูดหลอกพวกมันไปงั้นแหละบุญคำฝันว่าถูกธรณีสูบกำลังจะมิดหัวอยู่แล้วนะนายจะเป็นคนจับมือบุญคำฉุดไว้แล้วก็ถูกดูดลงไปอีกคนบุญคำร้องจนสุดเสียงก็พอดีตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงพูดสัตว์ของไอ้พวกนั้น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 พ่านใหญ่บุ้ยปากไปที่พักนอนของนายจ้างที่สงบเงียบอยู่เจ้านายของเรานอนกันได้อย่างสบายไม่เห็นเขาตื่นขึ้นมาโวยวายโอลล์มันพวกเราเลยไปไปบอกให้พวกนั้นนอนซะแล้วบุญคําก็นอนให้หลับด้วยตั้งสติสวดมนต์ให้ดีอย่าปล่อยให้ฝันร้ายมันเข้ามาอีกแล้วกันบุญคํานะบอกให้มันนอนแต่พวกมันไม่ยอมนอนกันอีกมันว่ามันจะนั่งจนสว่างเลยเห็นมันบอกกันเป็นเสียงเดียวอ่ะ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 คนใช้ชาวดงหัวเราะเสียงพิกลอยู่ในลำคอผู้กองนะครับรู้สึกมีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่านี่ฉันถามแกนะไม่ใช่แกมาย้อนถามฉันแงใส่หัวเราะเบาๆอีกครั้งลุกขึ้นยืนบิดตัวจนกระดูกลั่นตามองออกไปยังความมืดมนของป่ารอบนอกผู้กองจะต้องรู้ดีเท่ า, ทากับผมและค น, นอื่นๆนั่นแหละแม้ว่ามันจะไม่ได้บังเกิดขึ้นกับตัวผู้กองเอง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 พร้อมกระเสียงพูดแผ่วเบาเหมือนจะกล่าวกับตนเองแง้สายจ้องออกไปในเงามืดอันน่าสะพึงกลัวของไพรทึบกลางราตรีดำสนิทซึ่งดูเหมือนจะเต็มไปด้วยสรรพสิ่งที่แอบแฝงซ่อนเงาอยู่แต่บุยปากไปที่เงาตะคุ่มของไม้ใหญ่ต้นหนึ่งปลายลำห้วยเบืองละนั่นไงละ่ละเรนยืนอยู่ที่นั่นสูงเทียมยอดสะดาโดงตาราวกับคบใต้บริวารแวดล้อมเต็มไปหมดกระจายอยู่รอบปางพัดของเรา เรากับทหารสักหนึ่งกองพันเมื่อแหลกหลับตาเห็นแต่เดี๋ยวนี้ลืมสองตาอยู่นี่ก็ยังเห็นนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้กองกรลุงคำจะเห็นอย่างผมหรือเปล่าเสียงบุญคำอุทานอะไรออกมาคำานึงแทบจะกระโดดโยงและพินหน้าเครียดขึ้ลงในทันทีนั้นจะไม่สบายไปเสีแล้วเงยสายผมสบายดีครับผู้กองเงยสายตอบด้วยน้าเสียงยเรื่อ ย, อยเป็นปกติตายังจับจ้องที่เป้าหมายเดิมเช่นนั้น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 ลุงทำบางทีหล่อนอาจต้องการอะไรจากฉันและช่วยพวกเราทุกคนปลอดภัยขึ้นก็ได้ลักษณะของหล่อนไม่ใช่สิ่งที่ร้ายอะไรจนเกินไปนะแต่เกลี่ยวกราดข้องใจที่ฉันบังเอิญไปล่วงเกินเขานี่หยุดเพอะสะทีแง่ทรายแล้วก็ไม่ต้องนอนตรงนี้อีกต่อไปไปเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกเราโน้นระพินตัดบทมาอย่างเฉบขาดแล้วหัวเราะเสียงกระชากล่าต่อมาว่า เขาละให้มันรู้ไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นเงาทรายถอนใจลึกกล่มศรีรษะลงนิดนึงอย่างรับคำสั่งเขาโดยเคร่งครัดฉวยได้ไรเฟิลและหอกของประจำตัวขยับจะเดินเข้าไปที่กองไฟกลางอันมีพวกพรานพื้นเมืองนั่งชุมนุมคุยกันอยู่ไม่เป็นอันหลับอันนอนทันใดนั้นเองทั้งรพินบุญคำและเงาทรายก็สะดุ้งขึ้นสุดตัวยืนชะงักนิ่งเหมือนถูกสาปให้เป็นหินไปชั่วขณะ กฏเสียงตูมสนันลงมากลางร้านย่างเนื้อไม้ที่ก่อเป็นร้านไว้พร้อมทั้งเนื้อกวางรมควันอยู่ถล่มลงมาหากองไฟเบื้องล่างที่คุเป็น่านแดงกระจายว้อนก้อนหินขนาดมะพร้าวห้าวเคืองๆลูกนึงเป็นต้นเหตุอันนี้มันจะลอยมาจากทางใดก็เหลือที่จะบอกได้ถูกและบัตรนี้มันกระเด็นกลิ้งคลุกๆด้วยอํานาจแรงเวียงกลิ้งมาหยุดหยุดตรงหน้าของจอมพลอีกห้าหคนที่นั่งยังกองไฟกลางร้าน ก็พลอยสะดุ้งหันขวับมาพร้อมกันฝ่ามืออันเย็นเฉียบของบุญคำจับแขนเขาไว้บีบแน่นพร้อมกับเสียงผู้ที่แทบไม่ผ่านลำคอออกมาชัดหรื อ, อยังนายนี่มันของจริงเช่แล้วนะเฉยๆไว้บุญคำอย่าเอะอะอะไรไปเขากระซิบตอบโดยเร็วส่องไฟกลาดออกไปยังราวป่าด้านนั้นอย่างระมัดระวังพร้อมกับไรเฟิลที่พร้อมอยู่ในมือเงซายก็ช่วยส่องค้นหาอีกคน อีกห้าคนที่นั่งล้อมกันอยู่ที่กองไฟกลางปากันเพ็นฮือตรงเข้ามาสมทบอย่างตื่นตกใจแต่ไม่มีใครปริปากคำใดขึ้นทั้งสิ้นนอกจากตาที่เบิกโพลงพากันสอดสายสายตาไปรอบๆ อ, อย่างหวาดระแวง่ารอบด้านสงัดนิ่งเป็นดุจสนีไม่มีวี่แววเลยว่าก้อนหินเคืองลูกนั้นปลิวมาจากไหนพ่านใหญ่กัดริมฝีปากแน่นเดินช้าๆตรงเข้าไปที่ขินก้อนนั้น แล้วใช้เท้าเขี่ยดูมันเป็นหินภูเขาธรรมดาที่เห็นกลิ้งกลาดกลื่นอยู่ทั่วๆบริเวณแถวนั้นนั่นเองคันแล้วก่อนที่เขาจะตัดสินใจยังไงถูกก็ปรากฏเสียงก้อนหินระดมคว้างตาเข้ามาอีกรากับจะเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ก้อนเล็กขนาดเท่ากําปั้นก้อนหนึ่งปลิวเข้ามากระทบโคดหินใหญ่ที่เขายืนอยู่ใกล้ๆโดยแรงและแตกเป็นสะเก็ดกระจายดังเพีย้ยชแหลบไปกับพื้นดินและไล่ๆกันกับที่ระพิน์กระโดดหลบ อีกหลายก้อนขนาดต่างๆก็ลอยละลิ้วเข้ามาราวก็หาฝนบางก้อนมีขนาดใหญ่เท่าครกตำน้ำพริกถูกเข้าก็มีหวังคอหักระวังโลบเร็วเขาตะเกินออกมาสุดเสียงพุ่งตัวปลาเข้ากำบังอยู่ริมโขดหินลูกหนึ่งทุกคนก็แตกคือกันออกไปอย่างตื่นตะนกเหลือที่จะกลับพยินร้องออกมาไม่เป็นภาษาอย่างหมดสติด้วยความกลัวแหลนทลาไม่รู้ทิศทางจะเพ่นออกนอกบริเวณบุญคาก็วัยทายา บัดขาเจ้าอาดีตนักเลงโตลมช้างล้มกลิ้งลงแล้วกระโจนเข้าตะครุบกดคอไว้ร้องบอกเสียงหลงอยู่กับที่ขยินขืนวิ่งออกนอกบางพักมึงตายแนย่ขยินตาเหลือกร้องโวยวายฟังไม่เป็นภาษาคนอยู่เช่นนั้นบุญคำก็กอดคอไว้แน่นผ่างกลางฝนหินที่ประดังซัดพรูเข้ามาหล่นอยู่ทั่วบริเวณเชียดทุกคนที่กาลังวิ่งหลบกันจ้าระวันไปมาอย่างวุ่นวิต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 พรานใหญ่ร้องบอกสวนออกมาทั้งสามช่างนักและเพ็ินเข้าหาที่มั่นอันปลอดภัยตามคำาตื่นนั้น ท, ทั้งทั้งที่ยังตื่นงงไม่สามารถจะทำนายเหตุการณ์ใดๆไ ด, ไ ด, ได้ความเงียบครอบนำอยู่ชั่วขณะอีกอึดใจเต็มเต็มระพินกับพวกพรานพื้นเมืองจึงเริ่มเคลื่อนไหวออกจากที่ซ่อนเชษดถาชัยยันและมาเรียก็ปราดตรงเข้ามาทุกคนเข้ามาออรวมกลุ่มกันด้วยสีหน้าลักษณะต่าง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 หรือมิฉะนั้นอาจาเป็นสัตว์ประเภทลิงขนาดใหญ่สสงเขียวจะไม่ใช้วิธีขว้างปาเราด้วยก้อนหินแบบนี้ครับแต่มันจะจู่โจมเข้าถึงตัวทีเดียวทันูและหอกของมันเป็นอาวุธที่ดีกว่าก้อนหินส่วนท้าเป็นลิงใหญ่เชฐาชงักคำพูดโดยอาการเฉลียวใจบางอย่างถือไฟฉายกับปืนขยับจะเดินออกไปสารวจนอกบริเวณแต่ทันทีนั้นบุญคาก็เข้าสกัดหน้าไว้พูดมาอย่างร้อนรน อย่านายนายเชื่อบุญคําสักครั้งนายอยออกไปเป็นนังขาดนะครับมันไม่ใช่คนหรือสัตว์ชนิดใดทั้นสิ้นครับหมายความว่าไงหัวหน้าคณะขมวดคิ้วจ้องหน้าบุญคําแล้ะเปลี่ยนไปจับอยู่ที่จอมพรานเหมือนจะหาคําตอบออกมาให้ได้ก็แลเห็นแววก็เลยเห็นแววตาฉายแสงประหลาดของระพินมองตอบมามันเต็มไปได้วยปริศ น, นาอันตรีไม่แตกงะทาย เอ็บอกนายหญิงไปตามจริงดีกว่าว่าที่มันเกิดขึ้นนี่ยมันหมายถึงอะไรตาพรานเท่าหันไปพูดกับเจ้าคนใช้ชาวโดงเชษดากับชา ย, ยันยิ่งเต็มไปด้วยความสงสัยประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวหันควับไปมองแง่ทรายผู้ยืนเงียบสงบอยู่แง่ทรอึกอักในลําคอพูดไม่ออกก็ะพิงจึงทําหน้าที่ตอบขึ้นด้วยน้ําเสียงอ้อมแอมไม่เต็มปากนักขึ้นเมื่อเช้านี้อะครับตอนที่แง่ทรายลองปืน ยิงไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นเป้ามารู้กันทีหลังว่าต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นตะเคียนผมก็ไม่อยากจะคิดว่ามันจะเกิดอาเพศวิกลอะไรขึ้นอย่างที่เราเผชิญกันอยู่นี่แต่บุญคําและงแง่ายมีความเชื่อมั่นเช่นนั้นครับเชษฐถากับสหายของเขาลืมตากว้างชะงักงันไปส่วนมาเรียอุทานอะไรออกมาคาหนึง่งเป็นไปไม่ได้ทำไมถึงเชื่อกันในเรื่องที่ไม่มีเหตุผลอย่างนั้น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 บุญคำรับรองว่ามันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเรายังอยู่ในบริเวณของเราตาพรานเท่าประกาศกล้องขึ้นด้วยเสียงอันสะทานสัน่นเตือนสติทุกคนช้ยันขยับไรเฟิลจะบรรจุกระสุนขึ้นฟ้าออกไปแต่ละพินควา้ากดไว้กระซิบอย่าครับไม่มีประโยชน์หรอกมาเรียวไวตัวจะปลาต่อไปตามทิศทางของเสียงเท่าที่หลอนจับได้แต่เงาทายก็คว้าไหล ย, ยึดไว้มั่น คนยืนตรึงอยู่กับที่ไปอีกวาระหนึง่งเชื่อนั้นเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจและด้วยอาการอันสงบเขาหน้าเป็นไปด้วยอาการไกลตรองขบคิดจสีงนั้นจะหายไปชั่วขณะแล้วก็ปรากฏขึ้นอีกเป็นระยะประเดี๋ยวดังอยู่ทางด้านโนนประเดี๋ยวย้ายมาดังอยู่ด้านนี้และในที่สุดก็ดูประนึ็นว่าจะแววออกมาจากความมืดอันลี้ลับรอบด้หานเขาละวิเศษแท้ คืนนี้ขอให้ชมอะไรกันชัดๆเป็นขวัญตาสักครั้งเถอะชยันตะโกนกล้องออกไปด้วยอารมณ์ดีเดือดกึ่งประชดเพราะก็หัวเราะดังส น, นั่นอย่าหาว่าท้าทายลองดีเลยนะแม่คุณมีรทธิ์เดชอะไรก็สำแดงออกมานายทหารทำไมพูดอย่างนั้นบุญคำตาเหลือกสำลักออกมาเอาเถอะนะให้มันรู้ไปอดีตนายทหารปืนใหญ่ยิงตะโกนขึ้นยังไม่วัน ทั้งๆที่ขนลุกสู้ชันทั้งกายพวกเราได้ยินเสียงของเธอแล้วความจริงมันก็หวานไพเราะมากอยากเห็นเหลือเกินว่าเธอสวยสักแค่ไหนโภไม่เยินโฉมหน่อยเป็นไรมีแม่ย่านางกลางใครของใจอะไรก็บอกกล่าวกันได้อย่ามาทำตัวเป็นศัตรูกับเราอย่างนี้ท่ามกลางความตะลึงของทุกคนใช้ยันป้องปากประกาศออกไป เสียงของเขาดังเอ็ดอึงไปทั้งความเงียบอันน่าสยองใจนั้นเสียงหัวเรางเงียบหายไปอีกครั้งอย่างปราศจากร่องรอยดูราวกะว่าหูของทุกคนจะฝาดไปพร้อมๆกันครั้นแล้วอึดใจต่อมานั่นเองก็มีอีกเสียงหนึ่งแว่วเข้ามาแทนที่มันเป็นเสียงของพายุที่กระนำปลาลันอือมาแต่ไกลและใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว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 ตลอดทั้งแคมมืดมิด อ, อนละวนได้ยินแต่เสียงสายลมที่หวีดหวือปานเสียงคำรามของปีศาจในขุมนรกระวังปืนกระไฟฉายติดมือไว้แล้วทุกคนเราไปรวมกันที่เพิงพักก่อนเร็วเสียงฉีดถาตะโกนก้องออกมาฝ่าเสียงพายุที่กำลังปั่นป่วนอยู่ในขณะนั้นทั้งหมดพากันวิ่งฝ่าลมตรงไปยงังเพิงพักนอนของคณะนายจ้างอันจับว่าเป็นพี่กาบังที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ ท่ามกลางมาหาวารภัยที่คุกคามอยู่ในขณะ น, นี้ต้นไม้ย่อมย่อมที่ขึ้นอยู่บริเวณใกล้ที่พักหักล้มฟาดลงมาระเนระนาดกิ่งก้านสาขาของมันเฉียดร่างของทุกคนไปอย่างบุบวิดจนต้องหลบกันอย่างชุลมุนชนิดตัวใครตัวมันมาเรียืนตัวงอเอามือปิดหน้าเพราะฝุ่นพัดเข้าตาจนลืมไม่ขึ้นหาทิศทางไม่ถูกแล้วหล่อนก็รู้สึกว่าถูกกระชากเอวปลิวทลาไปล้มอยู่ทางหนึ่ง ร่างของใครคนหนึ่งคร่อมทับอยู่เหนือร่างมันเป็นชั่วระยะกึ่งอึดใจเดียวเท่านั้นก่อนหน้าที่ตะครตอต้นหนึ่งจะหักฟาดรงมายังตำแหน่งที่หลอนยืนอยู่ต่อมาก็ถูกฉุดแข็ให้ลุกขึ้นยืนแล่นลิวไปด้วยแรงฉุดของคนผู้นั้นมาเรียจำได้ว่าเขาคือพรานใหญ่รพินไพรวัน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 มันถูกกวาดกระจายหายไปหมดเพียงชั่วพริบตาเดียวและในท่ามกลางพายุมหาภัยนี่เองทุกหูก็ได้ยินเสียงหัวเราะอันเยือกเย็นแซดมานในสายลมที่กำลังครางอื้ออยู่อีกครั้งชั ย, ยันกมาเรียนหน้าซีดเผือด น, นั่งกอดเหมือนจัง ง, งังทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะนอกจากเบิกตาโพลงจ้องตามแสงไฟออกไปยังป่าที่ปูนไปด้วยมิกสัญญีอันน่าสะพึงกลัวนั้น ขยินเอาหัวซุกลงไปในระหว่างเขา่ามือทั้งสองควายปิดหัวไว้ตัวสันเทาเป็นลูกนกด้วยความหวาดกลัวขวันเสียเหลือที่จะกลับสางปาก็นอนอ้าป า, าตาเหลือกลิ้งทับกันนวเนียอยู่กับเกิดเสยและจันบุญคำนั่งขัดสมาดหลับตาสวดบริกรรมอะไรพันอยู่ในลำคอเร็วปรื้มฟังไม่เป็นภาษาแง่ายเชษฐาและรพินก็พากันตะลึงไปหมด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 จับไล่พรานใหญ่บีบแน่นบุญคําสียงชัยยันร้องแหบๆทําไมไม่หาทางแก้ให้ตกคืนปล่อยพายุกระหน่าอยู่อย่างนี้เข้าของเราบรรลหมดสัมภาระของเราทิ้งอยู่ข้างนอก น, อนู่นบุญคําแก้ไม่ไหวหรอกนายทหารปล่อยมันเถอะพวกเราหลบอยู่ในนี้แหละมันจะพังตาก็มันพังไปเราอยู่ในนี้ก็ไม่เป็นไรนายทหาราไม่ควรจะไปท้าทายเขาดิตาพรานเท้าตอบเสียงสัง่น กรุณาช่วยฉายไฟให้ผมทีครับฉายไปที่กลางแคมป์ตรงที่ผมเคยนอนนั่นผมจะออกไปเอาอะไรหน่อยรับพินสัมรวมสติได้อีกครั้งกระซิบบอกเชษฐาไม่เหมาะละมัง้งทําไมเหรอคุณจะออกไปเอาอะไรไปหลังของผมครับมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นบางทีเราอาจจะยุติความวิปริตอาเพศนี้ได้เขาตอบดยเร็วหัวหน้าคณะจ้องหน้าในความมืดอันโอนลวุนนั้น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 พยายามรื้อค้นอะไรอยู่ครู่ปากก็ร้องบอกให้เชิฐถาช่วยส่องไฟให้สิ่งที่เขาหยิบขึ้นมาเป็นไท่สีคล้ำเก่าคร่ำคร่าเล็กๆใบหนึ่งลักษณะเป็นไท่สำหรับใส่เครื่องรางของคลังอย่างเช่นที่พวกชาวป่านิยมใช้กันจัดการรูดปากไท่ออกอะไรนั่นนี่จะทําอะไรเชิฐากับชัยยันถามขึ้นพร้อมกันอย่างสงสัยอีกหลายคนก็เบียดกันเข้ามามุงดูช่วยกันฉายไฟให้ ระพิงแยกเขี้ยวยิ้มค่อยๆขย่าวเทวัถุกอันเป็นชิ้นเล็กๆ ล, ลักษณะต่างๆออกมาจากท้ยอย่างระมัดระวังไว้บนฝ่ามืออีกข้างหนึ่งผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรมีอะไรอยู่หลายๆอย่างในนี้หนานไพรยนะ์ถอดออกจากคอแกมอบไป้ผมไว้เมื่อก่อนที่แกจะตายแล้วก็บอกวิธีผมไว้ด้วยว่าถ้าพบก็อะไรก็ตามในป่าที่ผิดธรรมชาติให้นามันออกมาใช้ผมเองก็ไม่เคยสนใจมาก่อน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 บัตรนี้อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วและแล้วไม่ถึงชั่วกลั่นหายใจมันก็สงบนิ่งลงเป็นดุษนีภาพเหมือนเดิมราวกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เป็นภาพฝันร้ายเหลือพยานความจริงไว้ให้เห็นแต่เฉพาะสาของต้นไม้ที่ล้มโค่นอยู่เกลื่อนกลาดระพินทหลันลุกขึ้นยืนปละลึงงงในปรากฏการณ์อันแสนมหัศจรรย์นั้นไปอีกครั้ง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 ในทันทีนั้นเชษฐากระโดดขึ้นมายืนเคียงข้าง่านใหญ่กวาดควยใช้ในมือสำรวจยังแนวป่ารอบด้านซึ่งบัด น, นี้แทบจะเรียกได้ว่ากลับคืนสู่สภาพปกติเหมือนเดิกคงเหลืออยู่บ้างแต่เพียงปลายกระแสลมอ่อนๆเท่านั้นชัยันก็กลาวเข้ามายืนเคียงคู่อยู่อีกด้านหนึง่งผมก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันครับคุณชัยยันเพราะนี่มันก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันก็พิสูจน์ออกมาได้แล้วว่า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 และไม่เห็นคุณหญิงอีกเลยนับแต่เธอไม่สบายแล้วเข้าไปนอนเมื่อตอนหัวค่าแล้วมาตอนที่เกิดเหตุก็เห็นเพียงคุณชายคุณชายยันแล้วก็เม3สามคนเท่านั้นที่วิ่งออกมาจากเพิงพักนี่น้อยนอนอยู่ในระหว่างขนาบของผมกับเมถัดไปก็เป็นชายยันหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นแหพระรีตาลงพยายามนึกภาพทบทวนเหตุการณ์ก่อนที่ตนเองจะหลับไป ตอนที่เขาไม่สบายเมยประคองเข้ามาผมก็เดินตามเข้ามาด้วยภายหลังจากกินยาแล้วเขาก็นอนเมเป็นคนถอดเข็มขัดปืนและห่มผ้าให้ผมนั่งสุบุรีคุยกับเมยอยู่ครู่เห็นเขาเงียบไปก็แน่ใจว่าหลับสนิทจึงลงนอนบ้างแล้วผมก็หลับไปเลยมาตื่นขึ้นอีกครั้งก็ตอนที่ตกใจเสียงเอะอะแล้วก็พรวดพราดวิ่งออกไปตอนนั้นไม่ทันสังเกตว่าน้อยนอนอยู่ที่เก่าหรือเปล่า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 มันต้องทิ้งร่องรอยอะไรไว้บ้างสิมาเรียหันมาพูดกับพรานใหญ่แล้วเขาก็เห็นด้วยกับเหตุผลของแหมงสาวถูกของหล่อนแล้วการสูญหายไปของดารินจะต้องมีร่องรอยอะไรให้เห็นไว้บ้างแรกจะสะกุลไม่ได้ละลายหายไปเป็นอากาศธาตุในขณะที่นอนหลับอยู่แน่ๆขณะเดียวกันก็มาได้ติดปีกบินไปอะงั้นช่วยกันกระจายค้นหารอยเถอะครับรบพินกล่าวโดยเร็ว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 และในลำแสงนั้นอีกเก้าคนก็แลเห็นแง่ทายกับสางปายืนอยู่ริมฝั่งทานด้านตรงข้ามกำลังโบกมือเรียกทุกคนมาด้วยอาการอันร้อนรนกระสับกระส่ายระพินออกแล่นลงไปตามทางด่านลุยข้ามทานน้ำตรงเข้าไปถึงทั้งสองเป็นคนแรกติดตามด้วยเชษฐถาชัยยันและมาเรียชั่วพริบตาเดียวคณะทั้งหมดก็มายืนรวมกลุ่มกันอยู่ยังบริเวณฝั่งทานนั้น และทุกคนก็มองเห็นหลักฐานร่องรอยที่แงซ า, ายกระสังปาคนพบด้วยความมหัศจรรย์ใจพื้นลำทานตำแหน่งนั้นเป็นดินอ่อนบนทรายรอยเท้าย่อมย่อมจากรองเท้าเดินป่าคู่หนึ่งเหยียบประทับไวและเห็นชัดเจนรอยนั้นปรากฏอยู่ทางใต้พื้นน้ำตื้นตื่นและย่ำเป็นทางขึ้นไปยังริมฝั่งชายน้ำใบหน้าขึ้นสู่ตลิง่งและตัดเข้าป่าฝากตรงข้าม พอพิจารณาเห็นได้ทั น, นักทั้งเชษฐาและชายานก็อุทานออกพร้อมๆกันว่าน้อยไม่มีปัญหาทุกคนจำได้อย่างแม่นยำรอยเท้าชนิดนี้จะเป็นของใครไม่ได้นอกจากมอมราชวงศ์หญิงดารินวราริษตรงตำแหน่งที่ย่ำไวร้ริมน้ำอย่างปรากฏรอยขุนจางๆแสดงว่าเจ้าของรอยผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้เอง ตรงที่เป็นพื้นแห้งเหนือฝั่งขึ้นไปก็ยังปรากฏรอยเปียกจากน้ำที่ติดพื้นรองเท้าขณะประทับพื้นดินเห็นได้ชัดจากลักษณะร่องรอยที่เป็นหลักฐานยืนยันได้ทันทีว่านักมนุษยวิทยาสาวได้ออกเดินจากบริเวณแคมป์ในเวลาหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองลุยตัดข้ามลำธารแล้วหายเข้าไปในป่าใหญ่ฟากตรงข้ามการพบรอยเท้าของหลอนโดดเดี่ยว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 ไม่เกินครึ่งชั่วโมงมานี้เองอาจก่อนเวลาที่เกิดพายุเพียงเล็กน้อยหรือมิฉะนั้นก็เป็นเวลาเดียวกับที่เกิดพายุนั่นแหละจอมพรานพึมพำแแหบๆมันหมายความว่ายังไงกันนี่เฉถาพูดด้วยเสียงที่แทบไม่ผ่านริมฝีปากออกมาตาเบกโครงจ้องสำรวจรอยเท้าของน้องสาวหัวใจแทบจะหยุดเต้นระพินปาดแขนขึ้นเช็ดเหงื่อบนหน้าผากซึ่งเต็มไปได้วยริ้วรอยยน่น สีหน้าของเขายามนี้ดูกร้านเกรียมปราศจากความรู้สึกประหนึ่งภาพแกะสลักจากหินหยาบๆไม่เอ่ยคําใดทั้งสิน้นแต่สาวรอยขึ้นไปบนฝั่งตะลิงอันสูงชันอย่างรวดเร็วแล้วมาหยุดยืนชะงักกราดไฟสำรวจทีท้วนอีกครั้งหัวหน้าคณะและชัยยันก็สาวเท้าตามติดเข้ามาในขณะที่มาเรียส่งภาษาพาม่า ก, กับส่างปาเร็วปรือกระโดดขึ้นเนินตะลิ่งอีกด้านหนึ่งออกตรวจในรัศมีที่แยกห่างออกไปทางด้านซ้ายมือ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 ฉันก็สังปลาพบรอยเท้าของเขาเดินเลาะลัดวนเวียนอยู่ในระหว่างพุ่มไม้และก้อนหินด้านโนนเรากับจะเดินชมดงเล่นอย่างสบายอารมณ์ทีเดียวเป็นการเดินวกเวียนไปมาในสภาพปกติไม่ได้มีอาการรีบร้อนสังเกตจากรอยเท้าที่สม่ำเสมอได้ระดับหลังพุ่มมะลิป่าริมโขดหินนั่นก็มีรอยหยุดและช่อมะลิป่าช่อหนึ่งก็มีรอยหักเด็ดไปใหม่ และมันก็จริงตามรายงานของมาเรียกระพินทะลันพรวดตรงไปยังตำแหน่งที่แมมสาวบุยปากบอกพบรอยเท้าของดารินเดินทอดน่องไปตามรุมสมทุมพุ่มไม้กระหนึ่งหล่อนจะท่องเที่ยวชมดงยามวิการเล่นด้วยสายตาและประสาทสัมผัสประหนึ่งสัตว์ป่าที่แลเห็นทางในเวลากลางคืนแล้วมาหยุดอยู่ที่ดงมะลิปา่าซึ่งส่งกลิ่นหอมเย็นช่อหนึ่งมีรอยเด็กหักไต ใบและเศษของดอกบางส่วนยังร่วงอยู่ชยันหินข้าวเช่นนั้นก็คลางอยู่ในลำคอฟังไม่เป็นภาษาตาเหลือด้วยความหวาดสยองขีดสุดในความวิกลวิการผิดธรรมชาตินั้นเชษฐานหน้าซี่จนเขียวพยายามรวบรวมสติคุมไว้มั่นรอยเท้าเหล่านั้นเป็นรอยเท้าของน้องสาวผมแต่พฤติการมันไม่ใช่น้องสาวของผมซะแล้วอะ อดีตท่านทูตทหารบกกล่าวอย่างยากเย็นเร้าร้อนวันวิตกจนแทบทนไม่ได้ต่อไปรันแล้วทันทีนั้นก่อนที่ใครจะไหวตัวเช่นไรต่อไปนั่นเองกระแสะเสียงชนิดหนึ่งก็ลอยฝ่าฟา้มเงียบตามลมโชยมาสัมผัสโสดอีกครั้งมันเป็นเสียงฮัมทำนองเพลงอันแสนที่จะเยือกเย็นลีลาฟังคล้ายๆเป็นเฮกลอมในแบบบ้านป่า มีแต่เสียงเอื้อนเท่านั้นไม่มีถ้อยคำร้องกระนั้นมันก็ไพเราะจับจิตพอพอกับสถานคั่วใจส่วนประสาทของใครไม่ได้ฝาดไปทั้งสิ้นเพราะได้ยินกันทั้งหมดรินดอกมะลิป่ายังหอมจัดตลบอบอวลไปหมดทั้งราวป่าจนทำให้บังเกิดอาการวิงเวียนขยินตาเหลือกตั้งท่าจะเพ่นตามประษาคนขี้คลาดผีอย่างมันแต่บุญคำคว้าคอไว้มั่น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 กระดุดสายชิงชาธรรมชาติขณะที่แกว่งไกวโยนตัวน้อยๆอย่างแช่มช้าเป็นจังหวะโดยเครื่องแต่งกายที่แลปราดเดียวก็บอกได้ทันทีว่านั่นคือดารินแต่คุณพระชวดใบหน้าวงนั้นซึ่งปรากฏขาวนวลอยู่กลางแสงไฟในขณะนี้ทุกคนสาบานได้ว่าไม่เคยเห็นหมักก่อนมันเป็นใบหน้าของดารุนีหนึ่งที่แกะออกมาจากภาพวาดในจินตนาการอันแพล่เพลิด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 แล้วใบหน้านั้นก็แงนขึ้นเปลงเสียงหัวรอกกึกก้องออกมาพางกล่าวต่อมาเราได้ส่งสัญญาณเตือนไปถึงท่านแล้วแต่ท่านก็มีพักจะสนใจหญิงอยู่สัจจะแห่งพรานไพรอันเคร่งของท่านสร้างให้เกิดตำบะและพลังอำนาจท่านขับไล่สกัดกั้นบริวารของเราทั้งหลายให้แตกถ่ายถอยร่นไปได้ แต่ท่านอยากคิดว่าจะมีชัยอยู่เหนือเราถ้าหากจะกระทําตนเป็นศัตรูต่อกันระหว่างที่เชษฐาชัยยันและมาเรียยืนตะลึงต่อการประจันหน้าโต้อตอบนั้นจอมพรามซึ่งทําหน้าที่ตัวแทนของคณะทั้งหมดสันศีรษะช้าช้ากล่าวตอบไปว่าเราและพวกเราทุกคนไม่ได้คิดที่จะเป็นศัตรูต่อท่านเลยขอได้โปรดรับขมาโทษจากเราด้วย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 แล้วเสแยกิ้มชี้หน้าแงซ า, ายเปลี่ยนลิ้นมาเป็นภาษากรีงอย่างแคล่วคล่องส่วนเจ้าไอ้คุพระเจนจรผู้ทะลนนงข้ารู้ว่าเจ้าคือใครและต้องการอะไรในการเดินทางมากับคณะนี้แต่นั่นไม่ใช่กิจของข้าเจ้าเป็นผู้ก้าวร้าวและโอหังแม้จะไม่มีเจตนากอตามสิ่งที่ข้าต้องการจากเจ้าก็กคือเลือดของเจ้าสามหยด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 แต่พรานใหญ่ปาดแขนกั้นไว้กระซิบห้ามรอ้อนรนเฉยนครับอย่าเพิ่งเข้าไป <S <S ร่างที่ยืนพิงโคนต้นตะเคียนห่างออกจากทุกคนไปประมาณสิบห้าสิบหกเก้านั้นสงบนิ่งอยู่ชั่วกลั้นใจก็เริ่มอ่อนระทวยโงนเงินไปมาแล้วล้มหวบลงไปฟุบอยู่กับพื้นและพริบตานั้นเองทุกคนรอคอยจังหวัดอยู่ พันลันพรวดเข้าถึงตัวเรากันนับกันไว้ราชสกุลหนุ่มหัวหน้าคณะประคองน้องสาวไว้ในอ้อมแขนอีกหลายคนก็ช่วยกันเขย่ากายเรียกแทรกไปหมดแต่ดารินยังคงร่างอ่อนปูกเปียกดวงตาทั้งสองหลับสนิทอยู่เช่นนั้นลมหายใจแผ่วบางเหมือนคนที่ตกอยู่ในห่วงสะกดของยาสลบมาเรียจับชีพจรของเพื่อนสาวตรวจ ด, ดูคาหน้าของหล่อนเต็มไปด้วยความทุกข์กังวล ที่ประจรอ่อนเหลือเกินเป็นการหลับลึกแบบเดียวกับถูกยาสลบ่าเพิ่งพยายามให้เขารู้สึกตัวตอนนี้เลยค่ะพี่ใหญ่เอากลับแคมป์เราก่อนเถอะเชิดฐาเงยหน้าจ้องมาที่ชั ย, ยันกับระพินอย่างหารือร้อนรุ่งนับบัตรนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในราวไพรรอบด้านสงักเงียบราบคาบเป็นดุจสีไม่วีแว ว, แวของความวิปริตใ ด, ดๆอีกเลยกระแสลมดึกอ่อน พัดกิ่งใบของตะเคียนใหญ่ไหวกระทบกันปรากฏเสียงแสกสากเป็นปกติปรากฏการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดเมื่อครู่นี้ดูราวกับจะเกิดขึ้นจากความฝันของทุกคนทำตามที่เมย์บอกก่อนดีกว่าครับจอมพลานกล่าวแผ่วเบาชายันเห็นด้วยกล่าวเตือนสนับสนุนมาแล้วก้มลงอุ้มร่างอันไม่ได้สติของดารินขึ้นมาไวในอ้อมแขนแทนเชิฐา ผู้ซึ่งกําลังขายังไม่แข็งแรงนักฉันอุ้มน้อยไปเองดีกว่าพร้อมกับพูดอดีตนายทหารปืนใหญ่อุ้มดารินพานำเดินลิวบายหน้ากลับไปยังที่พักโดยเร็วทั้งหมดก็โดยรานล้อมกันตามกันมาคงเหลือแต่เพียงพรานใหญ่กับเงซร า, ายสองคนยืนนิ่งมองหน้ากันอยู่ภายใต้ร่มเงาอันมืดครึมของตะเคียนต้นนั้นผมสีใจครับ ที่เป็นต้นเหตุทาให้พวกเราทุกคนเดือดร้อนในคืนนี้เสียงพึมพำเบาๆแวววมาจากจอมพเนจรพร่านใหญ่ยิ้มกล้านๆแงนขึ้นไปมองดูกิ่งใบหนาทึบของพยามาใหญ่อีกครั้งมือลูบเบาๆอยู่ที่เปลือกลำต้นอันสา ก, กระด้านของมันมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะแง้ซา ย, ซายถ้าจะพูดถึงด้านความบกพร่องมันก็น่าจะเป็นของฉันมากกว่า เพราะบุญคำเป็นคนค้นพบและเตือนให้ชั้นรู้ล่วงหน้าแล้วแต่ฉั้นก็ไม่ได้สนใจจัดการแก้ไขเรื่องร้ายอะไรนะักเอาล่ะกลับไปแคมป์กันเถอะกล่าวจบเขาก็พยักหน้าชวนคนใช้ชาวดงออกเดินตามหลังพักพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วตา่างฝากความมืดกันไปเงียบๆโดยไม่ได้เอ่ยคำใดกันทั้งสิ้นเมื่อทั้งสองข้ามลาธารกลับขึ้นมายังบริเวณแคมป์เชิดผา มาเรียและชายันกำลังช่วยกันแก้ไขแพทย์หญิงนักมนุษยวิทยาสาวอยู่พวกพรนพื้นเมืองจัดการก่อไฟขึ้นใหม่กองใหญ่และเก็บข้าวของที่ถูกพายุพัดกระจัดกระจายจาดเกลื่อนอยู่ทั่วบริเวณดูชุนละมุนไปหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนไม่มีใครง่วงหรือคิดที่จะหลับนอนกันต่อไปพักใหญ่ต่อมาของการปฐมพยาบาล ระดับการเต้นของชีพจรหญิงสาวก็เริ่มคืนเข้าสู่อัตราปกติเริ่มหายใจที่ระรวยแผ่วเหมือนคนถูกสะกดจิตค่อยๆแรงขึ้นหรือตาที่ปิดพริมสนิทอยู่มีอาการสั่นพริว้วครันแล้วก็ค่อยๆขยายเปิดขึ้นเหมือนคนที่งวงเงียตื่นในระยะแรกน้อยทั้งสามคนร้องเรียกชื่อหลอนหนักๆออกมาพร้อมกันพร้อมกับเขย่าตัว หญิงสาวลืมตาโพลงขึ้นในทันทีพร้อมกับอาการสะดุง้งกว่าสายตาจ้องดูทุกคนที่มุงรายล้อมรอบกายขณะนี้แล้วยันตัวพื่อพลาดลุกขึ้นนั่งโดยเร็วไอคือไรขึ้นนี่นร้องออกมาด้วยความตกใจมองดูทุกมองดูหน้าทุกคนอย่างประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวทั้งหมดอึ้งไปยังไม่สามารถกล่าวอะไรกับหลอนในขณะนั้นได้อึดใจต่อมาชัยยันขยับจะอ้าปาก แต่เชิดถากดมือเป็นสัญญาณเตือนให้สงบแล้วฝืนยิ้มให้น้องสาวเอ่ยมาเรียบเรียบว่าน้อยเป็นไงบ้างนอนหลับสบายดีป่ะดารินมีอาการสงสัยในสีหน้าอาการของคนทั้งหมดในคณะที่เข้ามาล้อมวงหลอนอยู่กว่าตาไปรอบๆเหมือนจะสำรวจแล้วหัวเราะออกมาตื่นๆว่าหลับสบายดีนี่ครับพี่ใหญ่ทำไมไม่บอกน้อยละ่ะว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงตื่นกันขึ้นมาพร้อมหน้าเราก็มีเรื่องอะไรเช่นนี้แล้วนี่มาปลูกน้อยนานแล้วหร่อคะก็ปลูกเรียกอยู่พักใหญ่ทีเดียวลว้รู้สึกว่านอนขี้เศาผิดปกติก็นึกห่วงที่นึกห่วงว่าเป็นอะไรไปน้องสาวมีข้าวหน้างงประหลาดใจอยู่เช่นนั้นแม้คำพูดของเชทดาจะเป็นการกลบเกลื่อนอำพรางตล่อนก็พอจะอ่านอากับกิริยาของคนเหล่านั้นได้ด้วยความพิศวงแน่ละ มันจะต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างแน่ไม่เช่นนั้นพักพวกทุกคนคงไม่มามุงล้อมดูหลอนอยู่เช่นนี้แลออกไปกลางลานที่พักก็ยิ่งพบกับความแปลกใจเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นซากต้นไม้ล้มอยู่ระเนรนาศคุณพระช่วยนั่นมันเกิดกะลียุคอะไรขึ้นล่ะคะต้นไม้ถึงได้ล้มกลืนอย่างนั้นและนี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นี่หลอนอุทานออกมา เกิดพายุขึ้นมาครู่นี้เองตอนนั้นเธอหลับไม่รู้เรื่องเลยพวกเราก็โอนละหมานกันไปหมดทั้งแคมป์มีเธอคนเดียวเท่านั้นแหละที่นอนหลับเป็นตายไม่รู้สึกตัวสักนิดอู้หญิงสาวร้องลั่นยกมือขึ้นกุมหัวตายละทําไมฉันถึงไม่รู้สึกตัวเลยนะตอนนั้นน่ะที่ฉันไม่เคยนอนขี้สาวถึงเพียงนี้เลยนะเอ้ยไม่น่จะเป็นไปได้แล้วรู้สึกยังไงม้างไงตอนเนี้ยชายันถามเบา จ้องตาขมิงก็ปกตินี่ไม่เห็นเป็นไรสักหน่อยหลอนตอบยกมือขึ้นปิดปากเขาาและสะบัดแขนออกไปอย่างเมื่อยขบนั่งทำเหมือนจะคิดอะไรอยู่ครู่หนึง่งก็กล่าวต่อมาด้วยน้ำเสียงตืง่นตื่นว่าแต่ฉันฝันแปลกนะไม่เคยฝันอย่างนี้มาก่อนเลยมาสะดุ้งตื่นก็เพราะถูกปลุกนี่แหละเธอฝันว่าไงน้อยมาเรยถามมาโดยเร็ว ดารินซอยเปลือกตาทีทีทุกคนมองจับนิ่งมายังหล่อนเป็นตาเดียวฉันฝันไปว่าระหว่างที่กำลังนอนอยู่นี่เลยนะมีใครคนนึงเข้ามาเขย่าปลุกฉันหล่อนเล่าน้ำเสียงตื่นตื่นๆงงงในเรื่องราวที่ลำดับทบทวนจากภาพเหตุการณ์ในฝันพอลืมตาขึ้นก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยเหลือเกิน สวยอย่างชนิดที่เกิดมาไม่เคยเห็นใครสวยอย่างนี้มาก่อนน่ะแล้วก็ยังจำคาวหน้าของหลอนติดตาได้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้อ่ะหลอนนุ่งผ้ายกสีจาปาสบยเฉียงสีทองผมยาวถึงเอวด้วยละลักษณะท่าทีของหลอนนั้นน่ารักเหลือเกินหลอนพูดคุยกับฉันอยู่สักพักเหมือนคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ชิญฉันออกไปเดินเล่นเก็บดอกไม้กับหลอนในฝันนั้นฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะ ว่าทำไมฉันถึงเดินไปกับหล่อนหล่อนพาฉันเดินไปในป่าแสนสวยที่สะพรั่งไปด้วยไม้ดอกราวกับอุทยานสวรรค์อย่างนั้นอ่ะเราคุยกันสารพัดอย่างถูกอธัธยาสัยกันที่สุดและก่อนที่จะตกใจตื่นขึ้นมาหนีจำได้นะว่าหล่อนกล่าวคำอำลาและให้พรแก่ฉันก่อนที่จะเดินหายเข้าไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งฉันพยายามวิ่งตามหล่อนไปพยายามจะร้องเรียก ก็พอดีตื่นขึ้นมาเพราะถูกปลุกนี่แหละทั้งหมดพากันงนันแลตากันไปมาอีกครั้งเป็นฝันที่มีสิริมงคลมากครับคุณหญิงทานใหญ่กล่าวขึ้นเบาๆแล้วเดินพละห่างออกมาบัดนี้เขาโปรงโล่งอกแล้วเมื่อตระหนักแน่ว่าน้องสาวของนายจ้างกลับคืนสู่สภาพอันปกติเรียบร้อยดีที่สุดโดยไม่มีค่าวว่าจะเกิดพิษภยัยใดๆขึ้น ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหล่อนโดยที่หล่อนเองไม่รู้ตัวฝ่ายคณะนายจ้างให้อยู่ตามดำพังมันสุดแล้วแต่เชษฐาเองที่จะยอมให้น้องสาวทราบหรือไม่ว่าระหว่างที่หล่อนไม่รู้สึกตัวเหมือนตกอยู่ในนิทรารมอันแสนสุขนั้นมันได้เกิดอะไรขึ้นกับตัวหล่อนบ้างและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นความสยดสยองพองโลมาของผู้ได้ประสบพบเห็นทุกคนอันเป็นเรื่องตรงข้าม ความฝันดีของเจ้าตัวเองและพรานใหญ่ก็เข้ามานั่งรวมกลุ่มอยู่กับคนของเขาซึ่งเร่กันเข้ามาล้อมวงซุปซิ บ, บนายหญิงจะต้องเป็นคนมีบุญแล้วก็โชคดีที่สุดบุญคำกระซิบพวกเรานะโดนหนักกันหมดทุกคนเกือบไตหงตุดหาโอ้ยแต่นายหญิงตอบฝันดีไปซะนี่นางตะเคียนทองเนละชอบนายหญิงแน่ๆเข้าสิงชักจูงออตัวนายหญิงไปเพื่อล่อพวกเราตามไปที่ต้นตะเคียนนั่น บังคับเอาสมาโทษจากเราให้ได้รพินไม่เ อ, อ่ยอะไรทั้งสิ้นนั่งสูบบุรีบเงียบๆฟังคนของเขาคุยกันเองนี่มันแบบเดียวกันกับที่ไอ้เซยถูกผีอียกขินมาล่อเอาตัวไปคราวนั้นแหละผิดกันแต่ว่าไอ้เซยน่ะเกือบตายโหงฟื้นขึ้นมารัสแบักสะบอมแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่นายหญิงตื่นขึ้นมาไม่ยักเป็นอะไรเลยสักอย่างสบายดีที่สุดจันว่า ระหว่างที่พวกนั้นกำลังนั่งล้อมวงคุยกันอยู่ชั ย, ยันก็เดินตรงมาร่วมด้วยลักษณะของเขาอ่อนเปรียวหมดเรียวแรงอยู่ในความมึนงงที่ไม่สามารถจะคลี่คลายไปได้พอมาถึงก็ซุดตัวลงนั่งบนกองสัมภาระตรงหน้ารพินกรอกบันดีใส่ปากเสียหลอึกแล้วสะบัดหน้ายกมือขึ้นกลุมหัวมองจับไปที่พรานใหญ่และทุกคนที่ร่วมวงอยู่เงียบเียบนายหญิงเป็นยังไงบ้างล่ะนายทหาร บุญคำถามขึ้นเบาๆก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ตอนนี้ก็หลับไปอีกละชายันตอบไปอย่างตื้อๆเอานื้อจับที่สันจมูกขยี้แล้วควักบุหรี่ออกมาจุดสูบอัดควันจนแก้มตอบเธอทราบแล้วหรื อ, อยังล่ะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างขณะที่เธอไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแลพินถามมาแผ่วต่ำชายันสั่นศีรษะเชิตาห้ามแม่บอกในตอนนี้ ก็จะตกใจสังเกตดูน้อยไม่ระแคะระคายอะไรในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเขาเองเอาซะเลยเพียงแต่สงสัยว่าทําไมเขาถึงตกใจตื่นขึ้นมาท่ามกลางวงล้อมองดูของพวกเราเท่านั้นแล้วก็แปลกใจตัวเองในข้อที่ว่าตอนที่เกิดพายุใหญ่ตามที่เราบอกทําไมเขาถึงไม่รู้สึกตัวเลยพอพี่ชายกลบเกลื่อนบอกให้นอนเขาก็นอนหลับไปอีกอย่างง่ายๆตอนนี้เชษฐากะเมก็ทําเป็นหลับขนาบอยู่ใกล้ๆแต่คอยสังเกตอยู่ สำหรับผมนี่เห็นจะหลับไม่ลงแล้วละ่ะจิตใจมันสับสนโอลล์มานพิลึกพิลั่นไปหมดก็เห็นจะไม่มีใครหลับได้อีกแล้วล่ะครับนายทหารเกิดพูดขึ้นพร้อมกับยิ้มแห้งๆและมันก็เป็นความจริงตามที่เกิดว่าประาาสาทของทุกคนสัมผัสกับเหตุการณ์อันตื่นเต้นระทึกขวัญใช่จนไม่มีกระจิตกระใจจะนอนต่อได้แม้แต่เชษฐากามาเรียเพราะอีกพักใหญ่ต่อมานั่นเองทั้งสองก็เดินออกมาจากเพื้นพัก เข้ามาสมทบกระทุกคนด้วยโดยสั่งให้งแงซายทำหน้าที่เป็นองครักษ์คอยเฝ้าดารินในขณะที่หลอนหลับไว้หัวห น, น้าคณะกันายตะแแม่มสาวพูดอะไรไม่ออกจากพฤติการลี้ลับทั้งหลายที่เผอิญพบเห็นมากระตาตัวเองเข้ามานั่งร่วมวงฟังพวกพรานพื้นเมืองพูดและในที่สุดก็มองนิ่งไปยังพรานใหญ่ผู้ตลอดเวลาอยู่ในอาการสงบเงียบเฉยเป็นตาเดียว เหมือนจะขอความกระจ่างไพรวัดเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่มันอะไรกันแน่นะคุณพอจะอธิบายได้ไหมมาเรียผู้ไม่เคยเข้าใจอะไรมาก่อนเลยเอ่ยถามขึ้นด้วยเสียงแหบสัน่นหลอนตกอยู่ในฐานะเช่นเดียวกับขยินนั่นก็คือแทบหัวใจหยุดเต้นไปด้วยพฤติการที่เกิดขึ้นเราไม่สะทกสะเทือนพลั้นพลึงต่อพายุวิปริตเพราะมีความเชื่อมั่นวันนั่น เป็นเรื่องธรรมชาติแต่เต็มไปด้วยความตรนหนกตกใจอย่างยิ่งนับตั้งแต่คนพบรอยเท้าของดารินที่เดินท่องเที่ยวไปในราวป่าใหญ่กลางดงคนเดียวกลางดึกและ ว, วาระสุดท้ายไปพบนักมานุษยวิทยาขึ้นไปประดิษฐานแกว้งไกวชิงชาเถาวันอยู่บนต้นตะเคียนในอากาศกิริยาที่ผิดแปกไปกว่าสภาพเดิมมีหน้ำซ้ำภาษาที่ใช้พูดโตตอบกับรพินและงแงซาย ก็ยังเป็นภาษาที่โดยปกติแล้วดารินไม่สามารถจะพูดได้ตลอดจนการกลับฟื้นคืนสติขึ้นอีกครั้งของเพื่อนสาวซึ่งไม่สามารถจะรับรู้อะไรได้ทั้งสิ้นเช่นเดียวกับที่คนเพิ่งจะตื่นจากหลับสีหน้าของจอมพรานเต็มไปด้วยความอึดอัดลำบากใจอย่างยิ่งจะอธิบายให้ก็ได้แต่รู้สึกว่าจะรับฟังได้ยากหรือเกินสาหรับคุณ เพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนเลิกสนใจมันซะเถอะคุณหญิงดารินะปลอดภัยเรียบร้อยดีคนอื่นๆก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะพอใจที่สุดแล้วคุณเปรียบเสมือนเจ้าป่าผ่านเหตุการณ์สารพัดชนิดในอาณาจากักรภพยมาแล้วคุณย่อมจะรู้ดีสิว่าอะไรเป็นอะไรเมือ่อเผชิญกับสิ่งที่เราไม่สามารถจะเข้าใจได้เราก็ขอความเข้าใจจากคุณยังสิทธ์กับครู ทุก อ, อย่างผู้เยากับผู้อาวุโสคุณไม่ควรจะตัดบทอย่างนี้นะมาเรียตัดพอมาแต่คุณเองก็เป็นนักเดินป่านะคุณใช้ชีวิตอยู่ในป่ามาเป็นเวลานานพอตัวเคยพบเหตุการณ์อะไรทํานองนี้มาบ้างไหมฉันสาบานว่าไม่เคยพบเห็นมาก่อนมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดและไม่สามารถจะเข้าใจได้หล่อนตอบซื่อๆรับพินหัวเราะึุดๆ คุณถามบุญคำดีกว่าอย่าให้พูดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะผมเองก็ไม่เคยพบมาก่อนเช่นเดียวกับคุณเหมือนกันจะเคยก็แค่ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นแล้วเขาก็หันมาทางบุญคำสั่งมาว่าในบุญคำลองอธิบายนายแหม่มฟังสิว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดจากอะไรตาพรานเฒ่า อ, อึกอยู่ในลาคอพอเขาเตื่นมาอีกครั้ง แกก็หันไปส่งภาษาพม่ากับมาเรียแม่มสาวนั่งลืมตาโตฟังบุญคำตะลึงกิริยาส่อความพิศวงอัศจรรย์ใจขีดสึกแล้วหล่อนก็หันขวับมาทางเขามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อขนาดไหนก็ตามแต่เท่าที่เห็นกับตา ม, มาแล้วนี่มันก็ทำให้ต้องยอมจำนวนเหมือนกันฉันไม่คิดว่าบุญคำพูดในสิ่งที่เหลวไหลหรอกนะฉันพยายามจะลงความเห็นครั้งแรก ว่าน้อยไม่สบายมากพิษไข้ทำให้เขาเพ้อคลั่งทำอะไรแผลงๆออกไปโดยไม่รู้ตัวแต่มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะสรุปได้ในข้อนี้น้อยทำอะไรต่ออะไรหลายสิ่งอันสัมแดงถึงว่าขณะนั้นเขาไม่ได้เป็นตัวของเขาเออเองเลยสักนิดเดียวเขาพูดขมูได้พูดกระเหียงได้ทั้งๆ ท, ที่เขาไม่เคยพูดไดมาก่อนเลยสามารถที่จะเดินไต่ไปตามกิ่งเถาวัน ในลักษณะที่มนุษย์ธรรมดาไม่น่าจะเดินได้และเมื่อตอนฟื้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็ไม่มีอาการผิดปกติอย่างใดเหมือนคนที่ตื่นขึ้นจากหลับธรรมดามันแปลว่าขณะนั้นเขาจะต้องตกอยู่ใต้อำนาจสะกดของพลังลึกลับอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเข้าชักจูงให้เขากระทำในสิ่งต่างๆโดยใช้ร่างกายของเขาเป็นสื่อแบบเดียวกับการทรงเจ้าเข้าผีที่ฉันเคยเห็นมาในแอฟริกา และในอินเดียมันน่าตะหลาดใจอยู่ในข้อที่ว่าเหตุใดต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นจึงมีพลังงานอิทธิฤทธิ์ถึงเพียงนี้มันน่ากลัวเหลือเกินต้นไม้นะ่ะมันไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรหรอกครับแต่พลังงานลึกลับที่แอบแฝงอาศัยอยู่ในต้นไม้น่ะสิมันเดินบันดาลอะไรขึ้นมาได้อย่างที่เราคิดกันไม่ถึงคุณคงเคยได้ยินหรือได้ฟังนิยายพื้นเมืองของคุณเองมาก่อน เกี่ยวกับคำว่านางไม้อันหมายถึงเทพพิดาหรือวิชนั้นก็พูดชนิดหนึ่งมีเพศเป็นหญิงสาวสวยอาศัยสิงสู่อยู่ตามต้นไม้ใหญ่ในป่าวันดีคืนดีจะออกมาวิ่งเล่นขับระบำทำเพลงสว่างสวัยครึกครื้นไปหมดทั้งป่าใช่ฉันเคยอ่านเทพนิยายและรู้จักคำนี้มาเรียรับคำโดยเร็วก้มศีรษะลงนั่นแะครับ ลักษณะมันคล้ายๆกันกับที่พวกเราเผชิญในคืนนี้ล่ะพวกพานป่าเขาเชื่อกันว่านางไม้น่ะมีจริงมักจะอาศัยสิงสู่อยู่ตามต้นไม้ใหญ่ๆในป่าลึกเป็นกึ่งเทพกึ่งพูดตามปกติแล้วจะไม่ทำอันตรายหรือเป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่ถ้าคนไปกระทำการดูแคลนไม่ให้การคาราวะยกย่องเท่าที่ควรเป็นต้นว่าไปตัดต้นไม้หรือทาลำต้นที่นางอาศัยสิงอยู่ให้เป็นอันตราย ก็จะสำแดงอิทธิฤทธิ์สร้างพิบัติภัยขึ้นในทันทีด้วยการรบกวนคนของเราไม่ให้เป็นอันหลับอันนอนครั้งแรกต่อมาก็เอาหินระดมขว้างบันดาลให้เกิดพายุแล้วก็ลงท้ายขมโมยตัวน้อยไปอย่างนั้นมาเรียครางออกมาอย่างสยองใจเราเนียอาการขนลุกชันขึ้นเป็นครั้งแรกหอไลเสียิวกาย มันจะจริงหรือเท็จแค่ไหนก็สุดแต่จะพิจารณากันเถอะจากสิ่งที่เราทุกคนเห็นกันตามมาแล้วนั่นแหละทรานใหญ่กล่าวขึ้นด้วยสำเนียงเคร่งครึมยอมรับในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเป็นการยอมรับอย่างฝืนกับความรู้สึกที่สุดหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นด้วยเสียงต่ําลึกบุญคําบอกผมว่าคุณกับแกรู้ตัวกันล่วงหน้าก่อนแล้วเป็นความจริงเหรอกริน ระพินยิ้มกล่อยครับบุญคำชวนผมไปดูที่ตะเคียนต้นนั้นครับแล้วลูกปืนที่แง่ทรายยิงไว้นะ่ะปรากฏว่ามียางไหลยเยิ้มออกมาเป็นสีเลือดบุญคำขวัญเสียตั้งแต่ตอนน้นตอนนั้นเลยละครับจะพยายามให้ผมบอกคุณชายเพื่อให้ทำพิธีขอขมาซะแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะไม่เชื่อว่ามันจะเกิดอาเพศอะไรขึ้นจริงอย่างที่แกบอกไว้อีกอย่างหนึง่งผมก็ไม่คิดว่าพวกของคุณชายจะเห็นด้วย ยางไหลออกมาเป็นเลือดเลยเหรอชัยยันร้องลั่นลืมตาโพล่ครับตายโหงคุณน่าจะเฉลียวใจคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วควรมาบอกให้พวกเรารู้โถ่เอ้ยม่ น, น่าจะปิดเงียบไว้แบบนั้นนี่ก็ถ้าผมมาบอกคุณชายกับคุณชัยยันให้ไปกราบไหว้ต้นไม้ต้นนั้นใช่ในตอนนั้นจะเชื่อกันเหรอครับเขาย้อนถามมาเบาๆทั้งสองอึ่ง นี่แสดงว่าคุณเองก็ไม่ยอมเชื่อถือมา ก, ก่อนเหมือนกันใช่ไหมในที่สุดชยันพึมพำรรออกมาก็ดีเหมือนกันมันต้องให้เห็นกันชัดๆใชแบบนี้แต่ถึงไม่ยอมศรัทธาในเรื่องนี้คุณก็เข้าใจที่จะแก้ไขได้ดีทีเดียวนี่ผมกระเชิดฐานต ะ, ะลึงทำอะไรไม่ถูกเลยตอนที่เงยหน้าขึ้นไปเห็นน้อยนั่งแขวนอยู่บนเถาวันกลางลาต้นตะเคียนน่ะมันเป็นวินาทีที่สาคัญที่สุด เกี่ยวกับชีวิตของน้อยทีเดียวอะไรจะเกิดขึ้นบ้างล่ะถ้าก็าน้อยพลัดหล่นลงจากกิ่งเถาวันสูงนั้นพวกเราไม่มีทางจะช่วยทันแน่้าคอไม่หักก็กระดูกออกนอกเนื้อแน่ๆเลยบุญคำเองก็ตกตะลึงเหมือนกันนายตาพรานเท่าเสริมมาเสียงปราแล้วมองมายังระพินอย่างยกย่องนับถือสึกหัวใจกล่าวปนหัวเราะต่อมาพรานใหญ่นะ่ะไหวตัวดีมาก รีบสักการะขอสมาลาโทษซะไม้ตายที่สุดที่นางตะเคียนจะเล่นงานพวกเราได้ก็คือตอนที่เข้าสิงนายหญิงเอาตัวขึ้นไปนั่งแขวนอยู่บนกิ่งเถาวัลย์สูงนั่นแหละเพราะรู้ว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่จะแสดงอภินิหารบีบบังคับเอากับพวกเราได้ถ้าพรานใหญ่ไม่รีบสมาซะนายหญิงจะต้องพลัดตกลมาตายต่อหน้าพวกเราทุกคนแน่ๆจ้ก็ต้องนับว่าโชคของเราทุกคนยังดีอยู่นะ ที่ปลายตะเคียนต้นนี้ไม่ร้ายกาจจนเกินไปนักอย่างน้อยที่สุดก็ยังยอมรับสมาและยอมเลิกราไม่เอาเรื่องกระเราจนถึงขั้นร้ายแรงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพียงแค่สำแดงอภินิหารในเห็นเท่านั้นแต่ก็สำคัญไม่ใช่เล่นดีเดียวนะขนาดระพินเอาลูกปืนอาคมสกัดออกไปแล้วยังสามารถเข้าสิงน้อยชักนาเอาตัวไปจนได้ชยันพูดอย่างนหนาวร้อน ตอนที่พวกเราโดนพายุและถูกขว้างปาด้วยก้อนหินเป็นอิทธิฤทธิ์ของพวกบริวาร น, นางตะเคียนมันเป็นพวกผีโป่งผีป่าทั้งหลายบุญคำอธิบายตามภาษาของแกอย่างขึงขังและมันดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจำต้องยอมรับฟังแกอย่างไม่กล้าค้านไอ้ผีพวกนั้นนะ่ะมันไม่มีฤทธิ์เดชอะไรมากนักหรอกโดลูกปืนที่บรรจุของอาถรรพ์ของนายพรานมันก็แตกหนีไปทาให้พายุสงบลง แต่อินังตะเคียนะมีฤทธิ์เดชมากกว่าผีบริวารพวกนั้นลูกปืนอาคมของพรานใหญ่ทำอะไรเขาไม่ได้รอกยังเอานายหญิงไปได้บุญคำนะทายว่าขณะที่พวกเราหลับอยู่ก่อนหน้าที่จะเกิดพายุนายหญิงคงถูกเข้าสิงและเดินออกจากบริเวณปางพักไปก่อนแล้วแต่พวกเราไม่รู้ตัวกันเองเพราะมัวแต่สับสนหนีพายุกันอยู่ใายหลังจากใข้ครวนลาดับภา ทุกคนก็เห็นด้วยกับเหตุผลคาบอกเล่าของแกมันก็น่าจะเป็นอย่างที่บุญคำพูดนะคือน้อยนะน่าจะเดินออกจากแคมป์ไปก่อนที่พวกพรานจะรู้สึกตื่นขึ้นเชิดถาพูดเบาๆเสียงหัวเราะของผู้หญิงที่เราได้ยินมาก่อนน่าจะเกิดพายุก็คงจะต้องเป็นเสียงที่ออกมาจากน้อยนั่นเองถึงก้อนหินที่ถูกขว้างปลาเข้ามาในแคมป์ก็น่าจะเกิดขึ้นจากมือของน้อยอีกแหละ ว้นไว้แต่ว่าขณะนั้นเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองหากแต่มีอํานาจอะไรชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันว่านางตะเขียนเข้าสิ่งมันย่อมจักว่าเป็นการสันนิษฐานที่อยู่ในเงื่อนแง่ของเหตุผลที่สุดของหัวหน้าคณะซึ่งรพินยอมรับก็อาจเป็นได้ตามที่คุณชายว่าครับพวกเราพยายามค้นให้ลึกลงไปถึงข้อเท็จจริงตามปกติและเสียงหัวเราะของผู้หญิงที่เราได้ยินแววมานั้น มันจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้เป็นอันขัดแต่จะต้องมีที่มาก้อนหินไม่ใช่อยู่ไม่ก้อนหินน่ะไม่ใช่อยู่ไม่อยู่ก็ลอยเข้ามาได้เฉยๆสิ่งเหล่านี้คุณหญิงน่าจะเป็นตัวการต้นเหตุทำให้เกิดขึ้นโดยที่เธอก็ไม่รู้สึกตัวแต่ในขณะนั้นนะ่ะมันไม่ใช่เสียงของน้อยเลยนี่เป็นเสียงประหลาดที่เราไม่เคยได้ยินกันมาก่อนก้อนหินบางก้อนที่ปลิวเข้ามานั่นก็เหมือนกัน มันเป็นก้อนใหญ่จนไม่น่าเชื่อว่ากำลังขนาดน้อยจะคว้างมันให้ปลิวเข้ามาได้อดีตนายทหารปืนใหญ่พูดแผ่วเบาก็อำนาจของอะไรชนิดหนึ่งที่คุณชายพูดเมื่อกี้ยังไงละครับที่เป็นตัวการบันดาลโดยอาศัยร่างกายของคุณหญิงเป็นสื่อถ้าคุณชา ย, ยันประหลาดใจในเรื่องนั้นก็จะต้องประหลาดใจด้วยว่าคุณหญิงเดินออกไปจากแทมได้คนเดียวยังไง ถากลางความมืดและเปรี่ยวทําไมถึงปฏิหารขึ้นไปอยู่บนชิงชาเถาวันได้และทําไมจึงพูดภาษาชาวเขาซึ่งแต่เดิมเธอไม่สามารถจะพูดได้นั้นขึ้นมาได้จอมพรานพูดอย่างเช่มช้าเต็มไปด้วยอาการครุ่นคิดที่มืดมนผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพวกเราทุกคนมองเห็นภาพของคุณหญิงในขณะที่อยู่บนต้นตะเคียนนั้นเหมือนที่ผมเห็นหรือปะ คุณเห็นยังไงชายันถามมาโดยเร็วกระพินกรีดน้ำลายลงคออย่างฝืดฝืดคือผมเห็นว่าใบหน้านั้นน่ะไม่ใช่ใบหน้าของคุณหญิงนะสิครับเป็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนแต่มันก็ช่วแวบเดียวเท่านั้นแหละคล้ายๆตาจะฝาดพอจ้องพิจารณาไปอีกครั้งพร้อมกับตั้งสติจึงเห็นเป็นคุณหญิงดารินหน้าแปลกมาก แต่สำหรับผมก็เห็นว่าเป็นน้อยในทันทีที่ฉายไฟขึ้นไปนั่นแหละเชษฐาพูดแล้วหันไปถามชัยยันกับมาเรียก็ได้รับคำตอบว่าต่างไม่ได้เห็นอะไรผิดปกติไปเช่นที่พรานใหญ่เห็นแต่บุญคำขยินสางตาและพรานพื้นเมืองทั้งหมดยืนยันมาเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าของราชสกุลสาวในขณะที่แลขึ้นไปพบครั้งแรกนั้นผิดไปจนจาไม่ได้ บุญคำเห็นชัดเลยนายเห็นแม้แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะนุ่งผ้ยายกข่มสบเฉียงมีอะไรประดับวูบว้าเป็นสีทองไปหมดทั้งตัวนั่งตะเคียงต้นเนี่ยบุญคำว่าจะต้องเป็นเทวดาผู้หญิงมากกว่าเป็นพวกปีศาจเทวดามีรูปร่างหน้าตาสวยเป็นมงคลต่อลูกตาผิดไปกว่าพวกปีศาจนังตะเคียงนั่นน่ะมันไม่แน่เสมอไปหรอกว่าจะเป็นอะไรบางตะทีบางทีก็เป็นเทพบางทีก็ผูนไทร สุดแล้วแต่อะไรจะเข้าสิงสูงอยู่ายนี้บุญคำเชื่อว่าเป็นพวกเทวดาผู้หญิงแน่เพราะฉะนั้นจึงไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกับพวกเราเกินไปนักเทวดารู้ผิดรู้ชอบแล้วก็ใจดีกว่าผีแต่มีอิทธิฤทธิ์มากกว่าผีตาพรานเท่า ว, ว่าของแกไปตามเรื่องชายันหันไปทำหน้าพิกลกเชฐิฐาเออก็เข้าคาวอยู่เหนั้นกันนะเชฐิฐาลักษณะที่บุญคาบอก มันตรงกันกับที่น้อยเล่าฝันให้เราฟังระหว่างที่พวกเรารเผชิญกับความขนพองสย อ, ยองกล้าวต่างๆนานาน้อยกลับตกอยู่ในความฝันอัน ง, งดงามที่สุดจากต้นไม้ต้นนั้นมาพูดจาเล่นหัวกับเราในความฝันนั้นก็มีแต่สิ่งที่ดีงามไม่ได้ทำให้ตกอกตกใจอะไรไปเลยเพอออกจากการสิงร่างน้อยก็เป็นปกติดีที่สุดเหมือนคนตื่นจากหลับธรรมดา ฉันอยากจะเชื่อตามที่บุญคำบอกสัแ ล, ะละ้วล่ะว่าหลอนไม่ใช่ผีแต่เป็นพวกเทวนารีประจำอยู่กับต้นตะเคียนใหญ่ต้นนั้นและที่เข้าสิงเอาน้อยไปก็เพื่อจะให้พวกเราตามไปขอโทษหลอนนั่นเองไม่เช่นนั้นหลอนก็ไม่มีทางติดต่อให้เราทราบในสิ่งที่หลอนต้องการได้หัวหน้าคณะนิ่งอึ้งไปครู่ก็ยิ้มออกมาขลึมๆทุกสิ่งทุกอย่างมันเต็มไปได้วยความลึกลับแต่มันก็ได้ปรากฏขึ้นแล้ว กรตาของพวกเราทุกคนเราไม่สามารถจะพิสูจน์มันออกมาได้เท่าๆกับที่เราต้องยอมรับมันไวในสภาพอันลึกลับดำมืดเช่นนี้เราอยากจะพูดว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลและเป็นไปไม่ได้แต่เราก็รู้ว่าการพูดเช่นนั้นเป็นเพียงแค่การโกหกปลอบใจตัวเองเท่านั้นฉันพูดอะไรไม่ออกะ่ะชยันซึ่งมันก็คงเหมือนกับพรานใหญ่ของเรานั่นแหละเขาจะไม่พูดอะไรทั้งนั้น นอกจากปล่อยให้เราได้เห็นด้วยตัวเองแล้วก็หาทางวินิจฉัยเอาเองนับตั้งแต่เดินทางเข้าป่ามาในครั้งนี้ฉันก็ค่อยๆมารู้สํานึกเป็นลําดับว่าโลกนี้มันยิ่งมีสิ่งที่เรายังศึกษาค้นคว้าไปไม่ถึงอีกมากมายหลายสิ่งนักแล้วราชสกุลหนุ่มก็หันมาวางมือบนไหล่ของจอมพรานบีบหนักหน่วง นางไม้ในร่างของน้อยได้พูดไว้ถูกแล้วละ่ะที่ว่าไม่อาณาจักรไพรอันกว้างใหญ่ไพศาลคุณย่อมเจนจบและถนักเป็นอันดีว่าสิ่งใดควรไม่ควรคุณรู้และเข้าใจอย่างท่องแท้ในธรรมชาติของโลกส่วนหนึ่งโลกที่น้อยคนนักจะเข้าใจและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างคล้วยคลาตปลอดภยัยและโลกอย่างว่านี่แหละที่คุณกาลังนาเราบุกบั่นเข้ามาเราจะพยายามอย่างที่สุด ที่จะเป็นผู้ตามที่ดีของคุณโดยไม่ทำอะไรให้ขัดแยง้งเพราะฉะนั้นต่อไปข้างหน้าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นอย่าลังเลในการที่จะบอกให้เราทราบเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันอย่าคิดว่าความหัวสูงหรือสำคัญตนว่าฉลาดเจริญแล้วของพวกเราจะทำให้เราหัวราอยเยอะและพิจารณาว่าเป็นเรื่องเหลวไหลแม้แต่ในเรื่องที่พิสดารหรือเชื่อเพียงใดก็ตามคุณจะรับปากกับผมได้ไหมระพิน ดพินมองศตานายจ้างผู้สูงศักดิ์ของเขาด้วยประกายตาเคารพและนิยมลึกซึ้งก้มศีรษะให้ครับต่อไปนี้ผมจะปฏิบัติตามที่คุณชายต้องการครับสำหรับน้อยผมอยากจะขอร้องให้พวกเราทุกคนเฉยซะนะหัวหน้าคณะเ อ, อ่ยขึ้นรวมๆกวาดสายตาไปยังทุกคนที่นั่งแวดล้อมอยู่อย่าแพร่งพลายอะไรให้เขารู้ตัวว่าเดกเกิดอะไรขึ้นกับเขาในคืนนั้น ให้เหตุการณ์มันผ่านเลยไปซะเมื่อเขาไม่รู้สึกตัวในพฤติการที่เกิดขึ้นก็เป็นการดีแล้วลาให้ฟังก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะขวัญเสียซะปรับๆครับผมจะกนชับคนของผมทุกคนไม่ให้บอกคุณหญิงครับรับินรับคำแล้วหันไปสั่งพรานพื้นเมืองกับขยินและสั่งปาให้รับรู้ไว้ในสิ่งที่เชษฐาต้องการอดีตท่านทูตทหารบกยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูและปิดปากหา อายสี่กว่าละแต่ก็ยังมีเวลานอนได้อีกก่อนจะสว่างผมคิดว่าคงจะไม่เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วล่ะเรานอนเอาแรงกันดีกว่าพรุ่งนี้ถ้าน้อยไม่มีอาการผิดปกติยังไงเราก็จะออกเดินทางตามแผนที่กําหนดไว้ออกสายหน่อยก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนหรอกเชิดถาพยักหน้าชวนช ย, ยันกามาเรียให้กลับไปนอนตามเดิมแต่ทั้งสองขอตัวที่จะนั่งสูบบุหรี่คุยกับพวกพรานพื้นเมืองก่อน เพราะยังอยู่ในอารมณ์อันตื่นเต้นเชษฐาจึงกลับเข้าไปยังที่นอนเพียงคนเดียวผมแปลกใจเหลือเกินนะช้ยันเลี้ยงเขามานั่งชิดกระพรานใหญ่เอ่ยขึ้นแผวเบาตามปกติน้อยนะ่ะเป็นคนที่ประสาทแข็งและจิตใจมั่นคงพอดูทีเดียวมิหนำซ้ำตัวเองยังเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และแพทย์เหตุการณ์เช่นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเขาได้เลย มันเป็นสิ่งยากที่จะวินิจฉัยหรือค้นหาความจริงออกไปให้ได้ชัดเราสังเกตนะครับว่านับวันที่เราเดินบุกป่าลึกเข้าไปเท่าไหร่ความดีลับมหาจรั์ทั้งหลายมันก็เริ่มปรากฏให้เราเห็นเพิ่มขึ้นทุกขณะนิยายพิลึกกึศือทั้งหลายภายในป่าสูงมันจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าหากมันไม่มีค้าวเรื่องความจริงมาบ้างผมบอกไว้ตั้งแต่ออกจากกลุมช้างเลยนะครับว่าต่อไปนี้ เรื่องราวที่เขาเล่าว่าทั้งหลายมันจะค้นพบออกไปด้วยตาของเราเองแล้วก็กลายเป็นนิยายต่อไปภายหลังเมื่อเราเก็บบันทึกความทรงจำนําไปเล่าให้คนเมืองฟังแล้วเขาก็หัวเราะออกมาเบาๆขณะที่กล่าวต่อมาว่าคุณชายสั่งห้ามให้พวกเราปิดเรื่องราวต่างๆที่พบเห็นไม่ให้คุณหญิงได้รู้เพราะมันเป็นปัญหาประเภทโลกแตก คือคนหาคาตอบแท้จริงออกมาไม่ได้แต่ทั้งคุณชายและคุณชัยยันก็คงยังไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณหญิงเองนั่นเธอได้รผชนกับอะไรมาแล้วแล้วก็ปิดเงียบไม่กล้าแพ่งแปรให้ใครรู้เหมือนกันชัยยันก็มาเรียก จ, จ้องเขาอย่างพิศวงถามโดยเร็วทำไมน้อยพบเห็นอะไรเหรอจอมพรานเล่าให้ทั้งสองฟังถึงเหตุการณ์ในคืนที่ถูกฝูงหมาใน ไล่ขึ้นไปติดอยู่บนถ้ำอยู่ในถ้ำบนหน้าผาและถูกล้อมโดยพวกสังเขียวซึ่งวิญญาณของนางเทียสาวเ่าตองเหลืองซึ่งถูกสังเขียวฆ่าตายไปก่อนแล้วได้ปรากฏร่างขึ้นช่วยนำทางในการหนีตลอดจนมาสำแดงร่างปลุกดารินให้รู้สึกตัวตื่นในตอนดึกก่อนหน้าที่ลูกกับพวกของมันจะบุกเข้าโจมตีในขณะที่เขากาลังสลบจะไหลไปด้วยพิษค่ะ เหตุการ์ทั้งหมดหมอม่าชวงศ์สาวเป็นผู้ที่ได้เผชิญพบเห็นมากับตาเพียงคนเดียวแล้วก็เป็นคนเล่าให้เขาฟังภายหลังจากที่เขาได้สั่งไข้แล้วชายันกับมาเรียถึงกับตาเหลือกในเรื่องราวที่ระพินถ่ายทอดให้ฟังไม g ก d นี่แปลว่าวิญญาณของหญิงตองเหลืองช่วยน้อยกับคุณไว้งั้นเหรอแม่สาวร้องลั่นออกมาผมก็ไม่ทราบจะลงความเห็นได้ยังไงถูกเหมือนกันนะครับ เพราะทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี่เป็นเรื่องราวที่คุณหญิงพบเห็นและบอกผมอีกทีนึงขณะนั้นผมก็เป็นไข้หมดสติอย่างที่บอกแล้วมารู้สึกขึ้นเลื่อนๆรางๆก็ตอนที่ได้ยินเสียงปืนต่อสู้ของคุณหญิงและทาไมน้อยถึงไม่ได้เล่าให้ผมกระเชิดถาฟังเลยนะเรื่องนี้ชยันครางบางทีจะเป็นเพราะเธอมีความคิดเช่นเดียวกับที่คุณชายสั่งเราวไว้เมื่อตะกี้นี่ละมังครับ คือไม่อยากให้เกิดเป็นปัญหาขบคิดใดๆต่อไปอีกทั้งสิ้นมันแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นคนที่มีเหตุผลดีคนหนึ่งทีเดียวตอนที่ผู้หญิงลึกลับคนนั้นปรากฏตัวขึ้นนำทางคุณกันน้อยขึ้นไปบนถ้ำหน้าผาคุณก็มองเห็นอยู่ด้วยไม่ใช่หรอครับผมเห็นและในสายตาตลอดจนความรู้สึกอย่างอย่างผมก็ยืนยันได้ว่านั่นคือคนธรรมดาเรานี่เองครั้งแรกพอเงยขึ้นไปพบ ความตกใจทำให้คุณหญิงเกือบจะยิงนะเจ้าละแต่ผมเป็นคนห้ามไว้เองครับแล้วคุณจําไม่ได้หรอกเหรอว่าเป็นคนเดียวกับลูกสาวของเจ้าเก๋อที่ถูกสสงเขียวผ่า อ, อกตอนนั้นผมยอมรับครับว่าจําไม่ได้จริงๆและถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีแต่คุณหญิงยืนยันครับว่าต้องใช่แน่เธอมาจําได้ก็เพราะนางเทียมาปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้งแต่ในคราวหลังนี่เธอบอกว่ามาในลักษณะของซากศพ ที่เราได้พบเห็นกันในวันนั้นก็เลยทําให้เธอนึกออกขณะที่นําขึ้นไปถึงบนถ้าแล้วคุณก็ยังได้พูดจาโต้อตอบกับผู้หญิงตองเหลืองคนนั้นใช่ไหมครับพูดกันซะด้วยซ้ําอันนี้แหละที่ทําให้ผมคานคุณหญิงหัวชนฝาว่านางตองเหลืองที่นําเราหนีขึ้นไปนั้เป็นคนจริงๆส่วนที่เห็นภาพนากรวในตอนดึกเน่ะผมว่าคุณหญิงฝันไปแต่เธอก็ยืนยันเต็มที่เหมือนกันว่าเธอไม่ได้ฝัน แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะคุณเชื่อยังไงเดี๋ยวกับเรื่องนางตองเหลืองลึกลับคนนั้นพรานใหญ่ยักษ์ไหล่ผายมือออกกว้างออกไปแล้วทิ้งลงพร้อมกระถอนใจเฮือกผมตัดสินใจหรือลงความเห็นยังไงไม่ถูกทั้งสิ้นครับมันก็คงเหมือนเหมือนกับเหตุการณ์ที่เราเผชิญกันในคืนนี้แหละผีน่นและนายคนที่ไหนมันจะนาทางให้นายกับพรานหญิง ก็นายหญิงในยามขับขันเข้าได้เข้าเข็เขมตอนนั้นละ่ะบุญคำสอดมาพร้อมกับหัวร้อเสียงแปลงๆในลำคอนายจำไม่ได้หรอกหรอไอ้เกอน่มันบอกไว้ก่อนแล้วนี่ว่าผีนางเทียลูกสาวของมันน่ะมาวนเวียนอยู่ใกล้มันตลอดเวลาและจะเป็นเครื่องนำทางให้มันพาเราไปถึงถิ่นของสางเขียวบุญคำเองก็ทำพิธีปลุกเรียกวิญญาณของมันขึ้นมาแล้วเพื่อมันนาทางเราไป ก็พอดีกับที่นายจับไอ้รูได้สะ ก, ก่อนจึงบังคับให้มันนําไปถิ่นมันหึ่งจิงสินะนึกออกและถ้าไมงั้นบุญคําจะกล้ารับอาสาออกนําทางในเวลากลางคืนได้ยังไงพวกเราเปลี่ยนแผนมาเป็นเดินทางในตอนเช้าซะภายหลังจากที่จับเจ้ารูไว้ได้นี่ชายันเห็นพองด้วยกับคําของแกแล้วก็ก็หัวเราะออกมาอย่างขันขันขณะที่มองหน้าพรานเท่ากระดูกเหลิก ความจริงบุญคำก็ขลังไม่ใช่น้อยนะคือนี่ทำไมถึงไม่ปราบนางตะเคียนให้อยู่หมัดอ่ะปล่อยให้อลาว่าแล้วกับพวกเราซสย่่ำแย่ฉันเห็นบุญคำตัวสั่นเป็นเจ้าเขาทีเดียวนะตอนนั้นอ่ะบุญคำยกมือขึ้นลูบหัวยิ้มแห้งๆโถในทหารก็บุญคำบอกแล้วนี่ว่าผีอื่นๆนะบุญคำปราบได้แต่ผีเจ้าประเภทนางตะเคียนเจ้าปลาเจ้าเขาบุญคาสู้ไม่ไหวหรอก เห็นทิมัสนักตอนนักแล้วเราให้ฟังก็ว่าโกหกต้องให้มันเจือเขาชัดๆพร้อมกันอย่างนี้เลยนงคราวนี้เชื่อบุญคำมอยังหมอผีที่ว่าเก่งสักขนาดไหนถ้าไปลองฤทธิ์กับนางตะเคียนเข้าเห็นตายมาหลายรายแล้วไหนลองเล่าให้ฟังมั่งดิเคยพบเห็นเหตุหการณ์ยังไงมามั่งอะเกี่ยวกับนางตะเคียนอย่างอย่างที่บอกอะชายันซักไซ้มาอย่างสนใจ ตาพรานเท่าชำเลืองไปทางระพินอย่างเกรงใจหวัวเราะแห่แอย่าให้เล่าเลยนาะยทหารประเดี๋ยวนายด่าบุญคาว่าเอาเรื่องเหลวไหลมาพูดนายของบุญคานะ่ะเป็นพรานสมัยใหม่ตาก็บอกว่าไม่ยอมเชื่อเรื่องอย่างนี้แต่บุญคาแปลกใจนะเพราะแอบเห็นนายนะ่ะใช้คาถาอาคมอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ไม่ยอมบอกท่านั้นบุญคาเห็นเองอะจะเล่าอะไรก็เล่าเถอะบุญคา รับรองว่าไม่ขัดคอแล้วก็ไม่ต้องพาดพิงมาถึงฉันด้วยนะรับพินว่าบุญคำเล่าให้ชัยยันและทุกคนที่ล้อมวงฟังอยู่ว่าสมัยที่แกยังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่โป่งหอมลูกบ้านประมาณยี่สิบหลังคาเรือนตั้งอยู่ในดงทึบซึ่งแกเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกทำไร่อยู่มีลูกบ้านคนหนึ่งเป็นชายวัยสามสิบเศษชื่อเจ้ามวน ขึ้นชื่อลือชามากในด้านไสยเวทคาถาอาคมมนต์มืดในวารำเรียนมาจากพระธุดงคพมา่ายิ่งเกี่ยวกับสเสน่ห์เมตตามหารรวยด้วยแล้วละก็ใครก็ต้องยกให้เป็นอาจารย์และเรียกกันติดปากว่าหมอม้วนขุนแผนไม่ว่าจะเป็นสาวแก่แม่ไม่ในละแวกใกล้ไกลคนใดถ้าจะม้วนเกิดพิษสมัยต้องใจขึ้นมาเป็นไม่แคล้วคลาดไปสักราย จะมุนปรากฏกิติศัพท์ในทางเจ้าชู้และมีเมียมากที่สุดเที่ยวได้สร้างสัมพันธ์สวัสดไว้กับสาวทุกหมู่บ้านเท่าที่เท้าทั้งสองของมันจะย่าบุกป่าไปถึงแต่มันก็ไม่ได้เอามาเลี้ยงร่วมชายคาไว้สักคนเดียวเพราะมันไม่มีปัญญาจะเลี้ยงเมียได้การงานก็ไม่เอาทานอยู่เป็นไอ้คนร้อนวิชาไปช่วงวันวันหนึ่งเรื่องวิชานะ่ะมันเก่งจริงๆบุญคากล้ารับรองได้ ขนาดลูกสาวกำนันโฮใครๆก็รู้ว่าแกเป็นไอ้เสือเก่าดุเหลื้อหลายข่าคนมาซะนักต่นักแล้วและแกก็หวงลูกสาวเป็นที่สุดแต่ไอ้มวนน่ะเสกมากให้กินคำเดียวไม่แล่นตามมาเลยกำนันยกพวกมาร่วมสามสิบปืนผาหน้าไม้พร้อมบุญคำนึกว่าหมู่บ้านของบุญคำมันจะถึงคราววอดวายกันคราวนี้แต่ไอ้มวนยังนั่งหัวรอกระดตีนเฉย มันบอกให้บุญคํากับพวกชาวบ้านทุกคนเฉยไว้เพราะกำนันโห ก, ก็พวกมาถึงเข้าจริงๆมันก็ออกไปไหว้บุญคํานึกว่ากำนันจะยิงมันเหมือนยิงหมาปรากฏว่าไม่ยักทําอะไรมันยืนจังงังไปซะฉิบแล้ว ก, ก็บอกให้มันเอาดอกไม้ทูบเทียนไปขอขอมาไอ้มนก็ฝากเมียมันกลับไปกับพ่อตารับว่าจะเอาผู้ใหญ่ไปพบพ่อตาอีกตำนันโห ก, ก็ไม่เห็นมีฤทธิ์อะไรขึ้นมาเหมือนอย่างที่ควรจะมี บุญคำยืนยันถึงความขลังของเจ้าม้วนขุนแผนที่แกเห็นมากระตาครั้นแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นเองเจ้าม้วนก็มาบอกแกหน้าตาเฉยชนิดที่แกฟังแล้วถึงก็ตาเหลือกพี่คำขออะไรสักอย่างได้ไหมมึงจะอะไรจากกลไอ้ม้วนเจ้าม้วนยิ้มกลิ่นก็ลูกสาวคนสวยของพี่คำยังไงล่ะทุดไอ้ม้วนไอชิปหายมาเลกู มึงเอาอะไรมาพูดวะกูมีลูกมีเมียที่ไหนมึงถึงจะมาข อ, อกูนะ่ะหม้อม้วนขุนแผนหัวรอกคิกๆอ้าวก็ลูกสาวคนสวยที่อยู่ใต้ต้นตะเคียนท้ายไร่ของพี่คำยังไงล่ะโอ้ต้นใหญ่เหนือห้วยใกล้ๆกร ะ, ะท่อมฉันนั่นแหละตะเคียนต้นนั้นน่มันอยู่ในเขตไร่ของพี่คำฉนันก็เลยต้องมาบอกกล่าวซะก่อนเป็นการเคารพน่าไอ้ฉันเลยนะพี่คำไอ้ม้วน นี่มึงหมายความว่ามึงเห็นหนางตะเคียนต้นนั้นเรอผู้ใหญ่บุญคําร้องลั่นออกมาอมืเห็นมาสามวันติดๆกันละตอน โ, รโรพรเพลงตะวันชิงครบม้มวนตอบอย่างกระหยิ่มหูตาพราวไปหมดยกมือขึ้นลูปริมฝีปากอย่างหมายมัน่นเงียบๆไปนะพี่คําอย่าเอะอะบอกใครไปโอ้โหสวยเสเด็ดอย่าบอกใครเลย หนุ่มอย่างนี้อันลางตั้งเต้ายังกระดอกบัวเอวคอดเป็นมดตัน้อยตะโพกสุดเสียงสังขาเหมือนลำหยวกแล้วก็ขาเหมือนไข่ปอกเวลาแม่สยายผมเล่นแสงแดดผีตากผ้าอ้ อ, อมหนุ่มกระเพื่อมเห็นแล้วเอ อ, อ, อนั่นมันพรายตะเคียนนามือนาไม่ใช่คนก็พรายตะเคียนน่ะดิใครว่าคนเล่าเฮ้ยมีเมียคนมามากแล้ว คราวนี้จะลองมีเมียเป็นนางตะเคียนดูมั่งไงมึงจะหาเรื่องไปหาใช่แล้วไอ้มวนเล่นกับคนยังไม่พอนี่ยจะรีเล่นกับผีกับสางอีกเหรออย่าไปเสือกเล่นกับทิวนาดิวจะหาว่ากกไม่เตือนอนาพี่คำขอยดูฝีมือฉันกันแล้วกันจะเจ้านางตะเคียนต้นนั้นมาทำเมียให้ได้เไม่งั้นอย่าเรียกว่าหมอม้วนขุนแผนดินาะเจ้าม้วนบอกอย่างลำพองใจ ภายหลังจากห้ามปรามทัดทานสักเท่าใดก็ไม่เป็นผลแล้วผู้ใหญ่คำในขณะนั้นก็บอกว่าเออตําใจมึงเท่าไเมื่อมึงถือว่ามึงดีมีวิชาก็ลองดูขอให้รู้ว่ากูเตือนมึงแล้วนะมึงนาะแล้วก่อนตะวันจะชิงพรบของเย็นนั่นเองผู้ใหญ่บุญคำและชาวบ้านทุกคนก็เห็นหมอม้วนขุนแผนเอาสายสินไปพันไว้รอบต้นตะเคียนใหญ่เหนือฝั่งห้วย ปลายด้านหนึ่งโยงเข้าไปในกระท่อมที่อาศัยซึ่งปลูกอยู่ไม่ห่างจากต้นตะเคียนออกมานักเจ้าคนที่อุตริคิดจะเอานางตะเคียนเป็นเมียนั่งเข้าสมาธิบริกรรมตามพิธีการของมันซึ่งไม่มีใครสามารถเข้าใจแต่ก็เฝ้าจับตาสังเกตอยู่ห่างๆภายในเย้าเรือนของตนโดยไม่มีใครเกี่ยวข้องด้วยพ่อตะวันรับป่าน้ำค้างยังไม่ทันตกนั่นเอง ทุกคนที่อยู่ในเรือนตนก็ได้ยินเสียงกิ่งใบของตะเคียนต้นนั้นสั่นสะเทือนอยู่คลืนโครมเราก็มีใครมาจับขยับทง้ทงที่ไม่มีวี่แววของลมหรือพายุพัดมาเลยต้นไม้อื่นๆคงยืนอยู่อย่างสงบมันสั่นไหวโยกสะทานอยู่เป็นระยะติดต่อกันครั้งละนานๆแล้วก็หยุดไปแล้วก็สั่นขยาบอีกเป็นเช่นนี้ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเชา้า ตกสายหมอม้วนก็โผวกไม้ชาวบ้านเห็นด้วยสีหน้านอันเบิกบานอิมเอิบโวให้ทุกคนฟังว่าภายในไม่เกินสามคืนมันจะต้องได้นางตะเคียนตามปรารถนาตอนนี้เขายังเล่นตัวอยู่แต่รับรองทนเวทมวนฉันไม่ได้หรอกเมื่อคืนนี้นะ่ะดินจนต้นตะเคียนแทบโคน่นได้ยินเสียงกันแล้วไม่ใช่หรอเจ้ามวนว่าตกค่าคืนที่สอง ก็มีลักษณะการเช่นเดียวกับคืนแรกแต่เขียนต้นนั้นไหวโยกราวกับจะถอนรากถอนโคนแลเห็นและได้ยินเสียงกันหมดทั้งหมู่บ้านไม่มีใครหลับนอนนอกจากจองจับตาดูด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจกล่าวถึงพอครบค่ำคืนที่สามตามที่เจ้าม้วนคุยไว้นั่นเองเวลาประมาณเที่ยงคืนบุญคําและคนในหมู่บ้านทั้งหมดก็ต้องตกใจ ตื่นขึ้นด้วยเสียงร้องตะโกนเอ็ดอึงฟังไม่เป็นภาษาที่ดังสนั่นออกมาจากกระท่อมของมันแลไปก็เห็นกระท่อมหลังนั้นไหวคลอนไปหมดทั้งหลังเหมือนจะพังทลายลงเรากลับจะมีการต่อสู้อะไรกันขึ้นอย่างรุนแรงส่วนตะเคียนใหญ่ต้นนั้นคืนนี้กลับยืนต้นสงบเงียบเป็นดึกษนีไม่ได้สั่นสะเทือนหรือมีปฏิกิริยาอย่างใดผิดไปกว่าสองคืนแรก ทุกคนเข้าใจกันว่าคนร้ายหรือพวกโจรเข้าปล้นและทำร้ายเจ้ามวนจึงชวนกันฉวยมีดพระอาวุธพร้อมด้วยคบใต้วิ่งตรงไปที่กระท่อมนั้นทันทีโดยการนำของบุญคำพอผลักประตูกระท่อมเข้าไปพร้อมกับแสงคบใต้ที่ส่องสว่างมองเห็นภาพในกระท่อมได้ทถนัดต่างก็พากันยืนตะลึงงันกันไปหมดมองม้วนมือถือดาบ กระโดดโลดเต้นเป็นฮนัน u m a นอยู่บนฟากกวัดแกรงดาบฟาดซ้ายไปขวาอุตลุดไปหมดเหมือนกับจะต่อสู้กับอะไรสักอย่างที่มองไม่เห็นตัวดาทั้งสองข้างหลับบาก็าตะโกนขอความช่วยเหลือและโอดโอยเอ็ดอึงไปหมดเสียงร้องของมันฟังไม่เป็นภาษาคนลักษณะเหนื่อยหอบอ่อนเปลี้ยแทบจะทรงกายยืนอยู่ไม่ติดแต่กระนั้นก็ยังควงดาบฉะออกไปรอบทิศ กระทบฝาขัดแตะและเสาไม้ไผ่เบอ้อเบอ้อปลิวกระจายเป็นสเก็ตไปด้วยคมดาบบุญคำร้องตวาดออกไปสุดเสียงเพื่อจะปลุกให้คืนสติแต่เจ้ามวนก็จะจะรู้สึกตัวก็หาไม่คงแหดปากร้องแล้วหัวดาบกระนำฟันอากาศรอบตัวอยู่เช่นนั้นพอได้จังหวัดแต่ก็กระโจนเข้าล็อกคอเจ้ามวนไว้ทางด้านหลังบิดข้อมือจนดาบหลุด ชาวบ้านที่ตามมาด้วยทั้งหลายก็กรูกันเข้าไปช่วยจัดเจ้าตัวหมอผีเอาไว้ร่างของมวนล้มผางลงบนฟากดินสะบัดและร้องควรวญครางอยู่เช่นนั้นจะเขย่าเช่นเรียกกันเช่นไรก็คงไม่ได้สติอยู่ตามเดิมจนกระทั่งในที่สุดเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นหมอหมวนขุนแผนก็ชักตาตั้งสิ่งใจไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่รุมล้อม ช่วยเหลือกันอยู่บุญคำพยายามช่วยมันเต็มที่เลยครับนายแต่เอาไว้ไม่อยู่ซะแล้วบุญคำเล่าในตอนท้ายสีหน้าของตาพรานเท่าเสียวสลดลงเมื่อคิดไปถึงเรื่องราวในอดีตที่แกผ่านมาพอมันหมดลมเท่านั้นและนายตลอดทั้งตัวขึ้นรอยเขียวเป็นจำเต็มไปหมดราวก็ถูกรุมตีด้วยไม้พลองสักสิอันอย่างนั้นแหละ บุญคำปรึกษากับพวกลูกบ้านทั้งหลายว่าจะทำยังไงกันดีขึ้นไปตามกำนันกับเจ้าหน้าที่มาดูศพมันเขาก็ต้องหาว่าพวกเราเชื่อกันรุมตีมันตายแน่เพราะรอยเขียวตามตัวของมันที่เห็นอยู่ในที่สุดผมก็เลยตัดสินใจจัดการเผาศพของมันสัทันทีในตอนรุ่งเช้าแล้วก็ไปบอกกำนันเขาทีหลังโชคดีนะที่กานันกับบุญคาก็ชอบพอนักถือกันอยู่ก็ไม่ได้ติใจสงสัยอะไรนี่แหละครับ รทธเดตของนางตะเคียนที่ไอ้มวนอุตริไปทำพิเรนด้วยอาคงของตัวเองนะไม่ถึงแม่ก็เลยเอาซะตายชายันฟังด้วยอาการตะครั้นตะครอยยังไงพิกลุลเปิดกระติกบันดีออกดื่มหนักๆอีกครั้งจะ้บุญคำทำยังไงต่อไปละ่ะสำหรับตะเคียนต้นนั้นมาเรียถามเป็นภาษาพมา่ามาอย่างสถทานใจเมื่อระพินทาหน้าที่แปลเรื่องราว ที่ตาแพรานเท่าเล่าให้หล่อนฟังคร่าวๆบุญคําจะทํายังไงละ่ะนายหญิงก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างงั้นแหละไม่กล้าไปแตะต้องยุ่มย่าอะไรด้วยอีกหรอกหลังจากเจ้าม้วนตายแล้วบุญคําก็ตั้งศาลบวงสวงขอขมาสาบานว่าจะไม่ไปลบหลู่ก้าวกายอะไรอีกขอให้ต่างคนต่างอยู่ก็เลยเงียบไปไม่มาแผลงฤทธิ์รังควานอะไรคนในหมู่บ้าน แต่วันนี้คืนดีพวกชาวบ้านก็มักจะเห็นปลากฏดตัวออกมาเดินอยู่ริมดิมห้วยเป็นประจำอะแล้วตาเคียนตอนนั้นเดี๋ยวนี้ยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ในทหารถ้ามีโอกาสผ่านไปโปรงหอมบุญคำจะพาไปเชียดูประหลาดมากนะอดีตนายทหารปืนใหญ่มองไปยังจอมพรานซึ่งตลอดเวลาหนึ่งฟังบุญคำเล่าเงียบเงียบไม่ได้แสดงความเห็นอย่างใดทั้งสิ้ ฉันสงสัยเหลือเกินจริงละเคยได้ยินมามากแล้วเกี่ยวกับเรื่องต้นตะเคียนนี่ทำไมขึ้นชื่อว่านางตะเคียนแล้วจะไม่มีใครปราบได้อยู่ยังงั้นน่ะมันก็สำคัญว่ามันเก่งจริงหรือเปล่าเท่านั้นแหละในทหารบุญคำอธิบายน้ำลายแตกฟองแต่ท่าทางของแกก็น่าเลื่อมใสเพราะเต็มไปได้วยความจริงจังในน้ำเสียงและท่าที บุญคำเคยได้ยินคนเก่ า, การุ่นพ่อรุ่นปู่เขาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะว่าคนที่เรียนอาคมแก่กล้าจริงก็สามารถที่จะเรียกนางตะเคียนให้ออกมาใช้สอยได้สารพัดแม้กระทั่งเอามาทําเมียแต่บุญคำก็ยังไม่เคยเจอคนเก่งจริงๆอย่างว่านั้นเลยสักคนก็มีเหมือนกันแหละเช่นพวกพระธุดง์ที่เก่งในกรรมาฐานจนสามารถจะทําอิทธิฤทธิ์ได้แต่ท่านก็เป็นผู้ถือศีล ไม่คิดจะทําอะไรอุตริวิถีฐานถึงเพียงนั้นอย่างมากเวลาทุดงรอนแรมไปในป่าลึกไม่มีบ้านผู้คนให้อาศัยบินธบาติได้ท่านก็ไปปรดสัตว์บินทบาติขอบริจาคอาหารจากนางไม้พวกนี้พอให้อยู่รอดไปชั่วมือพระธุดงเคร่งๆที่สามารถเดินไปในป่าลึกมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็เพราะอาศัยบินธบาติจากนางไม้พวกนี้แหละพูดเล่นไปนาบุญคํชาชยยันร้อง พูดจริงนายทหารบุญคําไม่ได้พูดเล่นหรือโกหกนะจะยืนยันถึงขังพระธุดงท่านเล่าบุญคํำฟังเองนะเนี่ยท่านเป็นพระท่านไม่โกหกหรอกนางไม้นางตะเคียนน่ะเหรอตักบาตรให้พระธุดงก็ไม่ใช่ขึ้นชื่อว่าพระธุดงและจะ บ, บินทบาทอาหารจากนางตะเคียนได้ทุกองค์เมื่อไรต้องเป็นองค์ที่เคร่งศีลและเก่งจริงๆเท่านั้นหรอกไมยทหาร พระที่เข่งในธรรมวินัยและมีฌานแก่กล้าย่อมเป็นที่นับถือบูชาของทุกพวกไม่ว่าจะเป็นปีศาจมนุษย์หรือเทวดาและพระประเภทที่บุญคําว่านี่พก็คงจะใกล้พระอาราหันต์เข้าไปเต็มทีแล้วล่ะทําไมจะบินทบาทไปจากนางไม้นางตะเคียนไม่ได้ล่ะเวลาที่ท่านไม่รู้จะไปบินทบาทออกจากมนุษย์ที่ไหนในป่าลึกกันดารนะ่ะข้อนั้นนะ่ะฉันพอเข้าใจนะแต่ฉันสงสัยอ่ะ ว่านางไม้นางตะเคียนจะไปเอาอาหารจากไหนมาตักบาตรให้พระได้เขาพูดปนหัวเราะอารมณ์เปลี่ยนมาเป็นสนุกสนานในการคุยกตาพรานเท่าในเรื่องนี้เพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนนางไม้นางตะเคียนที่จะตักบาตรให้พระธุดงได้นะ่ะจะต้องเป็นพวกเทวนารีทั้งนั้นนะไม่ใช่พวกพูดพลายพูดอีกทีก็คือพวกเทวดานั่นแหละ เมื่อเป็นเทวดาก็ต้องตักบาตรอาหารทิพไ้กับพระสิในทหารแม่เทวดาผู้หญิงพวกนี้ก็อยากจะได้กุศลเหมือนกันนี่โอ้ขี้คลานจะแย่งกันตักบาตรจนท่านรับไม่ไหวซะอีกมันเป็นเรื่องพิสดารของโลกที่เหนือขึ้นไปกว่าโลกคนธรรมดาอย่างเราจะเข้าใจได้มันจะเป็นยังไงบุญคำอธิบายไม่ถูกเหมือนกันอะรู้แต่ว่าพระเก่งๆนะ่ะท่านมีตมบับบเองจากพวกนี้ได้ก็แล้วกัน ถ้างั้นพวกนี้ก็เป็นพวกใจบุญยึดถือหลักธรรมอยู่เหมือนกันสิชายันคุยกระแกะอย่างออกรถหัวเราะไปพลางท้าไมใจบุญไม่มีธรรมก็เกิดเป็นเทวดาไม่ได้หรอกนายทหารอืมอธิบายได้เข้าเ้านี่ก็แล้วเมื่อใจบุญมีหลักธรรมนับถือพระเจ้าก็ทําไมถึงมาเที่ยวเ ก, กะกะระรานมนุษย์เป็นต้นวะหลอกหลอนสำแดงฤทธิ์เดชต่างไง อ้าวนายทหารก็เทว ด, ดาก็ยังมีกิเลสตัณหาอยู่เหมือนกันน่ะยังตัดไม่ขาดสักทีเดียวนี่ยังรู้จักโลภหลงมีโทสะโมหะเหมือนมนุษย์เรานี่แหละถ้าทำไม่ถูกหรือถูกรังแกข้าก็ต้องแผลงฤทธิ์เอาบ้างตามธรรมดาละตะพรานเท่ากลิ้งไปได้อย่างไม่ยอมจ ำ, จำนนและชำเลืองไปทางเจ้านายอย่างเนียมเนียมพินทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะปล่อยให้แกโม้ไปตามเรื่อง โดยเอนตัวลงนอนพักปิดปากหายคนอื่นยังคงตาใสานั่งล้อมวงฟังบุญคำอย่างตั้งอกตั้งใจมีมาเรียคนเดียวเท่านั้นที่นั่งเอามือเท้าคางฟังอยู่อย่างไม่รู้เรื่องนอกจากนานๆครั้งชฉยยันจะหันมาอธิบายให้ฟังหรือมิฉะนั้นบุญคำก็พูดด้วยภาษาพมา่าแล้วต่อมาอีกครู่เดียวหล่อนก็ผละแยกไปนอนคงมีแต่กลุ่มพรานพื้นเมือง โดยบุญคำเป็นหัวหน้าและชา ย, ยันเท่านั้นที่ยังคุยกันอยู่อย่างสนุกสนานระหว่างที่ชั ย, ยันยังจับกลุ่มคุยกับพวกนั้นซึ่งต่างสรรหาเรื่องราวพิสดานพิลึกพิลั่นในป่าทั้งที่ได้ประสบมากับตนเองและได้รับฟังมาอีกต่อหนึ่งผลัดกันเล่าให้อดีตนายทหารหนุ่มฟังซึ่งมีทั้งตื่นเต้นหวาดสยองและโกกหา่ารพินไพวัน แอบหลับไปเมื่อไรไม่มีใครรู้และไม่มีแววความผิดปกติใดๆจะเกิดขึ้นกับหมอดารินเมื่อ <couch moisturizer> ทุกคนพร้อมหน้ากันในยามเช้าหลอนสดชื่นและแข็งแรงดีเหมือนคนที่ได้รับการพักผ่อนมาอย่างเต็มที่ทำกลางการเฝ้าจับสังเกตจังพิษสวงของพักพวกทั้งหมดนักมนุษยวิทยาสาวไม่มีโอกาสจะรู้เลยว่าเมืม่อ aa, ตอนดึกของเมื่อคือนที่แล้วมาได้เกิดอะไรขึ้นกับตัวหลอน ทุกคนปิดความเงียบไม่ได้แพร่งพลายอะไรทั้งสิ้นตามคำสั่งของเชษฐาให้หลังจากการตรวจสอบจนแน่ใจว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับ น, น้องสาวหัวหน้าคณะก็มีคำสั่งให้พรานใหญ่เตรียมออกเดินทางต่อระพินสั่งเก็บของเข้าหีบห่อสำหรับการเคลื่อนย้ายตกสายประมาณสินาฬิกาคณะ12คนก็พร้อมที่จะบุกบันฟันฝ่าต่อไปเบื้องหน้า อย่างหนทางที่ไม่สามารถกำหนดอนาคตได้ความที่เคยร่วมทางกันมาแล้วในระยะเวลาอันยาวนานประกอบกับความช่ำชองและต่างรูภาระหน้าที่ของกันและกันเป็นอันดีทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและรวดเร็วโดยไม่มีอะไรต้องห่วงกังวล12ชีวิตเต็มไปได้วยความคล่องคล่องว่องไวไม่ผิดอะไรกับหมู่ทหารชาญศึกที่พรักพร้อมและปฏิบัติงาน ประสานกันได้อย่างสอดคล้องรากลับได้รับการฝึกหัดมาแล้วเป็นอย่างดีเลิศแล้วทั้งหมดก็มายืนรายล้อมสงบนิ่งอยู่รอบบริเวณหลุมฝังศพของด็อเตอร์ฮอฟมันอีกครั้งความเงียบปกคลุมไปชั่วขณะเมื่อมาเรียสุดตัวลงนั่งคุกเขา่าบรรจงวางช่อดอกไม้ป่าและใบเฟิร์นที่มัดรวมกันเป็นรีดวางไว้เหนือหลุมศพพร้อมกับปอยผงของหลอน ที่เชษฐาเป็นคนตัดให้ตอนเปลี่ยนทรงผมพ ญ, ญาม้าของนักสำรวจผู้สังเวยชีวิตให้แล้วแก่งงานของเขาลุกขึ้นยืนอย่างเสื่องซึมหยาดน้ำตาคลอเบ้าทั้งสองขอให้พระผู้เป็นเจ้าจงรับวิญญาณของเธอขึ้นสูงสวรรค์เถอะลากอดสเตเกอร์ลาช่ดดิรันลอนกระซิบแผ่วเบาในภาษาเดิมของตนเอง แล้วหลับตาขมเซอื่นนิ่งไปอีกชั่วอึดใจก็เหวี่ยงไรเฟื้นสะพายไหลยิ้มเศร้าๆมาที่เชิฐาบอกว่าฉันพร้อมแล้วกับพี่ใหญ่ราชสกุลหนุ่มหัวหน้าคณะยิ้มให้อย่างปลอบใจเดินเข้ามาโอบแขนรอบไหล่แมมสาวและตบหนักน่วงที่ต้นแขนจากนั้นก็บวกมือกับทุกคนเป็นความหมายให้เคลื่อนที่ได้โดยไม่เอ่ยคาใดอีกทั้งสิ่ง รพินไัรวันยกมือขึ้นแตะบีกหมวกทรงอาการคาระวะอำลาหลุมศพของนักสำรวจเยอรมันเป็นครั้งสุดท้ายและถอยห่างออกมาเป็นคนหลังสุดการเดินทางอันฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับโชคชะตาก็เริ่มต้นต่อไปท่ามกลางความเงียบเชียบอันแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศฉลดุดต่อมาทุกคนก็ละบริเวณที่พักและซาดอันนอนสงบนิ่งอยู่ภายใต้พื้นดิน ของดอกเตอร์ฮอฟมันไว้เบื้องหลังอย่างไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะได้ห้วนกลับมาเห็นอีกนอกจากเหตุการณ์อันประทับแน่นอยู่ในความสรงจำเท่านั้นแต่ละชั่วโมงผ่านไปอย่างช่มช้าเหมือนเดินอยู่ในความฝันอันวกบนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าและทุรขินไม่มีใครพูดกันโดยไม่จำเป็น เท้าทุกคู่ก้าวย่างไปอย่างอัตโนมัติชั่วโมงแรกมันล้าจนแทบยกไม่ขึ้นจากขนทางที่มุ่งไต่เขาขึ้นไปเป็นลำดับพอเข้าชั่วโมงที่สองและสามมันก็เริ่มชาปราศจากความรู้สึกขบวนของการแบกหามยังคงจัดเป็นคู่อยู่เหมือนเดิมแบ่งเฉลี่ยน้ำหนักเท่าๆกันซึ่งเบากว่าเข้าสารและลูกปืนลงไปมาก ทั้งสามคู่ของพวกพรานพื้นเมืองซึ่งทำหน้าที่เป็นลูกหาบคงเดินเข้าขาบวนตามอยู่เบื้องหลังสำหรับสางตาไม่ได้มีส่วนแบกหามอะไรในสัมภาระกองกลางของคณะซึ่งจัดสรรหน้าที่กันไว้แล้วแต่บรรทุกของส่วนตัวเฉพาะของมาเรียซึ่งบรรจุอยู่ในถุงทะเลขนาดย่อมโดยลักษณะที่เรียกกันว่าโงอันเป็นวิธีแบกของพวกชาวเขาคือเอาเชือกมัดถุงติดกระหลังไว้ส่วนหนึ่ง กันแข่งมีสายหูหิ้วปากถุงอันทาด้วยสายพานเหนียวแน่นเป็นแผ่นขนาดฝ่ามือโยงมาคล้องติดอยู่บนหน้าผากในลักษณะดังกล่าวนี้สา่งปลาเดินงุดงุดขึ้นเขาโดยโยกหัวงุนไปเบื้องหน้าตามติดหลังพรานใหญ่ระพินขึ้นไปได้รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อทั้งทั้งที่มีน้ำหนักอยู่บนหลังไม่ต่ำกว่า20กิโลและไรเฟิลติดมืออีกทั้งกระบอก มันเป็นความสามารถที่เกิดขึ้นจากการเคยชินและเป็นคุณ ล, ลักษณะพิเศษของลูกไพรโดยเฉพาะซึ่งต่อให้พวกพรานพื้นเมืองของระพินเองก็ยังยอมแพ้เจ้าตองสูจัดว่าเป็นนักเดินป่าที่แข็งที่สุดเท่าากับการเป็นลูกหาดชั้นเยี่ยมยอดทั้งๆ ท, ที่ตัวของมันพร้อมเกร็งเล็กนิดเดียวดูมันจะเดินได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าหนทางนั้นจะไต่ขึ้นสูงขนาด70องศา จนต้องแทบเรียกว่าคลานกันขึ้นไปหรือว่าทางนั้นจะลาดชันลงไปเบื้องล่างจนต้องถอยหลังลงสางตาพากายลิ้วไปเหมือนเงาของปีศาจจนระพินเชื่อแน่ว่าถ้ามันไม่อองฝีเท้าเพื่อจะเดินตามเขาเพราะถือว่าเป็นผู้นำแล้วมันคงจะทิ้งเขาล่วงหน้าไปไกลลิบชนิดตามไม่ทันทีเดียวตรงข้ามกับคณะไหนาจาก ซึ่งเดินไต่รวมกลุ่มกันอยู่เบื้องหลังของเขาทิ้งระยะห่างประมาณร0อยเมตรโดยมีมาเรียกรดารินคู่หนึ่งอยู่เบื้องหน้าของเชษฐากับชายัดทั้งสี่เหงื่อออกชุ่มโชกกายเหมือนอาบน้ำทั้งตัวจนไหล ย, ย้อยเข้าตาต้องยกแขนเสื้อขึ้นปาดเช็ดอยู่บ่อยครั้งตลอดระยะสองชั่วโมงเต็มของหนทางที่ไตช่ชันขึ้นไปเป็นลำดับนั้นจอมพลนหยุดรอนายจ้างของเขาเป็นระยะ เมื่อเห็นว่าจะทิ้งห่างกันมากไปแต่พอคืบใกล้เข้ามาประมาณ30สเมตรเขาก็ไตน่นำเครื่อนที่ต่อไปไม่หยุดรอจนทั้งสี่ตามขึ้นมาทันเป็นการเร่งฝีท้าให้บุกบั่นต่อไปโดยทางอ้อมเพราะรู้อยู่ว่าหากรอให้ขึ้นมาทันเมื่อใดก็เท่ากับยอมผ่อนพักให้ซึ่งจะทำให้การเดินทางทวงช้าลงไปอีกความรู้สึกที่ฝากไว้กับคณะนายจ้างเพื่อให้ทุกคนมุมาณะอยู่ตลอดเวลา ว่าจะต้องกระชั้นเข้ามาให้ทันเขานั้นย่อมเป็นการเร่งร้าวให้เกิดอำนาจบากบันไปในตัวหนทางที่อาศัยไตยขึ้นไปเป็นทางน้ำตกไหลลงจากเขาซึ่งบัด น, นี้แห้งผากเต็มไปด้วยฝุ่นหินทามกลางป่าภัยที่เหลืองอารามและใบร่วงกรโนเพราะความแห้งแล้งอากาศอ้าวระ อ, อุเหมือนอยู่ในเตาอบไม่มีสัตว์ชนิดใดให้เห็นแม้แต่นกซักตัวเดียว นอกจากไอแดดที่แผดจ้ามองเห็นสันพริ้วระยิบระยับไปหมดลูกหาบทั้งสามคู่ค่อยๆประคองหาบสัมภาระคืบตามมาเบื้องหลังอย่างระมัดระวังเพราะเกะกะของประกอบกับหนทางอันไม่สะดวกช่วยให้เชษฐาดารินชัยยันและมาเรียพอจะมีโอกาสพักไปในตัวโดยมีพวกที่เดินไต่ไปได้อย่างแช่มช้าทวงอยู่เบื้องหลัง คนเหล่านั้นไม่ได้หนักหนาอะไรเกี่ยวกับการเดินและไม่มีใครเหน็ดเหนื่อยนักที่ช้าก็เพราะต้องประคองหีบห่อขึ้นมาด้วยเท่านั้นทำให้เสียเวลาไปผิดกระสางตาซึ่งถึงแม้จะบรรทุกของอยู่บนหลังด้วยแต่ก็เป็นการบรรทุกของตนเองไปโดยอิสระไม่ต้องใช้คานหามเป็นคู่อย่างพวกข้างหลังจึงไปได้เร็วกว่าดารินกามาเรียซึ่งไตามาชิดๆกันต่างก็ไม่ได้พูดอะไรกันเลย คงก้มหน้าก้มตาปีนไตยคืบหน้าขึ้นไปอย่างทระกุนอกจากนานๆครั้งก็ให้การช่วยเหลือกันบ้างเมื่อหนนทางอยู่ในระยะคับขันครั้งหนึ่งในการค่อยๆโหนขึ้นไปยังทางชันเกือบ90องศาเพื่อจะให้ถึงตะพักตอนหนึ่งดารินก้าวเหยียบแง่ดินปนกรวดลื่นทถลยจะหล่นกลิ้งลงไปเพื่อนสาวต่างผิวหันมาควา้าติดชายเสื้อของหล่อนไว้ได้อย่างหวุดหวิด แลนอนค้างพังภาพกันอยู่ในลักษณะเช่นนั้นโดยที่มือหนึ่งของมาเรียเหนียวเง้าวไผ่อันหนึ่งไว้เป็นที่ยึดเชิดาไต่ตามขึ้นไปทันช่วยแก้สถานการณ์อันมินเมนั้นเอาไว้ได้อย่างทุลักษ์ทุเลและไม่นานนักมารียเองก็โหนเอากิ่งแห้งเปลาะกิ่งไผ่แห้งเปลาะเพื่อจะร่างกายขึ้นไปมันหักสะบั้นลงเพราะทานน้าหนักตัวไม่ไหว แมมสาวเสียหลักหมุนคว้างไหลทะไหลลื่นลงมาตามทางลาดดารินเป็นฝ่ายช่วยข้อมือทันบ้างแต่ก็พากันครูดลงมาเพราะน้ำหนักหน่หนวงโชคดีที่ติดเช่เท้าไว้ได้อีกทั้งสองหญิงเลือดซิบทั้งแขนและขาถลอกบอกเบิ์กันไปหมดทั้งตัวโดวยเฉพาะมาเรีย้นามไผ่อันแหลมคมเกี่ยวทะลุเสือ้อแหวะหน้าอกด้านหนึ่งของหลอนเป็นแผลค่อนข้างลึก จนดารินต้องเอาพลาสเตอร์ปิดห้ามเลือดให้ใช้ยันนาทีแรกก็ไต่เคียงคู่มกระเชิฐาแต่แล้วพอเข้าชั่วโมงที่สามก็ล้าหลังลงไปรวมกลุ่มกับพวกลูกหาดระวังหน่อยไปกันช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนทางมันชันเหลือเกินวัวหน้าคณะร้องเตือนน้องสาวกับมารีอาเบาๆทางส่งไรเฟิลของดารินที่พลัดหลุดมือกลิ้งมาที่เขาส่งขึ้นไปให้ ดารินฝืนยิ้มยกหลังมือเช็ดเหงื่อที่ชุ่มอยู่บนเปลือกตาแล้วแง้มมองขึ้นไปยังร่างของพรานนำทางกับสางปาาซึ่งขณะนี้ยืนพักอยู่ที่บริเวณแง่รากใบใหญ่ต้นหนึ่งห่างขึ้นไปร่วมห้าสิบเมตรรพินกเจ้าตองสูงนะ่ะร้ายกาบเหลือเกินไม่ยอมรอให้เราตามทันเลยเป็นการไล่กันอย่างไม่รู้จบสิน้นเขาหนีเราอยู่เรื่อยเร่อยเร่งฝีเท้าเท่าไรก็ไม่ทัน บอกให้เขารอเราบ้างสิพี่ใหญ่เมยเองก็ดูท่าจะแย่ทันทีแล้วถูกน้ำเขาด้วยมาเรียฝืนยิ้มเขยาข่าคอเสื้ อ, อไล่ไอระอุอ้าวที่อบอยู่ในกายเป่าลมออกจากริมฝีปากอันแห้งผักสำหรับฉันไม่เป็นไรหรอกน้อยเป็นห่วงเธอเท่านั้นแหละหน้าเธอซีดเหลือเกินฉันเดาไม่ถูกนะว่าเราจะไต่ไอทางมหานรกนี่ขึ้นไปอีกนานสักเท่าไหร่ ดูมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยแล้วก็ร้อนเหมือนถูกอบเชษฐท้าดูนาฬิกาข้อมือขณะนั้นมันเป็นเวลาบ่ายโมงเศษเบื้องบนศีสะที่แลพานกิ่งใบอันแห้งกรูนของป่าไผ่ขึ้นไปคือดวงอาทิตย์อันแผดจ้าสีงชายันร้องเพลงยี่เกที่ขึ้นต้นซ้ำซากว่าโอ้เจ้าช่อมะนาวที่จำมาจากบุญคาซึ่งแกมักจะคร่ำครวนไปตลอดทุกระยะทาง ที่มีการเดินกันอย่างหนักพลางก็ตะโกนถามขึ้นมาบนหัวเราะว่าเป็นยังไงกันมั่งล่ะพักพวกก็เต็มอึดดีแกละ่ะเชิดถา้องตอบลงไปยิ้มพลางย้อนถามสบ้าหัวเขาเ่าแทบจะกระเด็นหลุดออกมาแล้วงอขาเกือบจะไม่ได้แต่พับพาเถอะฉันก็ยังเดินอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้เจ้ช่มะงา ชะเองิงเงอะเงยโธร้องก็ไม่ถูกนายทหารเขาโอ้เจ้าช่อมะนาวเห็นนมน้องเขาขา ว, ขาวพี่ยิงหนาวหนักบุญคําร้องออกมาเบาๆอย่างครื้มใจชัยันยกมือขึ้นบกหนาวก็ลิงังไงยังก็เดินผ่าไปนะกระทะทองแดงตับจะสุกอยู่แล้วเอาเ้อะไม่ต้องร้องอีกแล้วลงได้ขึ้นว่าโอ้เจ้าช่อมะนาวทีไร เป็นอันรู้กันละเดินกันลิ้นห้อยทุกทีปพะพาดีตาพรานเท่าหัวเราะเอิกไงไหนทหารหมดสตีมแล้ ว, ลวมะส่งปืนโตมาบุญคำจะช่วยแบกให้ไม่ต้องหรือยังไงฉันก็ลากมันไปเองผิดนักเอามันยันแทนไม่ถอจะรู้แล้วรู้หรอกใช้ยันตวาดแวดมาพร้อมกับหัวเราะอย่างฉุนฉุน ใช้ด้ามไรเฟิลยันก้อนหินผลักตัวกระดึ๊บขึ้นไปจนกระทั่งถึงตำแหน่งที่เชตฐาดารินและมาเรียนั่งหอบอยู่บองหน้าแลฟาไอร้อนขึ้นไปก็เห็นจอมพรานยืนพิงรากไม้คอยอยู่ข้างบนเหนือขึ้นไปอีกสางปากำลังเคลื่อนที่ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งกระพินหาที่พักหลบแดดก่อนเถอ ะ, ะพิก้กนมาสามชั่วโมงแล้วนะ เชษฐาตะโกนบอกขึ้นไปดึงผ้าขนหนูผืนเล็กที่คล้องคออยู่ด้านในออกมาเช็ดเหงือ่อแล้วเปิดกระติกน้ำออกมาดื่มกล้วคอแข็งใจพักเดียวครับข้างบนตาจะสดกว่านี้ตรงนี้ไม่มีที่กำบังเลยเสียงพลานใหญ่บวกๆวกตอบลงมาพร้อมกระโกมือเป็นสัญญาณเรียกจากนั้นก็หันหลังไต่น้ำเลิ้วต่อไปโดยไม่ฟังเสียงและดูเหมือนจะเร่งฝีเท้าอีก โดยไม่หันกลับมามองอีกเลยเชษฐาหันมาพยักหน้ากับทุกคนไปรีบเดินเถอะกัดฟันหน่อยคืนชาก็ยิ่งหมดกำลังลงไปทุกทีทั้งสี่ปีนตายต่อไปอย่างมีมานะพวกลูกหาบที่ร่างทายอยู่เบื้องหลังบัดนี้เดินตามขึ้นมาทันกลุ่มของเชษฐาและพา ก, กันไตขึ้นมาพร้อมๆกันเป็นขบวน ดารินกามารีรู้สึกเกะกะไรเฟิลประจำมือที่สะพายอยู่เป็นอย่างยิ่งเพราะต้องใช้มือทั้งสองยึดเหนียวไปตามก้อนหินและลำไผ่ขณะที่โหนตัวขึ้นไปแต่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมสละอาวุธประจำมือไปให้พลานพื้นเมืองคนใดช่วยถือให้แม้ว่าพวกนั้นจะรับอาสามาด้วยคติประจำใจของนักเดินป่าทั่วไปในข้อที่ว่ายามใดก็ตามที่ปล่อยให้ปืนประจมมือห่างพ้นจากตัวไปยามนั้น ก็ควรเป็นยามที่หาชีวิตไม่แล้วอีกอย่างหนึง่งประสบการณ์ความเคยชินที่ใช้ชีวิตพจนพยันตรายอยู่ในป่ามันเป็นอุทาหรณ์เตือนใจไว้เป็นอย่างดีแล้วในเรื่องปืนที่ยอมให้ห่างไม่ได้แม้แต่ในขณะหลับชีวิตร่วมกันในป่านั้นจริงอยู่อาจมีทางที่จะช่วยเหลือคุ้มครองกันได้เมื่อเกิดภัยขึ้น แต่จะไม่มีใครสามารถช่วยเหลือคุ้มครองใครได้ดีกว่าตัวเองทั้งสิ้นพอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งภาพของพรานใหญ่รพินกับเจ้าตองสู่ที่เห็นไปดุมดุมอยู่เบื้องบนก็รับแนวกอไผ่หายไปซะแล้วเอ๊ะนั่นเขาจะทิ้งเราหรือไงนะหรือแพ็เดียวหายตัวไปละบ้ารินขมวดคิ้วบนออกมาเบาๆอย่างเคืองๆที่รพินไม่รอแต่พี่ชายบอกมาว่า ก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่เขาจะต้องรอ้อยเสียเวลาไ ป, ปเปล่าๆนี่หนทางเดินมันเช่นเดียวกันอยู่แล้วให้เขาล่วงหน้าไปก่อนเถอะเดี๋ยวก็ไปรอเราอยู่ข้างหน้าเองอย่ากังวลไปเลยสําหรับมาเรียหล่อนไม่เอ่ยคําใดทั้งสิน้นเร่งกําลังไต่ขึ้นไปเป็นคนแรกโดยอาศัยร่องรอยที่รับพินกับพรานตองสู่ของหล่อนทําเป็นเครื่องหมายให้เห็นไว้เพื่อให้เดินตามถูกสัญชาติยานพรานของแม่มสาว สัมดงออกไมห้หินชัดในด้านความเข้าคล่องชำนาญต่อการแกะรอยหลอนไม่ใช่นักล่องป่าประเภทสมัครเล่นเลยจะเป็นอาชีพที่เดียวแหละจากความช่ำชองและคล่องตัวที่ฝ่ายของเชษฐาสังเกตเห็นอยู่อาการอันเข้มแข็งทรหดของมาเรียดังกล่าวนี้เองช่วยให้ดารินมุมานะยังไม่ยอมด้อยกว่าหลอนติดหลังเพื่อนสาวไปอย่างกระชั้นชิด และหมดเสียงบ่นใดๆลงในทันทีนักมานุษยวิทยาสาวแอบบอกตัวเองในใจว่ายอมเหนื่อยขาดใจตายไปซะดีกว่าที่จะให้ใครๆเห็นว่าหล่อนอ่อนแอกว่ามาเรียเชิดทากชัยยันไตาตามาเบื้องหลังของสองสาวใจเพ็รเพื่อคอยช่วยเหลือในกรณีที่อาจพลาดพลัง้งหลุดร่วงถลไห ล, ลื่นลงมาซึ่งก็ปรากฏอยู่บ่อยครั้งและก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง จะเป็นเพราะความรีบร้อนเพื่อจะทำเวลาหรือหมดกําลังขาไม่ทราบได้มาเรียกเต้าจากยอดก้อนหินลูกหนึ่งเพื่อขึ้นไปยืนบนรากไม้อันเป็นตะพักรากเหมือนเชิงชั้นพักบันไดระดับเทลาดเจองศาหลอนเสียหลักไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้คล้ายจะถูกแรงดึงดูดจากเบื้องล่างฉุดร่างไว้หมุนพลิกพงะรอบตัวหันหน้าลงมาทางเบื้องล่าง และวผวาร่อนลงมาในลักษณะตกบันไดพลอยโจรทมกลางเสียงร้องลั่นอย่างตกใจของดารินผู้ตามติดอยู่เบื้องหลังโชคดีเหลือเกินที่ชา ย, ยันซึ่งตามมาเป็นบุคคลที่สามและอยู่ในระดับต่ำลงไปกว่าดารินหลืบขึ้นไปห็นเขาทิ้งไรเฟิลโยนออกไปกลางแขนรับไว้ร่างของแมมสาวร่อนลงมาปะทะเต็มแผ่นอกของอดีตนายทหารปืนใหญ่และถูกรวบไวแน่นในวงแขน หลอดเองก็กอดยึดเขาไว้เป็นหลักน้ำหนักตัวที่ทุ่มลงมาทำให้ใช้ยยันพังงะถอยรูดเสียหลักไปอีกคนแต่ยังกอดกันไว้แน่นเช่นนั้นบังเอิญติดซอกหินที่ขึ้นขว้างไวเช่กรที่จะหลุดร่วงลงไปในเหวตื้นๆริมทางทั้งคู่ลม้มลงไปกลิง้งไปกองอยู่ด้วยกันตรงซอกหินนั่นเองโดยร่างของมาริยทับอยู่เบื้องบนชายยันคุณเป็นอะไรหรือเปล่า มารียร้องละล่ำละลักขณะที่รวบศีรษะของเขาไว้ซ่วงอกของหล่อนยังทับอยู่บนอกเขาตาสีเขียวเบิกโพลงยังตกใจใบหน้าห่างกันช่วงคืบชยันแยกเขียวครางอู้รู้สึกเสียวปราบที่ศีรษะทางด้านหลังยกมือขึ้นกลุมปากก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคุณล่ะฉันไม่เป็นอะไรสักนิดเดียวแต่รู้สึกว่าคุณจะเจ็บนะ หล่หลอนก็พลิกสีสะเขาขึ้นดูพร้อมกับร้องลั่นออกมาเลือดโอ้ไม้ก้อ oh เลือดจากศีสษะของเขาตด้หยุดที่ฝ่ามืออันสันเทาของหล่อนชัยยันสูดปากเบาๆคลำและยกมือขึ้นมาดูบ้างขณะนั้นเชฐษฐากระดารินก็กระโดดกลับลงมาร้องถามลั่นตรงเข้ามาช่วยกันฉุดทั้งสองขึ้นนั่งหัวแตกคงจะกระทบแงหินตอนที่ล้มลงอะ่ะ ดารินพูดโดยเร็วภายหลังจากตรวจบาดแผลมาเรียนาซีดอุทานเสียงสั่นด้วยความตกใจใช้ผ้าเช็ดหน้าประคบเช็ดเลือดให้เขาแต่ช้ยันรีบลุกขึ้นยืนโดยเร็วหัวเราะออกมาอย่าตกใจไปเลยครับผมไม่เป็นอะไรมากหรอกแค่หัวแตกนิดหน่อยเท่านั้นเองคุณหัวแตกเพราะฉันแท้ๆนะให้ฉันดูบาดแผลคุณเถอคะค่ะผมหัวแตกแค่นี้ ยังดีกว่าที่คุณจะหล่นลงไปคอหักข้างล่างนะ อ, นนอย่า ก, กังวลไปเลยนิดหน่อยเท่านั้นแหละออกเดินทางต่อไปดีกว่ามันร้อนเต็มทีถึงที่พักซะก่อนแล้วเราเค่อยจัดการกับมันเชื่อท้าโครงสีสับช้าๆบนพึมเตือนให้ทุกคนเดินอย่างระมัดระวังเมื่อสังเกตหินชัยยันไม่ได้บาดเจ็บอะไรนักก็บอกให้เดินต่อคราวนี้เขาออกนาหน้าไปเป็นคนแรกดารินตามหลังพี่ชายเป็นคนที่สอง เริ่มใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกส่วนมาเรียนนั้นแต่ยู่ใกล้ชิดกับชัยยันอย่างเป็นห่วงเพราะยังไม่แน่ใจว่าเขาจะได้รับบาทเจ็บมากน้อยเพียงไรในการป้องกันหลอนวายเมื่อครู่นี้จึงคอยระวังเป็นพี่เลี้ยงให้ระยะ20นาทีที่บุกบั่นกันขึ้นไปตามรอยที่ระพินล่วงหน้าไปก่อนทั้งสี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นระยะเวลาอันยาวนานสักร้อยปีก็ไม่ปาน ในที่สุดก็บันลุถึงบริเวณพื้นราบไหลเขาตอนหนึ่งป่าดูจะเขียวสดขึ้นหนทางนั้นขึ้นมาบรรจบกับด่านช้างเก่าๆที่ตัดไปในระหว่างป่าพวงสลับไปกับพงเถาวัลย์รกทึบและไม้ใหญ่เสียงจักจั่นที่ไม่ได้ยินกันมานานตลอดระยะการเดินไต่ขึ้นมาตามป่าไผ่อันกรอบเกรียมเริ่มดังแส่หัวหน้าคณะยืนงงอยู่ครู่เดียว ก็สังเกตเห็นรอยเอามีดฟันต้นไม้ไว้เป็นเครื่องหมายนำทางจึงออกสาวรอยไปใจใหญ่ต่อมาก็มองเห็นควันไฟขโมงขึ้นมาจากผู้ไม้ตอ น, นรพินไพรวันกับส่างตานั่งคอยกันอยู่ที่นั่นก่อไฟไว้คอยท่าพร้อมแล้วตำแหน่งนั้นเป็นบริเวณแหล่งนา้าที่มีน้ำไหลซึมออกมาจากซอกหินขังอยู่ในแอ่งเล็กๆตื้นประมาณซอกเดียวและกว้าง ไม่เกินสามตารางวามีรอยกวางกระหมูลงกิ่งย่ำไว้สับสนเต็มไปหมดสางปากำลังจัดการอยู่กับตัวนิ่มซึ่งบัด น, นี้ลอกหนังออกเรียบร้อยแล้วส่วนรพินตั้งน้ำต้มกาแฟในหม้อสนามกำลังเดือดทรงกลิ่นหอมฉุยความอ่อนระหวยรยแรงแทบว่าจะก้าวขาต่อไปไม่ได้ของคณะนายจากักบรรเทาลงได้ด้วยกาแฟที่พรานใหญ่เตรียมต้มไว้คอยท่าก่อนแล้ว และวรีแจกใจ่ายให้ทันทีเมื่อทั้งสี่ทิ้งกายและนอนแผ่ขณะที่กระปรกกระเปรียมาถึงพอพวกลูกหาแบกสัมภาร ะ, สะเสบียงตามมาทันก็เริ่มการหงหาขึ้นมาถึงนานแล้วเหรอเชถาถามก็พอกาแฟเดือดพอดีครับแทนใหญ่ตอบยิ้มยิ้มมองดูสีหน้าอันขมุกขมอมอิดโรยของทุกคนขอโทษนะที่ตามขึ้นมาชา้าไปหน่อยเกิดอุบิเต์ขึ้นหลายครั้ง หัวนาคณะบอกให้เขาทราบในสิ่งที่เกิดขึ้นระพินมีสีหน้าตกใจเล็กน้อยสอบซักถามทุกคนแล้วว่าต้องระวังหน่อยครับทางมันเป็นดินร่วนปนกรวดเพราะเป็นทางน้ำไหลบางทีมันก็ชันมากบางทีก็ชันน้อยที่สำคัญก็คือเราเดินไต่ขึ้นมาตลอดระยะหลายชั่วโมงทำให้กำลังขามันล้าพลาดเสียหลักง่ายๆปีหน้าผาชันๆมันยังจะดีซะกว่า เพราะนั่นเราใช้ความระมัดระวังกันอย่างเต็มที่แต่ไตเนินแบบนี้เรามองข้ามมันไปซช่ผมเองก็ล้มหลายครั้งเหมือนกันเหยียบลงไปนึกว่ามันจะแข็งพอมันกลับทลายพังลงทำให้เสียหลักทำไมถึงเดินหนีทิ้งมาสลิปไม่รอกันบ้างดารินถามด้วยน้ำเสียงตัดพอ้อก็เพราะพวกเราเร่งที่จะเดินตามคุณทันนะดิถึงไม่เกือบตกเขากันหลายครั้ง ผมเห็นว่าเป็นทางที่พอจะตามได้อย่างสะดวกแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากแดดร้อนอย่างเดียวก็เลยล่วงหน้ามาต้มกาแฟาว่าให้ก่อนไงบาดแผลที่สีสักของชายันเดยการวินิจฉัยของดารินไม่มีอะไรจะต้องทำมากไปกว่าเอาทิ้งเจอแตกซึ่งมาเรียเป็นคนแต้มยาให้อย่างประครับประคองบาก็พร่ำพูดในเรื่องที่เขาต้องเจ็บตัวเพราะอนชยันขอร้องไม่ให้หลอนเอ่ยถึง ภายหลังจากกินอาหารเสร็จได้นั่งพักสูบุรี่รพินก็งัดเอาแผนที่ขึ้นมาดูอีกครั้งตอนนี้เรากําลังตัดทิวเขาใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขาหัวแรงนะครับเขาบอกอย่างไตร่ตรองแหงหน้าดูทิศทางของตะวันและเอาเข็มทิศออกมาเทียบเป็นครั้งแรกถ้าพ้นเขาลูกนี้ก็จะลงทุ่งโลง่งคันกว้างใหญ่ผ่านปาแดงแล้วก็เข้าเขตนรกดำ แต่ผมเกรงว่าพรุ่งนี้เราจะพ้นเขาลูกนี้ลงถึงทุ่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วก็สงสัยว่าแหล่งน้ำจะหาได้ยากในทุ่งนี้ภูมิประเทศมันแห้งแล้งเหลือเกินคุณเคยผ่านทุ่งราบตะป่าแดงตอนนี้มาก่อนแล้วไม่ใช่เลยใช้เวลาเดินสักกี่วันละ่ะก่อนจะถึงนรกดำหัวหน้าคณะเป็นคนถามขึ้นขณะที่คนอื่นๆ น, นิ่งฝักผมเคยผ่านทุ่งโล่งบริเวณนี้มาก่อนแล้วก็จริงครับ แต่ตัดไปทางด้านตะวันตกพุ่งเข้าหาลําน้ําสารวินเท่ากับเป็นการผ่านบริเวณพื้นที่ในตอนนี้ไปเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นถึงเช่นนั้นก็ยังใช้เวลาเดินถึงวันครึ่งแต่ตามแผนที่ของมังมห า, รานรธาชี้ให้ขึ้นเหนืออันหมายถึงว่าเราจะต้องตัดไปตามส่วนกว้างที่สุดของทุ่งราบอันแห้งแล้งแห่งนี้ซึ่งผมก็ยังกาะไม่ถูกเหมือนกันว่าจะใช้เวลาเดินสักเท่าไหร่กล่าวจบ เขก็หันไปตะโกนเรียกแง่ท า, ายเข้ามาพูดซุบซิบปรึกษาอะไรอยู่ครู่หนึ่งก็หันมาทางคณะนายจ้างกล่าวต่อมาว่าตอนที่แง่ร า, ายตามหลังคุณชดไปคราวนั้นน่ะตัดไปทางตะวันออกเฉียงเหนือครับเห็นบอกว่าเดิน2วันครึ่งแต่เป็นการเดินอย่างฝีเท้าของแง่ทรายนะครับระยะทางที่แง่ร า, ายเคยไปแล้วกับที่ชี้บอกในแผนที่ผมกล่าวว่าคงไม่ห่างกันเท่าไหรนะ่นักเชื่อว่าเราใช้เวลาเดิน4ี่วันเป็นอย่างสูง ก็ไม่เท่าไรเลยนี่ชัยยันว่าพระใหญ่หันไปมองหน้าแล้วยิ้มเล็กน้อยครับไม่เท่าไรหรอกถ้าเราเดินกันในภูมิประเทศอย่างที่เคยผ่านกันมาแล้วคือสามารถหาแหล่งน้ำได้แต่อย่าว่าแค่สีวันเลยต่อให้วันเดียวถ้าไม่มีน้ำสักหยดมันก็น่าดูเพียงแต่ไตเนินผาป่าภัยตายซากขึ้นเขาลูกนี้มาครึ่งวันเท่านั้นคุณชัยยันก็คงเห็นแล้วว่ามันทารุณแค่ไหน ความแห้งแล้งของป่าความระออ้าวของพระอาทิตย์ย่างเราซะแทบกรอบสําหรับทุ่งราบข้างหน้าที่เราจะผ่านไปนี่ผมว่ามันจะยิ่งกว่านี้อีกสักยี่สิบเท่าเป็นอย่างน้อยนะแล้วเขาก็เอาก้านไม้เล็กๆชี้ลงไปที่แผนที่เก่าแก่โบราณอันเป็นต้นฉบับเดิมที่ได้รับมอบจากเนวินนักสแสวงโชคชาวพมา่าเปรียบเทียบกับแผนที่คัดลอกใหม่ฉบับที่แปลออกมาแล้ว ดูนี่สิครับคนเขียนแผนที่ไว้เองคือมังมหานรธาก็ยังตั้งชื่อทุ่งราบแห่งนี้ไว้ว่าทุ่งมรณะนามของมันก็บอกชัดอยู่แล้วว่าหมายถึงอะไรทั้งคณะนิ่งเงียบกันไปชั่วครู่มาเรียจึงทําลายความเงียบขึ้นว่าถ้งแงซทรายเคยผ่านไปก่อนได้เขาก็ควรจะบอกเราได้เช่นกันว่าอะไรเป็นวิธีการของเขา ทุกคนเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่จอมพเนจรพรานใหญ่ตอบมาแทนว่ายกเว้นจากความทรหดอดทนเป็นพิเศษแล้วแง่ท า, ายใช้วิธีนอนในเวลากลางวันและออกเดินตัดทางตัดทุ่ง ม, ม, มรณะนี่ไปในเวลากลางคืนครับในายามกลางคืนนั้นทําให้ไม่ร้อนและผ่อนคลายความอ่อนเพลียลงไปได้บ้างยิ่งกว่านั้นยังบรรทุกน้ําติดหลังไปเท่าที่จะนําไปได้ด้วย เชิถากับชัยยันหันไปสอบซักแง่ทรายอยู่ครู่แล้วก็บอกว่าถ้าจำเป็นจริงๆเราก็ต้องทำวิธีเดียวกับแง่ทรายล่ะพอค่ำก็ออกเดินทางพระอาทิตย์ขึ้นก็พักนอนโถพี่กลางเนาะพี่กลางช่างบากบันมุทะลุด้วยความหลงผิดอะไรเช่นนี้เสียงดารินรำพึงแผ่วเบาเศร้าๆต่างตกอยู่ในความเงียบกันไปอีก สายตาอันเยือกเย็นกร้าวแกร่งของจอมพรานเบนจับมาที่น้องสาวคนสวยของนายจ้ะริมฝีปากคู่นั้นปรากฏรอยยิ้มน้อยๆในสายตาของปุทชนทั่วไปแล้วย่อมเห็นว่าการบุก บ, บั่นเดินทางในครั้งนี้ของคุณชดประภากรมีทางตายถึง 99.99% เ99ปอร์ซแต่นั่นแหละครับลูกผู้ชายเลือดข้นซะอย่างผมเองถึงแม้จะไม่เห็นด้วย ก็ยังจำต้องยอมรับนับถือยกย่องในน้ำใจสู้ของคุณชดมันเป็นความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวอันสืบเนื่องมาจากความกดดันบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่มีใครรู้ได้นอกจากตัวคุณชดเองและในขณะนี้พวกเราทั้งหมดที่มากันนี่ก็ตกอยู่ในลักษณะเดียวกันกับคุณชดนั่นแหละเพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์และแรงบันดาลใจผิดกันไปคนละทางเท่านั้นคุณชดไปเพื่อแสวงโชคที่เลื่อนลอยเหมือนอยู่ในห้วงฝัน ส่วนเราไปตามหาตัวคุณชดอีกทีหนึง่งและมันก็เลื่อนลอยเหมือนอยู่ในห้วงฝันเช่นเดียวกันเชิฐาพืมพัมดวงตาทั้งคู่รีลงอย่างขมขื่นปวดร้าวิุจใจต่อมาก็บังคับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติกล่าวถามเป็นงานเป็นการต่อมาว่าเออแล้วทางเดินต่อไปของเรานี่หละก่อนจะพักคำนี้เป็นยังไงบ้างจะไตสูงขึ้นอีกไหมระพินจับปลายคาง มองนิ่งๆอยู่ในแผนที่แล้วเงยขึ้นกว่าตาสำรวจไปรอบด้านอยู่ครู่ช่วงแรกนี่ก็เดินสบายหน่อยครับเพราะเราจะเลาะไปตามไหล่เขาต่อจากนั้นก็จะขึ้นสูงอีกพักแต่ผมคิดว่าเราอาจต้องนอนพักกันในระยะที่เดินอ้อมไหล่ตอนนี้แหละครับคงยังไม่ทันไต่ขึ้นหรอกเพราะจะต้องข่ำลงซะก่อนมาเรียขอแผนที่โบราณจากเขาไปดูซุบซิบสอบถามอะไรอยู่กระดารินพักนึง ก็เอ่ยขึ้นเป็นการเปรยขอความเห็นว่าถึงแม้ว่าแผนที่นี้จะเขียนขึ้นด้วยมือของคนที่ตายไปแล้วเมื่อสี่รอปีก็ตามแต่ฉันคิดว่ามันควรจะต้องเป็นเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งในทางภูมิศาสตร์ถ้าหากว่ามันไม่ได้ถูกเขียนขึ้นด้วยการยกเมฆหรือว่าเป็นเพียงแค่ลายแทงโกหกพกลมที่ใครอุตริทำขึ้นเพื่อหลอกเล่นที่นี้สมมติว่าโดยเรามีแผนที่ฉบับนี้อยู่ในมือ แต่แทนที่จะมาเดินบุกบันฟันฝ่าความกันดานและภัยจากธรรมชาติรอบด้านจนแทบไม่มีความหวังว่าจะไปถึงเป้าหมายได้รบเปลี่ยนมาเดินทางอากาศเฮลิคอปเตอร์สักลำหนึ่งหรือมิฉะนั้นก็เครื่องบินสำรวจสักเครื่องมันจะช่วยให้เราสะดวกขึ้นกว่านี้สักพันเท่าไหมย่นระยะทางทุนเวลาแล้วก็ปลอดภัยกว่าก็เป็นเหตุผลที่น่าคิดเหมือนกันนะ ผู้เอ่ยตอบความสงสัยของมาเรียขึ้นอย่างเช่มช้าคือรา ช, ชสกุลหนุ่มหัวหน้าคณะใบหน้าเขาปรากฏรอยยิ้มครึมๆในพวกเราทุกคนที่มานี่ก็ล้วนคิดตลอดจนปรึกษากันมาก่อนและทั้งสิ้นนะแต่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะสิทำไมเหรอคะพี่ใหญ่มาเรียกระหมดคิ้วถามโดยเร็วอย่างแปลกใจมันเป็นวิปรมาณที่มากมายเกินไปรือยังไงคะ ในเมื่อฉันก็เห็นอยู่แล้วนะว่าคณะของพี่ใหญ่ลงทุนลงแรงกันทุกอย่างแม้กระทั่งยอมเอาชีวิตเข้าเสี่ยงค่าใช้ใจ่ายที่เดินทางมานี่มันก็ไม่ได้น้อยไปกว่าการที่จะเช่าเครื่องบินสักเครื่องหนึ่งเลยนะคะตรงข้ามสิที่เราบุก บ, บานเดินทางกันด้วยเท้ามานี่น่ะมันหมดเปลืองซะยิ่งกว่าเช่าเครื่องบินซะอีกแต่เหตุผลที่ทําไม่ได้ก็คือแผนที่ของมังมหานรธาฉบับนี้ มันไม่ใช่เอกสารทางภูมิศาสตร์อย่างที่คุณเข้าใจเือเขาประสิวะที่เรากำลังมุ่งหน้าไปไม่เคยปรากฏอยู่ในแผนที่ทางภูมิศาสตร์ใดๆในโลกทั้งสิน้นสมมุติว่าเราจะเรียกเอกสารโบราณชิ้นนี้ว่าเป็นแผนที่คุณก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าผู้ทำแผนที่ฉบับนี้ทำขึ้นจากสายตาเท่าที่เขามองเห็นขณะที่เขาอยู่บนพื้นดินไม่ใช่อยู่บนอากาศ เขามองออกไปเห็นภาพหรือกระทบกับความรู้สึกเช่นไรเขาก็เขียนระบุตำแหน่งเป้าหมายนั้นๆออกไปตามสายตาเห็นและความรู้สึกที่ได้รับเมื่อเรามุ่งไปตามเส้นทางที่เขาเคยได้ผ่านมาก่อนและเขียนไว้เราก็ต้องมองให้เห็นอย่างที่เขาเห็นมาก่อนแล้วนั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นในแผนที่ในแผนที่ฉบับนี้ระบุว่าเขาหัวแรงถ้าเราไม่ผ่านหลุมช้างหรือไม่ได้ยืนอยู่ที่หลุมช้าง เราจะมองไม่เห็นภูเขาลูกนี้เป็นรูปหัวแรงตามที่เขาระบุไว้เลยคุณจะเห็นได้ว่าถ้าเราเดินผิดเส้นทางของเขานิดเดียวเราจะค้นหาเป้าหมายของเราไม่พบตามที่แผนที่ได้ระบุไว้นี่เพียงแต่จุดแรกที่ยกตัวอย่างไม้เห็นเท่านั้นนะและจุดหมายต่อไปตามลำดับอีกละเราจะต้องพยายามค้นหาให้พบเป็นระยะไปตามที่หมายที่เขาระบุ และนั่นคือการมุ่งไปสู่เป้าที่เราต้องการถ้าเราใช้เครื่องบินสำรวจมองลงมาเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยและแผนที่ฉบับนี้ก็ใช้การอะไรไม่ได้จนนิดเดียวอีกประการหนึ่งสถานที่ในป่าลึกมันเป็นสถานที่ซึ่งไม่สามารถจะสำรวจค้นกันได้โดยทางอากาศยกเว้นแต่ว่าแผนที่ทางภูมิศาสตร์จะทำขึ้นไว้ถูกต้องก่อนแล้วยิ่งกว่านั้นมันยังเต็มไปด้วยความลี้ลับอาถรรพ์ เป็นสิ่งมหัศจรรย์เกินความคาดหมายเทือกเขาพระศิวะนะ่ะมังมหาราชธาได้ทําเป็นลายแทงเส้นทางไว้เพื่อเป็นการเดินไม่ใช่ให้หอกไปเมื่อเราจะมุ่งไปให้ถึงเราก็ต้องเดินไปในลักษณะเดียวกับเขายกเว้นแต่ว่าเราสามารถจะรู้ตําแหน่งแห่งที่ได้แน่นอนโดยทางภูมิศาสตร์กลว่ามันเป็นเทือกเขาใดแน่นั่นแหละเราก็ใช้เครื่องบินตัดทางไปได้แต่นี่ใครจะบอกเราได้ละ่ะ ว่าภูเขาที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ทิวใดคือภูเขาที่มังมหานรธาเรียกว่าเทือกเขาพระศิวะมารีเมมริมฝีปากสีหน้าใคร่ครวในคำพูดของเขาแล้วก้มศีรษะลงฉันก็เพิ่งเข้าใจตามที่พี่ใหญ่พูดเดี๋ยวนี้เองนี่แปลว่าเราฝากความหวังทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในแผนที่โบราณ น, นี้อย่างเดียวเท่านั้นหรอคะ มันก็ไม่มีอะไรจะให้เราหวังได้มากไปกว่านี้อีกแล้วอสิเรารู้ว่านายชดหรืออนุชามุ่งหน้าไปเทือเขาพระศิวะส่วนแผนที่ฉบับนี้ชี้เส้นทางให้แกเราพระเจ้าเท่านั้นแหละที่จะทรงรู้ได้และนั่นก็เป็นความหวังขั้นต่อไปของเราภายหลังเมื่อถึงเขาพระศิวะแล้ว <c oughs> ชายันล่วงเอาแผนที่สากลสแสดงภูมิประเทศเอเชียทั้งหมดออกมาจากสมุดบันทึกประจําวันที่เขาเรียกว่า ปูมเดินทางคลี่ลงกับพื้นเพ่งพินิษดูอย่างละเอียดทีท่วนแล้วขอลายแทงโบราณฉบับนั้นมาวางเทียบตาของอดีตนายทหารปืนใหญ่เป็นประกายด้วยความคิดบางอย่างแล้วเขาก็บุกมือเรียกทุกคนให้รุมล้อมเข้ามาฉันคิดว่าฉันพอจะมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วโดยการเปรียบเทียบแผนที่สากลฉบับนี้กับลายแทงโบราณทำไม เห็นอะไรเหรอชายันเชิดาจ้องหน้าอย่างสงสัยชายันดีดนิ้วโดยแรงเม้มริมฝีปากเป็นเส้นตรงเราก็น่าจะสันนิษฐานได้แล้วนะว่าเทือกเขาพระศิวะอยู่ที่ไหนถึงแม้จะไม่ตรงที่นะักแต่มันก็ควรจะใกล้เคียงเข้าไปแล้วก็จริงอยู่ <c oughs> นี่อาจเป็นเพียงการคาดคะเน แต่ก็เป็นการคาดคะเนที่วางรากฐานอยู่บนเหตุผลพอสมควรตามความรู้สึกของฉันและเือว่ามันควรจะอยู่ที่ไหนล่ะในแผนที่สากลฉบับนั้นดารินถามโดยเร็วเต็มไปด้วยอาการตื่นเต้นพิษวงจ้องตาเพื่อนชายอย่างคลางแคลงชยันแอดควันบุหรี่ลึกแล้วชี้นิ้วลงไปบนแผนที่สากลของเขาฉบับนั้นให้ทุกคนดูนี่ควรจะเป็นบริเวณ น, นี้แหละใจกลางป่าลึก ท่ามกลางขุนเขาล้อมรอบด้านที่ใดที่หนึง่งถ้าไม่ใช่เขตไทยก็ต้องเป็นเขตวะหรือไม่อย่างนั้นก็เหนือขึ้นไปอีกแถบยูนานแกเอาเหตุผลอะไรมาเป็นข้อสนิฐานละ่ะหัวหน้าคณะถามต่ำต ำ, ตำสีหน้าของเขาส่อแววทึ่งอา้าวก็แนวลำสารวินนี่ยังไงละ่ะดูสินี่ น, นิเราเปรียบเทียบลำน้ำสารวินในแผนที่สากลฉบับนี้กับที่ปรากฏอยู่ในลายแทงนี่ คุ้นเขาพระศิวะในลายแทงอยู่ทางด้านเหนือของแม่น้ํานั้นเนี่ยอ่ะเฉียงไปทางตะวันออกประมาณสิบดีกีซึ่งตามแนวทางนี้นะมันเป็นเส้นทางที่มุ่งขึ้นด้านเหนือของสัภาพพม่าถ้าเราขีดเส้นจะพบว่ามันผ่านเขตฉานเขตว่าเรื่อยขึ้นไปบนประชิดพรมแดนจีนตอนใต้อยู่นานนี่นี่นนี่นี่ดูนั่นนี่นะมาเรียผิวปากหมือเฉิฐาตาสว่างวาวขึ้น จ่องนิ่งอยู่ยังเป้าหมายในแผนที่ยังมีอะไรสะดุดใจตามคำพูดของสหาย <c oughs> ส่วนดารินตะครุบแผนที่ทั้งสองแผน่นหันไปสำรวจดูทางหล่อนโดยเร็ว <c oughs> ในลายแทงของมังมหานราธานี่ทำที่หมายของลำน้าสารวินไว้ให้ดูเพียงนิดเดียวเท่านั้นเราไม่มีทางจะยึดถือเป็นหลักแล้วนำมาเปรียบเทียบกับแผนที่สาลฉับนี้ได้เลยนี่นะชัยยัน <c oughs> หลอนร้องออกมาเบาๆมันไม่จำเป็นหรอกน้อยอะต่อให้เขาทำไว้เพียงขีดสั้นๆเส้นเดียวโดยระบุชัดว่าขีดนั้นนะคือลำน้ำสารวินเราก็สามารถจะหลับตาวาดเส้นของแม่น้ำสายนี้ได้ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลายแทงนี้ก็กำหนดทิศไว้ให้แล้วพอรู้ทิศทางเราก็บอกได้ทันทีว่าด้านไหนเป็นต้นน้าด้านไหนเป็นปลายน้า ที่นี้เมื่อรู้ต้นและปลายของแม่น้ำสายนี้บนลายแทงนี้เท่านั้นแหละเราก็น่าจะสันนิษฐานได้ใกล้เคียงว่าเทือกเขาพระศิวะควรจะอยู่ตรงไหน <c oughs> ทุกคนนิ่งเงียบโมดูน่ากันเองอยู่ไปมาในที่สุดจอมพรานก็กลมศีรษะลงนิดนึงยิ้มให้กับชัยยันผมก็เพิ่งจะมานึกออกตามที่คุณชัยแวยันว่าเดี๋ยวนี้เองครับนี่เป็นการสันนิษฐานที่มีเหตุผลที่สุด ถูกต้องนะครับขณะนี้ถ้าเราหันหน้าขึ้นเหนือเราอยู่ทางฝั่งซีขวาของลําน้ําสารวินลายแทงฉบับนี้ชี้ขึ้นเหนือสวนต้นน้ําขึ้นไปโดยเบี่ยงไปทางตะวันออกเล็กน้อยก็แปลว่าเราจะอยู่ทางซีขวาของสารวินโดยตลอดไม่มีการข้ามแม่น้ําสายนี้เลยและโดยทิศทางนี้เราจะผ่านดินแดนไทยใหญ่สุดแต่ว่าลายแทงจะนําไปถึงไหน แต่ถึงยังไงมันก็ไม่ผิดเส้นทางนี้แน่ๆละ่ะตามพื้นที่ภูมิศาสตร์และถ้าจะพิจารณากันตามภูมิศาสตร์แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าบริเวณอันกว้างใหญ่แถบนี้ทั้งหมดล้วนเป็นป่าดิบดงดำเต็มไปด้วยขุนเขาอันสลับซับซ้อนโดยที่ยังไม่มีการสำรวจถึงโอ้ก๊อดนี่เราจะต้องไปไกลกันถึงเพียงนั้นเชียวหรอมาเรียอุทานออกมาลืมตาตก ก็จนกว่าจะถึงที่หมายหรือจนกว่าจะไม่เหลือพวกเราคนใดสักคนละเชษฐาตอบหนักแน่ข้าวหน้าของเขาเยียบเย็นมั่นคงราวกับภาพปัน้นอันสอถึงเจตนารมแน่วแน่ชนิดไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้มีอะไรที่คุณลังเลอยู่อีกเละ่ะเมแ ม, มสาวหัวเราะเสียงใสสั่นศีรษะปฏิเสธโดยเร็วเปล่ากับพี่ใหญ่ ฉันก็ไม่มีอะไรลังเลหรือหวาดวันท่านพึงอะไรหรอกเพียงแต่ประหลาดใจเท่านั้นแหละเมื่อพอจะรู้เป้าหมายว่าเราจะต้องบุกบั่นกันไปถึงไหนมันคงตื่นเต้นไม่ใช่น้อยนะถ้าเราพบว่าตัวเองไปโผล่ที่ทิเบตรหรือแผ่นดินใหญ่ของจีนค่ะตามรายแทงที่จะนําเราไปนั่นเราตั้งปณิธานไว้แล้วว่าถึงไหนก็ถึงกันอย่าว่าแต่ทิเบตรหรือจีนเลยต่อให้ไปโผล่โลกพระอังคาร ถ้าหากว่าหนทางนั้นนำไปได้ดารินเน้นมาอีกด้วยหัวใจอันเด็ดเดี่ยวเพื่อนสาวต่างผิวเอื้อมมือมาโอบกอดไหลหลอนไว้แน่นยิ้มให้อย่างแจ๋วใสน้อยอย่าคิดว่าฉันจะท้อถอยหรือเป็นอุปสรรคอะไรในการเดินทางอันไม่รู้อนาคตของพวกเธอครั้งนี้เลยนะแล้วหลอนก็หันไปทางทุกคนว่าอันที่จริงเน่ฉันกับสเตเกิ้ลก็เคยบุกสารวจดงดิบ ในตอนเหนือของพอม่ามาบ้างแล้วเหมือนกันแหละแต่ก็เพียงบางส่วนและเฉพาะฝั่งซ้ายของลําน้ําสารวินเคยแม้กระทั่งผ่านเข้าไปในดินแดนของพวกว่าป่าเถื่อนประเภทที่ยังนิยมล่าหัวมนุษย์คล้ายๆกับพวกสังเกีวที่เราผจญกันมาแล้วน่ะเพียงแต่ว่าพวกว่านะไม่ร้ายกาดหน้ากลัวเท่าสางังเกียวเท่านั้นนิทถ้สไตยเก้นไม่เสียชีวิตลงซะก่อนและถ้าเขาไม่มีธุระสาคัญจนต้องแยกทางไปตามที่เขาบอกไว้ก่อนตาย เขาคงจะยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมเดินทางในครั้งนี้มันจะเป็นการสารวจที่มีคุณค่าอย่างที่สุดเจ่ะเราเห็นแต่แรกแล้วละ่ะว่าบุคคลที่กล้าหาและมีฝีมืออย่างคุณสามารถจะร่วมทางไปกับเราได้การเดินทางของเราในครั้งนี้สามารถพูดได้ว่าเป็นระยะทางอันยาวนานและยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือกว่าการบุก ป, ป่าของคณะสารวจใดๆในโลกเท่าที่เคยปรากฏกันมาแล้วชัยยันว่า อดีตท่านทูตทหารบกมองไปทางจอมพรานผู้นั่งคิดอะไรเงียบๆอยู่โดยไม่มีใครสามารถอ่านใจเขาได้ข้าวหน้านั้นแลดูกล้านเกลียมมืนสึมผมเข้าใจว่าขณะนี้เราอยู่เหนือรัฐกะยาขึ้นมาแล้ววยังไงผพวกก่อนระพินตื่นจากภวังเพราะคำถามแบบขอความเห็นนั้นอืมถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างลายแทงนี่กับแผนที่สากล ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นขณะนี้เราน่าจะอยู่ในตอนใต้ของเขตรัฐไทยใหญ่แล้วล่ะถ้าตั้งเข็มไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็จะพบกับพรมแดนไทยส่วนใดส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่อะไรก็ช่างเถอะระหว่างเส้นทางของเราอะ่ะย้ายผ่าเข้าไปในโดงของพวกเกาะ ก, การไรในเขตพม่ากันแล้วกันเป็นต้นว่าพวกกระเรียงอิสระ พ, พวกเก่าของแง่ทรายหรือพวกหนุ่มศึกหานอันเป็นขบวนกู้ชาติของเงี้ยวทิศทางที่เรามุ่งไปมันจะต้องผ่านแดนของเจ้าพวกนี้อยู่แล้วโอ๊ตประเดี๋ยวก็ยุ่งกันใหญ่เจ้าพวกนี้มันกําลังทําศึกอยู่กับพมา่าพวกเราขืนเซอร์ซ่าผ่านเข้าไปมันก็ต้องเข้าใจผิดแน่ๆละชายันปรารุมาอย่างกังวลระพินสันหัวผมรับรองว่าไม่ล่ะครับจริงอยู่เส้นทางของเราน่ยอยู่ในเขตของพวกนี้ก็จริง แต่มันเป็นกลางดงดิบกันดาร น, นะครับไม่มีพวกมันอาศัยอยู่หรอกพวกก่อการร้ายของพอมา่าถ้าจะอยู่ก็อยู่แค่เพียงเขตใกล้ๆเมืองเท่านั้นแหละเพระออกนอกเส้นทางของมันนะ่ะไกลลิฟถ้าจะเจอก็เห็นจะเป็นพวกมนุษย์สมัยหินประเภทเดียวกระสางเขียวนั่นแหละครับไม่มีวันเจอมนุษย์ที่จเจริญแล้วอย่างแน่นอนตั้งแต่ออกจากหลุมช้างมาแล้วนะ่ะมันเป็นสัญญาณให้รู้ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไม่พบเห็นอะไรอีก นอกจากสิ่งนอกสำรวจในดินแดนสนทยาล่ะครับทุกคนกินอาหารเสร็จนั่งพักเอากำลังกันอีกครู่บุญคำซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมในเรื่องสเสบียงก็เข้ามารายงานให้ทราบว่าข้าวสารที่นำมาด้วยนั้นพอจะมีหุงกินสำหรับสิบสองคนไม่เกินมือเย็นพรุ่งนี้เป็นอย่างช้าปัญหาเฉพาะหน้าในขั้นแรกของเรากาลังจะมาถึงแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารประทังชีก ระินเอ่ยเรียบๆกับคณะนายจ้างของเขาเรามีอาหารกระป๋องที่จะใช้ประทังเมื่อถึงคราวจำเป็นขีดสุดโดยที่หาอาหารอะไรไม่ได้เลยเป็นเวลาถึงเจ็ดวันผมเชื่อว่ามันพอเพียงทีเดียวเครื่องกระป๋องจะนำออกมาใช้ก็ต่อเมื่อเข้าตาจนที่สุดเท่านั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราก็ต้องพึ่งเนื้อสัตว์เผือกมันสุดแต่ว่าจะหาได้ไปตามทางอย่างที่กำหนดไว คงไม่เหลือบาการางนักไม่ใช่เหรอหัวหน้าคณะว่าข้อ น, นั้นไม่ต้องห่วงนะครับคนของเราที่มาด้วยกันนี่ทุกคนลลวนชำนาญในการหาอาหารจากป่าทั้งนั้นเพียงแต่ว่าต้องเดินไปแล้วก็หาอาหารไปด้วยมันก็อาจจะทำให้การเดินทางของเราเสียเวลาไปบ้างล่ะจอมพลชําเลืองไปทางหม่อมราชวงศ์หญิงดารินนิดนึงเหมือนจะเป็นอาการเตือนให้ทราบว่าณนะบัดนี้ถึงเวลาแล้ว ที่หลอนจะสันเลือกหรือจู้จี้ในการกินไม่ได้เขาสังเกตเห็นสีหน้าของหลอนเกื่อนลงเล็กน้อยแล้วก็เป็นปกติตามเดิมมองตอบเขาด้วยสายตาตรงนี่ไม่ต้องหันมามองฉันอกนพรานหล่อนพูดเบาๆก็บอกแลวยังไงว่าพวกเราทุกคนกินได้ยังไงฉันก็กินได้อยางงั้นต่อไปนี้จะไม่ขัดคอแล้วล่ะสมมติว่าคุณจะหาจิ้งเหลนกิ้งกาหรือตะโกดมาเป็นอาหารน่ะ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับและในกรณีที่พวกเราสามารถกินอาหารเพื่อประทังชีวิตได้โดยไม่เลือกก็เป็นอันพ้นข้อกังวลไปเมื่อมีปาที่ไหนก็มีเนื้อและพืชผักพอที่จะใช้เป็นอาหารยังชีพได้ที่นั่นะถ้าเรารู้จักหาคนของผม4ี่คนสมทบด้วยขยินสัางปลาแล้วก็แงซทรายรับรองได้ว่าโอกาสที่พวกเราจะอดจนะมีน้อยมาก พ, พวกนี้ชํานาญเป็นพิเศษในเรื่องแสวงหาอาหารรู้ดีว่าจัดหรือพืชชนิดไหนกินได้ชนิดไหนมีอันตรายแม้ในถิ่นที่กันดารที่สุดยังมีอาหารกระป๋องสำรองพิเศษที่ใช้ในยามคับขันขิดสุดได้ถึงอาทิตย์เต็มๆอย่างนี้มันก็สบายใจได้แล้ครับแล้วเขาก็หัวเราะเบาๆกล่าวต่อมาว่าก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตคุณหญิงในสิ่งที่เคยห้ามไว้เมื่อสมัยก่อนนี้ มันจบเป็นใช่แล้วละครับแล้วก็ต้องถือเป็นอาหารหลักทำมัวแต่ห้ามอยู่อีกพวกเราอดครับอะไรเหรอแล้วทำไมถึงต้องมาขออนุญาตฉันด้วยละ่ะที่ขอก็เพราะคุณหญิงเคยห้ามไว้ตลอดเวลานะสิครับว่าต่อไปนี้เราจะใช้ข้างเป็นอาหารหลักของเรายกเว้นมีเนื้อที่ดีกว่านั้นเข้ามาแทนหวังว่าคุณหญิงคงไม่ขัดข้อนะครับดารินหัวเราะจืด ยักไหล่อา้าตามใจเถอะบอกก็แล้วบอกแล้วไงว่าจะไม่ขัดคออีกแล้วนี่เชิญตามสบายมาเดี๋ยวจะหาว่าฉันเป็นอุปสรรคเป็นตัวถ่วงในการเดินทางครั้งนี้มาเรียทำหน้าตื่นไม่ทราบวัคณะพักพวกพูดถึงเรื่องอะไรหันไปกระซิบถามชัยยันพอรู้เรื่องก็หันไปมองดารินอย่างแปลกใจทาไมน้อยกินยากเหรอใช่ นักปานุษยวิทยารับตรงๆแต่ต่อไปนี้จะพยายามกินให้ง่ายครับอย่างน้อยฉันก็มีเธอเป็นเพื่อนแล้วเรามาตกลงกันว่าอะถ้าเธอกินฉันก็กินนะฉันนะกินได้ไม่เลือกรอกน้อยชีวิตในป่านะทําให้เลือกกินไม่ได้เราต้องต่อสู้กับความอดตายฉันก็กําลังหัดอยู่เดี๋ยวนี้ไงล่ะเมฆพรนใหญ่สั่งเตรียมออกเดินทางในช่วงหลังของวันและเพื่อความไม่ประมาท กระติกทุกใบบรรจุน้ำเต็มเปลี่ยงเพิ่มเติมด้วยกระบอกไม้ไผ่ขนาดเคืองซึ่งให้สะพายหลังพวกพรานพื้นเมืองทุกคนเขาบอกให้พวกนั้นทราบว่าระยะทางตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้ทุกคนช่วยกันแสวงหาอาหารไปตามทางเรามีระยะเวลาเดินเพียงไม่เกินสามชั่วโมงก่อนค่ำนะเขาบอกกับหัวหน้าคณะเมื่อการเดินทางเริ่มต้นต่อไปไม่ต้องรีบร้อนหรอก เราไปกันอย่างร้อนแรมค่ำไหนก็นอนนั่นเหนื่อยนักก็พักนอนระยะทางมันยาวไกลนะักการออมการสงวนพลังงานถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของพวกเราขนทางเดินในช่วงหลังนี้สะดวกสบายขึ้นเพราะเป็นพื้นราบในระหว่างไหลเขาใหญ่แสงอันแรงกล้าของตะวันที่เผชิญกันหนักมากกว่าครึ่งค่นวันบัดนี้เริ่มผ่อนลงบ้างเพราะยอดไม้ที่ขึ้นเบียดเสียดปกคลุม ทั้งหมดเดินเข้าขบวนไปตามสบายบนด่านช้างอันกว้างใหญ่สั่งปลาบุญคำและเกิดเก็บพวกดอกไม้บางชนิดที่กินได้ไปตลอดทางห่อใส่ผ้าเขาม้าที่เขียนเอวและไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นขยินกระจันผู้ใช้ปืนลูกซองประจำมือก็สอยข้างดำริมทางหล่นลงมาคนละตัวจัดการผ่าปลายหางตวัดมาคลองไหลทาเป็นสายหิว้วติดมือมาด้วย ทั้งสองคนนั้นยิงในขณะที่คณะนายจ้างทั้งหมดไม่ทันจะรู้สึกหรือเห็นด้วยซ้ำว่ามีข้างซ่อนอยู่บนยอดไม้สูงริมทางป่าแม่จะดูเขียวขึ้นบ้างเพราะเป็นบริเวณดงดิบแต่ก็คงอ้าวระอุและพื้นดินแห้งอยู่ตามเดิมไม่มีร่องรอยของฝนเลยระพินผู้เดินนำไปเบื้องหน้าสำรวจดูร่องรอยของสัตว์อยู่ตลอดเวลาแต่ทุกคนก็ไม่เห็นเขาเอ่ยเช่นไร นอกจากสันศีษะกระตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าไม่มีวี่แววของสัตว์สีเท้าใดๆพอจะมาเป็นอาหารได้เลยในที่สุดมันก็ท่อต่ำลงไปสู่หุบอันเป็นตำแหน่งบรรจบของเชิงเขาสองลูกต้นไม้แต่ละต้นแลเห็นละทำให้ใจฟอเพราะมันล้วนขนาดเบาะบอกก็เจ็ดแปดคนโอบขึ้นไปทั้งนั้นอากาศเริ่มมืดสลัวลงเพราะตะวันบางเหลี่ยมเขา และความทึบของป่าพอขึ้นหมอลูกหนึ่งก็ถึงโป่งซึ่งมีรอยช้างขโขลงลงกินไว้หลายวันมาแล้วรพินหยุดชะงักยืนหมุนตัวสังเกตภูมิประเทศไปรอบๆ อ, อยู่ครู่ก็ให้สัญญาณหยุดพวกลูกหาปลงสัมภระ ล, ะลงเตรียมจับที่พักแรมคืนนี่เพิ่งจะสี่โมงเท่านั้นนี่จะหยุดกันแล้วเหรอชัยยันถามป่าข้างหน้าจะทึบกว่านี้มากครับ แล้วอีกครึ่งชั่วโมงก็จะมืดแล้วเราหยุดกันตรงนี้ดีกว่าครับพรุ่งนี้ค่อยตัดดงสำคัญที่สุดคือเราต้องหุงหากันก่อนมืดสนิทไม่งั้นลำบากครับและนี่ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกของการหยุดพักนอนซึ่งปราศจากแหล่งน้ำใกล้เคียงอันเป็นสัญญาณเตือนให้ทราบว่าการเดินทางเริ่มเข้าสู่ความทุร ก, กันดารผิดไปกว่าทุกครั้งที่เคยผ่านมาแล้ว พรานพื้นเมืองทั้งเจ็ดจัดแบ่งหน้าที่กันอย่างแคล่วคล่องหรือไม่จำเป็นจะต้องสั่งว่าใครควรทำอะไรบ้างรบพินเองตลอดจนคณะนายจ้างก็ช่วยกันอย่างตัวเป็นเกลียวคนละไม้คนละมือข้าวสารถูกใส่ลงในกระบอกไม้ไผ่และทำให้สุกโดยการหลามอันเป็นวิธีของชาวป่าโดยแท้ผิดไปกว่าการหุงด้วยหม้อสนามซึ่งเปลืองเวลามากกว่าเพราะทุกคนว่างมือหลงนั่งพักล้อมกองไฟ สัางปลากับขยินก็ฉวยได้ปืนประจำมือคนละกระบอกชวนกันเดินหายเข้าป่าเพื่อหาสเสบียงเนื้อสดมาเพิ่มเติมไม่มีใครจำเป็นจะต้องห่วงเจ้าลูกไพรสองคนนั่นเพียงแต่เชษดากาชับไม่ให้ไปนานนักข้าวหลามที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่โดยวางพิงว่ากระกองไฟยังไม่ทันจะสุดดีแสงโพล่เพลปกคลุมไปทั่วทั้งป่าใหญ่ทุกคนต้องชะงักการสนทนาอย่างกระทันหัน เพราะแผดเสียงสนั่นของปืนดังสถานกล้องป่าไม่ห่างออกไปนะัก <c oughs> เอ้นั่นเสียงไรเฟิลคงจะเป็นสางปลาซัดอะไรเขาแล้ ว, วสิมาเรียร้องออกมาเบาๆทุกคนมีอาการปกติไม่ได้ตื่นเต้นในใจอะไรนะักอะไรก็ช่างเถอะหวังว่าคงไม่เอาจุดสามห้าเจ็ดล่อข้างหรือกระจงก็นะอึดใจต่อมานั่นเอง ทั้งหมดก็ต้องสะดุ้งขึ้นด้วยความเอกใจบางประการและติดตามมาด้วยความตื่นเต้นตกใจถึงกระลุกถลันยืนพรวดขึ้นพร้อมกันมีเสียงพุ่งพงและกิ่งไม้หักตะลุยเป็นทางเข้ามาใกล้ๆพร้อมกับเสียงร้องเออะอะโวยวายไม่เป็นภาษาของเจ้าขยินกระสางปลาพริบตาเดี่ยวร่างของคนทั้งสองก็โผล่พรวดรับจอมปลวกใหญ่วิ่งแข่งกันเข้ามายังคณะที่ตั้งปางพักอยู่อย่างไม่คิดชีวิต หน้าเขียวตาเลือกลานเสียงที่ละล่ำละลักตะโกนเรียกพรานใหญ่ระพินฟังแทบไม่เป็นภาษาและจับความไม่ถนัดลักษณะที่มองเห็นชัดอยู่นี้เห็นปลาดเดียวทุกคนที่รออยู่ยังแคมก็บอกได้ในทันทีว่าเป็นอาการของคนที่ตื่นตกใจกลัวสุดขีดวิ่งหนีกันมาอย่างสุดชีวิตสุดแรงเท่าที่มีอยู่สีหน้าแทบไม่เป็นผู้เป็นคน ระพินไพรวันกับเชิรถาวราริตก็พุ่งสวนออกไปในพริบตานั้นคว้าตัวของทั้งสองที่แล่นทลาหัวสุนเข้ามาไว้ได้คนละคนเกิดอะไรขึ้นพรานใหญ่และหัวหน้าคณะร้องถามลั่นขึ้นพร้อมกันส่างปานั้นพูดไม่ออกอาการเหมือนจะช็อกเสียสติได้แต่ชี้โบชี้เบไปเบื้องหลังอาปาขอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยขยินเองก็ดูจะควบคุมสติได้ดีกว่าแต่ก็รายงานลิ้นพันกันจนแทบฟังไม่ได้ซับ แล้วถ้อยคำที่สำลักออกมานั้นก็ทำให้ทุกคนยืนตัวเย็นหัวใจหล่นลงไปอยู่ที่เท้าราวกันนัดกันไว้งูนายงูยักษ์มันใหญ่เท่ากับไอ้สองตัวที่เข้าไปอารวาดในลมช้างเลยทั้แหละพริบตานั่นเองเหมือนกับว่าป่ารอบด้านจะเลเหลืองไปหมดทุกคนมีการเคลื่อนไหวกันอย่างชุนลมุนแต่ก็เป็นในความหมายของการพรัพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ ไม่ว่าใครจะทําอะไรอยู่ที่ไหนวางมือหมดเพนก็หาไรฟ่นประจําตัววิ่งหือกันเข้ามารวมกลุ่มดาริ่งทิ้งจุด300เวเบีแมกนัมช่วยจุดสี่อันเป็นปืนประจําของแองสายขึ้นมาอย่างลืมตัวเจ้าคนใช้ชาวดงนะบัดนี้ก็ไม่ได้สนใจกับอะไรอีกทั้งสิน้นวิ่งเข้าไปที่กองสัมภาระกระชากคันธนูออกมาขึ้นสายพร้อมกับลูกธนูที่ติดระเบิดไนโตรเตรียมไว้ก่อนแล้วในย่าม ยกเว้นมารีอาคนเดียวที่ยืนงงไม่มีปฏิกิริยาอะไรนักเพราะหล่อนไม่เคยทราบถึงขนาดความใหญ่โตหรือฤทธิดเดชของเจ้าอาสูรยุคโลกล้านปีมาก่อนมีแต่ความตกใจระคนประหลาดใจในท่าทีของพักพวกทุกคนเท่านั้นระพินยังคงยืนนิ่งยึดแขนขยินไว้มัน่นเช่นนั้นจ้องดูสีหน้าของอดีตนักเลงโตลมช้างซึ่งเคยหวุดหวิดจะพลัดหลุดเข้าไปในปากงูยักษ์มาแลมในอดีต บัตรนี้เห็นแต่ตาขาวกรอกกลิ้งประลับประเหลือกด้วยความขวัญหนีดีฟอตัวสันเทาเป็นลูกนกตาเจ้าฝาดไปหรือเปล่าขยินเขาเขย่าแขนถามเร็วปรือขยินตาไม่ฝาดถามไม่สัางปลาดูสินายนายบ้านหลมช้างละล่ำละลักเจ้าเห็นมนที่ไหนเชิดถาร้องถามมาแทบจะไม่หายใจโน่นนายก้นหูโ น, น่นไม่ห่างออกไปนัก ขยินกระสางปลานะ่ะตามรอยกวางเข้าไปป่าทึบมากละ่ะสองคนนะครานรอดซุ้มเถาวันในตามรอยกวางที่ล่วงหน้าไปก่อนสักอึดใจพอพ้นเชิงก็พบปากถ้มใหญ่มันนอนขวางอยู่ปากถ้าไม่เห็นหัวเห็นแต่ตรงกลางตอนที่โผล่ไปนะ่ะพบห่างกันไม่กี่วาเท่านั้นขยินเห็นก่อนกาลังจะถอยออกมาเงียบๆไอ้สางปาก็รอเป้งเขาให้ห้ามมันไม่ทัน เพราะปืนลั่นก็เล่นกันตาราบนี่แหละขยินรายงานเร็วปรือกระสับกระสายเต็มทีใจมันถ้าไม่ติดระพินอยู่ในขณะ น, นี้คงจะห่อแนบไม่รู้ทิศทางไปแล้วก็หืดกระหอบลุกลนต่อมาหนีเถอะนายอยู่ไม่ได้แล้วขืนช้าน่ะตายหมดแน่ใกล้แค่นี้เองประเดี๋ยวมันว่าตัวปากก็ถล่มไปทั้งแถบไอชิบหายสางตาน่ะสิไปยิงมันก็ไมก็ไม่รู้ จอมพราน ย, ยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ทุกคนสงบนิ่งอยู่กะที่เงี่ยโสดสดับฟังเสียงแล้วเขาก็ขมวดคิ้วอย่างฉ ง, งนฉงไยคลางแคลงป่าทั้งป่าเงียบส ง, งัดไม่มีวิแววปกติผิดปกติใดๆทั้งสิน้นนอกจากแววเสียงชนีโหยมาแต่ไกลเป็นระยะระยะถ้ามันไหวตัวเราควรจะได้ยินเสียงนะแต่นี่มันเงียบเหลือเกินนี่ หัวหน้ า, นาคณะกระสิบแม้สติของเขาจะดีเพียงใดก็ตามแต่ก็ยังไม่ไวายมือสั่นคนอื่นๆก็หน้าซีดขาวกันหมดทุกคนนั่นนะสิครับผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันส้างป่ายิงก็ใส่มันถึงจะทำอันตรายอะไรมันไม่ได้เลยมันก็ควรจะต้องรู้สึกตัวและมีการเคลื่อนไหวได้แต่นี่มันเงียบเหลือเกินเราได้ยินแต่เสียงปืน แล้วก็เสียงวิ่งปลาแต่ของไอ้สองคนนี้เท่านั้นหวังว่าคงไม่ใช่เพราะกระสุนไรเฟิลจุดสามเจ็ดห้าของสางปลาเพียงนัดเดียวทําให้มันตายคาที่ไปโดยไม่กระดิกกระเดียนะเสียงแหบแหบของชัยยันดังมาเบาที่สุดเป็นไปได้ไหมที่ทั้งสองคนนี้เจอภาพลวงตาคข้าแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะเห็นอย่างเดียวกันถึงสองคน ดารินพูดเสียงสัน่นรู้สึกมืออ่อนตีนอ่อนไปหมดแน่ละ่ะเหตุการณ์สมัยที่เผชิญเจ้าอาศูนย์ดึกดําบันหน้าหวาดเสียวยังติดตามเตือนใจหล่อนอยู่ในขณะนี้โดยไม่มีวันลืมซะได้ท่านใหญ่หันไปสอบถามส่างปาซึ่งเพิ่งจะรวบรวมสติได้อีกครั้งก็ได้รับการยืนยันเช่นเดียวกับคาบอกเล่าของขยินสางปายิงมันโดยไม่รู้ตัวเลยนายมือมันเหนียวไกลออกไปเองอะ ตัวอะไรก็ไม่รู้สินายอุ้ยเกร็ดตะลระเกรด็ดใหญ่เท่ากับกระด้งฝัดข้าวยังกระต้นรังยักษ์นอนขวางอยู่ปากถ้ำย่าง้งล่ะนายจะต้องสู่บอกอย่างยากเย็นนั่นย่อมแปลว่าขยินตาไม่ฝาดแน่ยอมพรานหมุนไปรอบตัวอย่างรวดเร็วและตัดสินใจในทันทีนั้นเมื่อเหลือไปเห็นซอกขิงใหญ่ใต้ต้นเสดาดงซึ่งพอจะอาศัยเป็นที่กบาบังได้ สั่งการเร็วหรือชนิดแข่งกับเวลาทุกคนเข้าไปหลบอยู่ที่ซอกขินนั่นก่อนเร็วที่สุดแงาสายเตรียมธนูติดระเบิดให้พร้อมนะแล้วก็เฝ้าอยู่ที่นี่ด้วยถ้าเห็นโผลออกมาเมื่อไหร่ระดมยิงพร้อมกันหมดผมขยินสัางปาแล้วก็บุญคำสี่คนจะลองย่องไปดูมันไม่ต้องเป็นห่วงนะคอยรับหน้าทางนี้ก็แล้วกันถ้าหากมันมุ่งตรงเข้ามาผมไป้วยคน หัวหน้าคณะกล่าวมาโดยเร็วอย่างมั่นคงห้าวหารอันเป็นลักษณะผู้นำของเขาในวินาทีที่แข่งกับความเป็นความตายเช่นนี้ทุกคนเคยร่วมกันมาจนรู้หน้าที่ของกันและกันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องกล่าวอะไรกันมากให้เสียเวลาต่างปฏิบัติตามคำสั่งในทันทีทั้งเจ็ดคนที่ถูกกำหนดให้แฝงตัวคอยตั้งรับก็ปราดเข้ายึดที่มั่นโดยเร็ว เชิดทาทรงจุด4 5 8 Winchester Magnum ไปให้น้องสาวถือไวและเอาจุด4 6 0 Weatherby มาแทนในขณะเดียวกันกับที่ชัยันก็โยนจุด6 0 0 Nitro Express ของเขาให้พลานใหญ่แล้วทั้งห้าคนก็ยองยังเงียบกริบตัดป่ารกไปทางก้นหุบโดยมิขคยินและสัางปลานำหน้าถ้าเกิด อ, อะไรขึ้น พยายามแยกกันยึดที่กำบังไมใ้ใหญ่ๆเอาไว้นะครับรบพินกระซิบนัดแนะเตือนทุกคนที่มาด้วยกันให้รู้ทางหนีทีไล่ล่วงหน้าทางนั้นลาดลงไปสู่ที่ต่ำระหว่างเชิงเนินสองฟากลักษณะเกือบจะคล้ายๆ ล, ล, ลำห้วยแห้งแต่กว้างใหญ่มันค่อยๆบีปลายสอบลงไปทีละน้อยจนกระทั่งในที่สุดก็โผล่ออกดงเถาวัน และพุ่มไม้ที่ขึ้นคือเป็นพงอากาศอับชื้นเต็มไปด้วยกลิ่นใบไม้แห้งหมักหมมเท้าที่เหยียบยำ่ำนำตัวเคลื่อนที่ไปต้องจมลึกลงไปยังพื้นใบไม้นั้นจนถึงหน้าแข้งและพบกับความแฉะชื้นเบื้องล่างขายินนำไปอย่างจดจดจ่องจองสอสายสายตาอยู่ตลอดเวลารพินต้องใช้ฝ่ามือตบหลังกระตุ้นเตือนไปตลอดทาง ครูใหญ่ก็ไตจอมปลวกแล้วคลานมุดลอดกันไปตามซุ้มเถาอันปกคลุมเตี้ยเตี้ยอยู่เหนือสีสะมองไม่ผิดไม่เห็นอะไรเบื้องบนราวกะหลังคาเชิฐาติดหลังเข้ามากระชันชิดปิดท้ายขบวนด้วยบุญคำต่อมาก็ทะลุออกมาบรรจบกระทางด่านขนาดย่อมเห็นรอยกวางใหม่ๆเดินไปตามทางด่านนั้นมุ่งลงไปสู่ก้นหุบอันน่าจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นแหล่งน้าซับ สางปากระคยินบุยบ้ายให้ดูและทำมือเป็นสัญญาณบอกความหมายให้ทราบว่ามันทั้งสองเมื่อเห็นรอยกวางตัวนั้นแล้วก็ออกก้าวสกัดโดยการมุดเข้าพงไม้ตาไปดักหน้าไม่ได้เดินตามหลังไปยังหนทางด่านนั้นระพินพยักหน้าเตือนให้ออกนำไปยังทางที่ตามกวางไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองจึงออกดันด้นคลานนาต่อเหียวหน้าเหลียวหลังและคอยเงี่ยหูสดับอยู่ตลอดเวลา คืบไปอย่างช้าๆคลึ่งขลาดคลึ่งกล้าในที่สุดก็มาหมอบนิ่งอยู่ยังปากทางระหว่างก้อนหินใหญ่สองลูกที่จับเขียวไปด้วยตะไคร่น้ำขนทางเบื้องหน้าก็โปรงโล่งเป็นเวิร์งเข้าไปสู่หน้าผาตอนหนึ่งขยินผู้ซึ่งนอนราบพังาพเติดพื้นดินเอื้อมือมาเขี่ยระพินผู้ตามมาเบื้องหลังโดยแรงหากนั่นไม่จาเป็นเลยถึงเจ้าขยินไม่เขียบอก เขาก็มองลอดใบเถาวันออกไปเห็นภาพเบื้องหน้าแล้วอย่างถนัดชัดตาที่สุดแล้วมันก็เป็นการเห็นพร้อมๆกันหมดทุกคนซึ่งรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นลงในบัดนั้นบริเวณนั้นเป็นตำแหน่งค่อนข้างโลง่งมีแต่พุ่มไม้เล็กและก้อนหินที่ขึ้นอยู่ประปรายภายใต้เงาของป่าใหญ่เบื้องบนที่ปกคลุมหนาทึบขึ้นไปแสงแดดยามเย็นสีหมากสุ สองทะลุใบไม้ด้านบนบางส่วนลงมาอาบบริเวณรางๆสิ่งอันใหญ่โตมโหฬารชนิดหนึ่งที่มองผาดผาดคล้ายแนวโขดหินวางทอดขวางอยู่หน้าเวิงถ้ำใหญ่เกือบจะปิดโพรงถ้ำนั้นไว้มิดเหลือแต่เพียงช่องโวตอนบนให้สังเกตเห็นได้ว่าเป็นถ้ำเท่านั้นจากด้านล่างที่แตะติดอยู่กับพื้นขึ้นไปจนถึงด้านบน ขนาดเท่ากระตู้รถไฟตู้สินค้าของรถไฟเราดีๆนี่เองช่วงที่มองเห็นโดยตำแหน่งซึ่งหลบซ่อนซุ่มกันอยู่นี้มีระยะยาวเพียงยี่สิบวาส่วนที่นอกเหนือไปกว่านั้นซึ่งยังคำนวณไม่ได้ว่ามันจะทอดยาวไปอีกสักเท่าไหร่และอยู่ที่ไหนบ้างถูกซ่อนบดบังอยู่ในพงทึบสองฝ้าปากทํำระยะที่เห็นห่างออกไปเบื้องหน้าเพียงไม่เกิน30สิบเมตรนั้น เรียกว่าเป็นการโผล่มาพบเห็นอย่างกระชั้นชิดที่สุดเมื่อคำนวณกับความมะคืมมาของมันขยินกระสางปาไม่ได้ฝันร้ายหรือตาฝาดไปเลยเจ้าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้โดยเด็ดขาดนอกจากอสูรดึกดำบรรนงูมหายักษ์ขนาดเดียวกันกับที่คณะทั้งหมดได้เผชิญกันมาแล้วที่หล่มช้างอุดใจเต็มๆที่ทุกคนถูกสะกดอยู่นั้นภาพของรถไฟทั้งขบวน คงทอดสนิทนิ่งอยู่เป็นดุษฎีราวกับว่าจะหลับในระยะยาวนานแบบจำศีลใครคนหนึ่งบีบมาที่หัวไหลของเขาหนักนวงจากเบื้องหลังและใครคนนั้นก็คือเชษฐาผู้ลืมตาโพลงจ้องไปยังภาพเบื้องหน้าตาแทบถลนมันละไอยะ้ยักเจอเขาอีกแล้วหัวหน้าคณะครางออกมาอย่างเบาที่สุดเสียงแทบไม่ผ่านริมฝีปาก งือแตกพลักระบบประสาททุกส่วนเหมือนกับว่าถูกยึดให้ง่อยไปหมดขยินนั้นถึงกระก้มหน้าลงแนบดินไม่มองไปยังภาพนั้นด้วยความหวาดกลัวเสียขวัญสางปากระบุนคําก็สั่นเทิมเหมือนปลุกพระระพินหลับตาลงสะบัดหน้าเหมือนไม่อยากเชื่อสายตาแล้วลืมขึ้นจ้องอีกครั้งด้วยอาการพิจารณาอันที่ท่วนรอบคอบสติและกําลังใจของเขายังมั่นคงอยู่เหมือนเดิม แล้วก็เริ่มจะสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างพร้อมกับอาการสังหรบางชนิดที่ผ่านมากระทบประสาทถ้าทางมันไม่รู้สึกตัวอะไรเลยคล้ายๆจะจำสิ่นแต่คุณพระช่วยเถอะนี่ถ้ามันตวัดตัวเพียงครั้งเดียวลำตัวของมันคงจะกวาดบทเราแหลกสังเกตดูที่พื้นใกล้ๆกับลำตัวของมันสิครับคุณชายเห็นอะไรบ้าง เขากระซิบบอกเชษฐถารู้สึกคล้ายๆจะเป็นเกร็ดแห้งๆของมันนะร่วงอยู่หลายชิ้นทีเดียวครับใช่เกร็ดร่วงของมันสิ่งที่น่าสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือสัางตาซัดมันด้วยไรเฟิลจุดสเจห้าถึงจะทำอะไรมันไม่ได้เลยมันก็ต้องสะดุง้งรับรู้ต่อลูกปืนที่ผ่านผิวหนังเข้าไปบ้างรวมทั้งเสียงระเบิดของปืนก็ควรปลุกมัน แล้วทำไมมันนอนกองนิ่งอยู่อย่างงี้ล่ะหวัวหน้าคณะกัดดีมฝีปากขมวดคิ้วในคำพูดของเขาพยายามจ้องสำรวจอยู่เช่นนั้นและก่อนที่จะเอ่ยอะไรต่อไปนั่นเองพรานใหญ่ก็บอกมาว่าคุณชายกับทุกคนอยู่ที่นี่นะครับผมจะเข้าไปดูมันใกล้ๆเองไม่ทันที่เชิดถาจะถักทวงจอมพรานคืบคลานอย่างเบากริบออกจากที่เลาะกำบงัง ไปตามโขดหินงอกอยู่เป็นระยะนั้นแฝงตัวเข้าไปยังภาพงูยักษ์ส่วนหนึ่งที่มองเห็นกันอยู่ ใ, ใจเดียวทุกคนก็จ้องมองเขาด้วยหัวใจอันเต้นโครมครามไม่เป็นจังหวะและตัดสินยังไงไม่ถูกก็เห็นระพินโผล่ออกไปยืนประชิดติดอยู่กับลำตัวของมันแล้วหันมาสีหน้าอันเคร่งเครียดของเขาเปลี่ยนมาเป็นยิม้ยมแย้มในที่สุดก็หัวเราะออกมาดังลัตโบกมือเรียกมา เข้ามาเถอะครับเข้ามาดูสิ่งมหัศจรรย์อะไรนี่เชิฐาเอกใจขึ้นมาในบัตรนั้นแม้จะยังไม่กระจ่างชัดอะไรนักก็ตามเขาผุดลุกขึ้นถือปืนเตรียมพร้อมเคลื่อนรงเข้าไปในขณะที่บุญคำขยินและส่างปายังจดจดจ้องจ้องและชั่วกลั่นใจต่อมานั่นเองทั้งหมดก็มาหยุดยืนอ้าปากตะลึงอยู่ข้างๆระพินผู้คอยอยู่ก่อนแล้ว คราบของมันคราบของไอ้งูยักษ์ตัวนั้นน่ะเองหัวหน้าคณะอุทานลั่นออกมายัางตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวครับคราบของไอ้งูตัวใดตัวหนึ่งในระหว่างสองตัวที่เคยปะทะกับเราที่หล่มช้างมาแล้วนั่นแหละแต่อิทธิพลของมันก็ทําให้พวกเราทุกคนขี่ขึ้นไปอยู่บนก้ำหมองจอมพลานกล่าวพลางหัวเราะพลางขณะที่ใช้ส้นปืนกระทุง้งเข้าไปยังลำตัวนั้น แต่ถึงแม้จะเป็นเพียงคราบมันก็ประกอบไปด้วยเกร็ดหนาเรากระยางรถยนต์และดีดพานท้ายปืนของเขาให้กระเด้งออกมาด้วยความเหนียวแน่นของมันเมื่อเข้ามาใกล้ๆเช่นนี้ทุกคนจึงเพิ่งสังเกตเห็นบางส่วนเป็นรอยยุบและผุโวขาดวินมองเข้าไปพวงกลวงเป็นมองเข้าไปพรงกลว ง, ง, า ร, ว ง, ลวงราวกับรอยทะลุของอุโมขยินสางปาและบุญคา ฐานลั่นออกมาเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ส่วนเชิดถาเป่าลมออกจากปากหลับตาลง พ, พึมพำขอบคุณสวรรค์อยจาประคุณเน้อโล่งอกไปทีแล้วเขาก็สุดตัวลงไปนั่งบนก้อนหินอย่างหมดแรงหันไปบอกขยินให้กลับไปตามพักพวกทั้งหมดมาไม่นานนักอีกเจ็ดคนที่เตรียมรับมืออยู่ยังที่พักก็ปรูกันกรูกันเข้ามาถึงโดยเร็ว พอมองเห็นภาพต่างพื้นซ็อยู่ในลำคอด้วยความตื่นเต้นประหลาดใจสุดขีดสำหรับมาเรียนถึงกับขยี้ตาและมีอาการเหมือนจะเป็นลมเมื่อรู้วันนั่นเป็นคราบงูยกมือขึ้นแตะหน้าผากสวงอกไหลซ้ายและขวานมัสการพระเจ้าพูดอะไรไม่ออกได้แต่คลอกหน้าหลอนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองคุณโชคดีมากนะเมที่เพียงแต่มาเห็นคราบของมันท่านั้นน่ะ ถ้าเผอิญพบตัวจริงของมันอย่างที่พวกเราเจอกันมาแล้วอ่ะคุณอาจจะช็อกไปทีเดียวชช ย, ยันบอกกามารียด้วยเสียงที่ยังไม่ไวายสะทานสัน่นเงนขึ้นมองดูคราบลำตัวของเจ้างูยักษ์ที่ดูราวกับกาแพงเมืองจีนเมื่อทุกคนเข้ามายืนเทียบไอ้ยักษ์นี่มันตะบะไรากาศหรือเกินนะถึงตัวมันจะตายไปแล้วก็ยังอุตสาห์ล่ อ, อคราบเอาไวใ้ใหเราอนลมานขวัญหนีดีฟอกันไปหมด ด่ารินครางออกมาอย่างอ่อนใจแล้วความหวาดหวั่นขวัญหายแต่เดิมของทุกคนก็เปลี่ยนมาเป็นความขบขันพากันหัวเราะงอหายเหมือ น, นึกถึงภาพของขยินกระสางปาที่วิ่งตาเหลือกกลับเข้าไปรายงานให้ทราบเจ้ากระเหลียงลมช้างกับเจ้าพรานต่องสู่สบทพุมมองดูหน้ากันเองแล้วก็ยิ้มแย่ๆก็น่าเห็นใจเจ้าสองคนนี้เหมือนกันละ่ะมองดูครั้งแรกนะ่ะไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าเป็นคราบที่มันลอกทิ้งไว้ ใครก็ตามทีเถอะมองเห็นเขาก็ต้องคิดว่าเป็นตัวจริงของมันทั้งนั้นแหละถ้าไม่เข้ามาพิจารณากันใกล้ๆแบบนี้เชษดาว่าจุปากโครงสีสั์อยู่เช่นนั้นดารินเล่าให้เพื่อนสาวต่างผิวทราบถึงเรื่องราวที่คณะทั้งหมดได้เผชิญกับเจ้างูยักษ์มาแล้วยังไงบ้างแม่มสาวฟังด้วยความมหัศจรรย์ตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวครางอูบอกว่า่อนไม่ยอมเชื่อในเรื่องราวเหล่านั้นเลย ถ้าไม่ใช่เพราะมาเห็นคราบของมันอย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้และนี่มารู้กันได้ยังไงแล้วว่ามันเป็นคราบชยยายันหันมาถามคณะทั้งห้าคนที่พากันย่องเข้ามาเป็นทัพหน้าเชิดถาบุยปากไปทางระพินก็ยอดชายนายพรานของเราน่ะสิสติดีเหลือเกินสำหรับฉันขนาดที่เคยยินชี้บอกพอเห็นข้าวกับมือมือตีนเย็นหมดแล้ว รพินที่เป็นคนย่องเข้ามาดูจนชิด ต, ตัวถึงรั่วเป็นคราบของมันเท่านั้นผมสงสัยแต่แรกแล้วไงครับว่าทำไมมันถึงไม่กระดุกกระดิกเคลื่อนไหวเลยกองนิ่งอยู่เฉยๆทั้งๆ ท, ท, ท, ท, ที่สางปาวปืนยิงมันถ้าเป็นตัวจริงของมันน่ะป่านนี้นะ่ะปลาะล่มไปแล้วไอ้สองคนนี่ก็ทาว่าเสียเส้นทีเดียวแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะความเดินดันของมัน ยึงทำให้เราพบคราบงูยักษ์ขะที่นี่นี่คงแปลว่าบริเวณถ้าแห่งนี้นะ่ะเป็นถิ่นที่อยู่ของมันลมะมั้งชายันเอ่ยขึ้นก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมก็เดาอะไรมันไม่ถูกเลยถ้าจะสังเกตดูตามภูมิประเทศแล้วก็ยังไม่อยากจะลงความเห็นว่าที่นี่จะเป็นถ้าของมันนะธรรมชาติของงูยักษ์แบบนี้มันจะเป็นยังไงก็สุดที่จะเดาได้ผมเข้ใจว่า บริเวณที่มันลอกคราบทิ้งไว้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นรังของมันก็ได้ก็เช่นเดียวกับ ง, งูธรรมดาทั่วๆไปคือพอถึงกําหนดจะลอกคราบเมื่อไหรมันก็ลอกทิ้งไว้ตามที่ที่มันผ่านไประพินตอบพร้อมกับใช้ไฟฉายส่องเข้าไปดูยังโพรงด้านในของคราบมันจากรอยโหวกแล้วชี้ให้ทุกคนดูร่องรอยของเม่นที่เข้ามาอาศัยอยู่ในโพรงนั้น สิ่งมหัศจรรย์อันดับแปดของโลกชุวละเสียงมาเรียครางออกมาเบาๆและนี่เราจะรู้ได้ยังไงนี่ว่าคราบนี้มันลอกทิ้งไว้นานสักแค่ไหนแล้วดารินถามเปรยๆขึ้นอันนี้ก็สันนิษฐานยากเหลือเกินนะครับกำหนดลอกคราบของมันแต่ละครั้งอาจมีระยะห่างกันตั้งร้อยปีเพราะความใหญ่โตมโหฬารของมันแต่คราบอันนี้ผมกะว่าคงจะไม่นานมานี้นะ เพราะทะเลอกทิ้งไว้เป็นสิบสิบปีขึ้นไปส่วนของคราบก็ควรจะยุบถลม่มลงแต่นี่มันยังทรงตัวเป็นลักษณะปลอกอยู่ได้มีรอยผุผพังวั่แหวงบ้างก็นิดหน่อยเท่านั้นเองเราเพียงแต่คาดกันว่าควรจะเป็นคราบของเจ้าสองตัวที่ตายไปแล้วน่นนะแล้วถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่ไอ้สองตัวนั่นละ่ะเฉดถาอย่่งความเห็นจอมพรานหัวเราะเสียงพิกลอยในลาคอ เราก็มีหวังเจอเจ้าของคราบมันเข้าอีกนะสิครับก็ภาวนาให้มันเป็นคราบของตัวใดตัวหนึ่งในสองตัวที่เราฆ่าตายแล้วนะ่ะดีกว่าครับทั้งหมดยืนพิจารณาคราบงูยักษ์วิภาควิจารกันอยู่อีกครู่พวกพรานพื้นเมืองชวนกันจะออกสำรวจเพื่อดูให้ชัดว่าคราบทั้งสองของมันทอดไปสิ้นสุดตรงไหนและทางใดเป็นส่วนหัวส่วนหางแต่เชษฐาสั่งระงับไว อย่าไปยุ่งกับมันเลยโยนมือเต็มทีแล้วกลับที่พักของเราดีกว่าอาหารข้ามมือนั้นดารินลิ้มกับเนื้อข้างย่างเป็นครั้งแรกด้วยความพยายามหล่อนกระสากับกลิ่นสาบของมันที่ผิดไปจากเนื้อแก้งหรือกวางบ้างเล็กน้อยแต่และด้วยกําลังใจและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะทำตัวให้กลมกลืนกับสภาพหล่อนก็สามารถจะกินมันได้เช่นเดียวกับคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่เห็นมาเรียปฏิบัติเป็นตัวอย่างอยู่ข้าวที่หลามจากกระบอกไม้ไผ่สดทรงกลิ่นหอมหวนความเหน็ดเหนื่อยหิวโหวยที่ใช้พลังงานหนักมาทั้งวันและท่ามกลางมิตรร่วมตายที่นั่งล้อมวงรอบกองไฟอยู่ในขณะนี้บางขณะหล่อนก็คิดว่ามันไม่มีอาหารชนิดใดจากพัตตาคารที่ไหนจะโอชะไปกว่านี้อีกแล้วเพราะมันเป็นไปตามธรรมชาติแท้จริงและดั่งเดิมของมนุษย์ในการกิน เพื่อดำรงชีวิตอยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อจะกินสิ่งที่ให้รสชาติเป็นพิเศษโดยที่หล่อนคาดคิดไปไม่ถึงก็คือแกงจืดเครื่องในข้างของบุญคำซึ่งแกต้มลงในกระบอกไม้ไผ่สดเช่นเดียวกับข้าวหลามโดยการตั้งไฟเผาจนผิวเบื้องนอกดำเกรียมพอผ่าซีกไม้ไผ่ออกมาเป็นลักษณะรางยาวกลิ่นของมันก็โชยตลบอบอวลจนทาให้ลืมสึกสนิดว่า สิ่งนั้นประกอบขึ้นด้วยอะไรมันเป็นความใหม่และแปลกที่หล่อนไม่เคยพบมาก่อนยามเมื่อออกเดินทางจากหลมช้างมาสภาพเช่นนี้แหละคือชีวิตของป่าอย่างแท้จริงทุกคนต้องช่วยตัวเองต้องพยายามสรรหาและดัดแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจากป่าที่แวดล้อมให้มาเป็นประโยชน์แก่ตนโดยไม่มีวัตถุสิ่งของจากอารยธรรมมาแปรปลอมเจือปน หล่อนเริ่มเรียนรู้และได้เห็นแล้วเป็นลำดับนับวันเวลาที่ผ่านไปและก็ทำความคุ้นเคยกับมันได้อย่างรวดเร็วจากกําลังใจปณิธานที่ตั้งไว้อย่างแน่วแน่มาก่อนสำหรับมาเรียนนั้นไม่มีปัญหาหล่อนเป็นส่วนประกอบของพงไพรได้อย่างกลมกลืนที่สุดเพราะความที่แก่พรรษากว่ายิ่งในเรื่องอาหารแล้วแม่มสาวไม่มีการเดือดร้อนอะไรเลย เพราะหล่อนถนับที่จะกินอาหารประเภทเนื้อมากกว่าแป้งอยู่แล้วพันยาไม้ของนักสำรวจเยอรมันผู้บัดนี้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของคณะเดินทางมหาภัยนั่งแทะเนื้อข้างย่างทั้งขาอยู่บนขอนไม้ริมกองไฟด้วยกิริยาอันซึมสงบในตาสีเขียวทอดมือเลื่อนลอยออกไปยังความมืดทึบดุดคลุมไว้ด้วยม่านดำสนิทของราวไพรใบหน้าอันคมเข้มงามอย่างผาดผานนั้น ยามนี้ดูเศร้าสลดหมุนหมองแน่ละ่ะหล่อนยังไม่อาจลืมความเศร้าโศกอะไรในมรณะกรรมของสามีสะได้และยามใดที่เปลือตัวก็มักจะปรากฏชัดออกมาดยแววตาอาการทุกคนรอบพิจารณาดูด้วยความเห็นใจสงสารต่างพูดคุยกันน้อยที่สุดเพราะความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียหนักพอกินอาหารเสร็จก็เตรียมนอนสาหรับการนอนคืนนี้ พรนใหญ่กำหนดให้ทุกคนในคณะทั้งสิบสองคนนอนกันเป็นสองแถวแถวละหกคนโดยทั้งสองแถวหันศีรษะเข้าชนกันหันปลายเท้าออกป่าแถวของนายจ้างนั้นเริ่มด้วยเงาซายขนาบอยู่ด้านนอกสุดทางด้านซ้ายซึ่งเป็นชายเนินดงทึบด้านใต้ถัดมาก็ช ย, ยันมารีอาดารินและเชตฐาตามลาดับปิดท้ายด้านขวา้วยตาพรานเท่ากระดูกเหล็กบุญคา ส่วนแถวพวกลูกหาบมีระพิงอยู่ทางด้านซึ่งมีศีรษะหันชนบุญคำต่อมาก็จันเสยเกิดส่างปาและขยินผู้เป็นคนขนาดปลายแถวอีกด้านหนึ่งกล้องไฟขนาดย่อมก่อไว้เพียงสามด้านไรเฟิลและไฟฉายประจำตัวแต่ละคนวางแนบอยู่ทางด้านขวาหันลำกล้องไปทางด้านปลายเทา้าชั ย, ยันยังไม่เข้าประจาที่ของเขา แต่นั่งอยู่ริมกองไฟงัดสมุดบันทึกหรืออีกนายหนึ่งปูมเดินทางขึ้นมาบันทึกข้อความซึ่งเป็นกิจวัตรที่ไม่เคยลืมเลยสักวันเดียวมาเรียก็เดินเข้ามาย่อนกายคุกเข่าอยูุตรงหน้าเขาในมือของหล่อนมีทิงเจอไอโอดีนและสลัมลีให้ฉันดูแผลที่ศีรษะคุณอีกครั้งเถอะหล่อนบอกเบาๆนายพันตรีหนุ่มยิ้มให้หล่อนขยับจะปฏิเสธแต่แล้วก็ก้มหัวให้โดยดี เมื่อตาเขียวงามนั้นมองมาอย่างขอร้องแม่สาวเอาไฟฉายส่องดูบาดแผลของเขาที่ดารินใช้กัรไกลตัดผมไว้เป็นวงกลมเพื่อสะดวกในการใส่ยาและถอนใจเบาๆบรรจงเอาทิงเจอแตะสำลีแต้มให้อย่างแผ่วเบาปากก็พึมพำตำหนิตนเองที่เป็นต้นเหตุทำให้เขาต้องเจ็บตัวในระยะที่หลอนทำแผลให้อย่างใกล้ชิดือใบหน้าของเขาก้มลงไปหานั้น แสงจากกองไฟและไฟฉายที่หลอนซองสีสะเขาอยู่สะท้อนไปที่รวงอกอันอวบรังงานและเขาก็เหลือบตาขึ้นอย่างบางเอิญแทบจะสะดุ้งเฮือกลืนน้ำลายลงคอฝึดฝึดหลอนสวมแจ็เก็ตหนังกันหนาวในเวลานอนกลางคืนก็จริงแต่ขณะนี้ไม่ได้รูดซิปไว้จึงทำให้แลเห็นเสื้อเดินป่าชุดกลางวันของหลอนที่สวมติดตัวตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันเป็นรอยขาดราวกระปากฉลามเพราะน้ำไผเกี่ยว ก่อนเนื้อเต่งตึงสีชมพูด้านหนึ่งซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้เสื้อนั้นปรากฏเด่นชัดห่างจากจมูกของเขาเพียงแค่ฝ่ามือเดียวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหล่อนชะโงกตัวสารวณอยู่กับการทำแผลให้เช่นนี้เมหืมเราเป็นเพื่อนร่วมตายกันใช่ไหมมีอะไรที่คุณสงสัยหรอชยัดคุณคงไม่คิดว่าผมหยาบคายนะถ้าจะเตือนอะไรสักอย่าง ฉันไม่เคยเห็นว่าคุณเป็นคนหยาบคายเลยนะไม่เคยแม้แต่จะคิดคุณเป็นสุภาพบุรุษเกินไปซะด้วยซ้ำสิสาบจากกายของมาเรียฮอฟมันฉุนกึกเข้ามากระทบคาณนปราศาสต์รับกลึงหอมกล่งขื่นเขียวยังไงบอกไม่ถูกแต่มันก็ทำให้อากาศที่กำลังหนาวสถานจับใจอยู่กลายเป็นความอบอ้าวรุ่มร้อนขึ้นมาได้สาหรับชั ย, ยันก็ถอนใจอีกเฮือกหนึ่ง เมเสื้อคุณขาดมากซะด้วยสิรันดูเหมือนจะเข้าใจความหมายในคำพูดของเขาพัางะตัวห่างออกมายิ้มเกียนเจือนรูดซิปเสื้อแจ็คเก็ตขึ้นปิดฉันยังไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนมันและมีเสื้อผ้าติดตัวมาไม่มากนะคุณไม่มีเอ่อบราซียหรอกหรอมาเรียหอไล แล้วทิ้งมือลงบนท่อนขาอวบใหญ่เป็นลำตึงเปรยะแทบจะระเบิดตางเกงผ้ายีนออกมาในท่าที่นั่งคุกเข่าอยู่บาเซียนเป็นสิ่งที่ควรจะใช้ในเมืองไม่ใช่ในป่าฉันมีมาบ้างเหมือนกันแต่เสียใจเหลือเกินนะที่ขอมันขาดหมดใช้ไม่ได้เลยถ้าคุณมีบาเซียนน้ำที่มันเกี่ยวอกเสื้อคุณขาดวันนี้จะไม่เกี่ยวเข้าถึงเนื้อคุณจนเป็นแผลนะ ก็จะทำยังไงได้แล้วก็มันไม่มีนี่น้อยมีมาหลายตัวนะผมคิดว่าเขาคงจะยินดีแบ่งให้ได้ล่ะนักนิรุติศาสตร์สาวเลือดฝรั่งเศสผสมเยอรมันยักษ์ใหล่อีกครั้งเลยไม่มีประโยชน์หรอกขนาดของน้อยนะ่ะเล็กกว่าของฉันตั้งสองนิ้วครึ่งชายันลืมตาพลูแล้วอึ้งไปครูทั้ทงนั้นเดี๋ยวผมจะไปขอเข็มเย็บผ้าที่น้อยมาให้แล้วกัน อดีตนายทหารปืนใหญ่ตรงเข้าไปบอกความประสงค์กับราชสกุลสาวผู้นั่งเอาน้ำมันนวดนองอยู่ดารินมองหน้าเพื่อนชายอยู่อึดใจก็หันไปรื้อย่ามหลังส่งได้ก็เข็มให้พร้อมกระ บ, บอกหน้าตาเฉยว่าอ่ะไม่เพียงแต่เสื้อเท่านั้นนะบอกให้เขาเย็บเป้ากางเกงตัวนั้นซะด้วยชัยันอ้าปากค้างกระซิบถามมาว่านี่กางเกงเขาขาดด้วยเหรออืม ตั้งเกือบสามนิ้วกะมังตรงบริเวณเป้าพอดีเชียของอีตอนกลิ้งลงมาจากเนินนั่นแหละไอ้โงนี่เปลว่าเจ้าตัวไม่รู้สึกละสิรู้ตัวหรือไม่รู้มันก็ไม่มีความหมายหรอกสำหรับแม่คนนั้นก็ถือว่าร่างกายไม่ใช่ของตนเองแต่เป็นของธรรมชาติชัยันกระเดือกน้าลายลงคออันแสนฝืดอีกครั้งทาหน้าเยเกยนีตาไวช่างสังเกตดีเหลือเกิน มีคนอื่นๆคงยังไม่ทันเห็นเน่ะถ้าเห็นก็คงเตือนแล้วฉันก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนอื่นๆจะเห็นหรือเปล่าสําหรับเธอกับพี่ใหญ่น่าไม่เห็นแน่แล่ะแต่ถ้าคนอื่นๆเห็นเรื่องอะไรที่พวกนั้นจะต้องบอกอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะพวกพลานพื้นเมืองอ่ะก็แล้วทําไมเธอไม่เตือนเขาเล่าก็อาจจะเตือนอย่างเหมือนกันแต่ก็ลืมซะบางทีจะเป็นเพราะเหนื่อยเกินไปมั้ง ก็มานึกขึ้นได้ก็อีตอนเธอมาขอเข็มเย็บผ้านี่แหละชั ย, ยันขยับตัวจะผลักไปแต่แล้วก็ชะ ง, งักนิดนึงเพราะดารินร้องเรียกไว้เดี๋ยวทำไมอะ่ะช่วยเขาเย็บเสื้อกับกางเกงที่ขาดให้อย่างเดียวเท่านั้นนะไม่ต้องไปดูแผลที่หน้าอกเขาด้วยผีของตาฮอกมันน่ะคงไม่ชอบโถ่น้อยชา ย, ยันร้องออกมาแล้วผลักไปโดยเร็ว รพินไพรวันเดินส่องไฟสำรวจออกไปยังดงรอบๆ อ, อันเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาในทุกครั้งก่อนจะนอนเขาไม่พอใจใชยภูมิที่พักนอนในคืนนี้ยังไงพิกลแต่ก็ไม่ทราบว่าจะขยับขยายหาที่ให้เหมาะไปกว่านี้ได้ที่ไหนอีกอากาศมันหนักข้นข น, ขนรู้สึกว่าจะหายใจไม่สะดวกบางทีมันอาจจะมาจากเห็ดราหรือมิฉะนั้นก็ใบไม้เน่าบางชนิดที่ทําให้อากาศไม่บริสุทธิ์ เชษฐาเองก็คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับเขาเพราะก่อนที่จะล้มตัวลงนอนเปื่อยๆว่ารู้สึกว่าที่นี่มันนอนไม่ค่อยสบายะยังไงก็ตามหัวหน้าคณะก็นอนหลับไปอย่างรวดเร็วอันเป็นนิสัยของเขาดูเหมือนจะหลับก่อนใครๆทั้งสิน้นเชษฐาฝึกตัวของเขาให้เข้ากับสภาพการและสิ่งแวดล้อมได้ดีเยี่ยมนอกจากบรรยากาศอันไม่สู้จะสะดวกใจนะัก ทั้งป่ายังเงียบสงัดเอาซะ จ, จริงๆไม่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างแม้แต่พวกมแมลงระหว่างยืนอัดก้นบุหรี่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะทิ้งไปเขาเหลือบสำรวจไปยังคณะทุกคนที่นอนเรียงรายประจำที่แล้วก็เห็นใครคนหนึ่งนอนกอดอกลืมตาโพลงอยู่พรานใหญ่สืบเท้าเคลื่อนเข้าไปก็เคยมานอนพักอยู่บนไหล่เขาลูกนี้มาก่อนหรือเปล่าแงซาย แต่คนละด้านมีแหล่งน้ําอยู่ที่ไหนบ้างะรู้ไหมในก้นหุบทางด้านตะวันออกมีแหล่งน้ํำซับอยู่ทั่วไปแต่อย่าว่าแต่คนเลยสัตว์ก็ยังกินไม่ได้ใบไม้มันเป็นพิษแต่เหนือจากที่นี่ขึ้นไปอีกจะมีแอ่งแคบๆอยู่ในซอกหินก้อนใหญ่สองก้อนเป็นน้ํามวกไหลซึมออกมาจากภูเขากว้างยาวแค่วาเดียวต่ําลงไปทางด้านใต้เป็นดงไผ่ไม่กว้างนัก ถ้าฝนไม่แรงจนเกินไปในยะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ยังพอหาน้จาจับลําปล้องไผ่ได้บ้างพรุ่งนี้อีกตลอดทั้งวันถ้าไม่มีน้ำมาเพิ่มเติมเราจะลําบากเขากล่าวเหมือนจะราพึงกับตนเองสัตว์ละ่ะพอจะมีชุมบ้างไหมไม่มีน้ำจะกินได้สัตว์มันก็หายากแต่ที่โปง่งนน่นเงยสายชี้มือไปทางโปง่งไม่ห่างออกไปนัก ผู้กองคงเห็นแล้วสิว่ามีรอยช้างกระกวางพอจะลงกินบ้างมันเป็นโป่งเก่าดินจืดใะละแต่ยังช้ามารืนนี้เราก็ลงจับเขาลูกนี้แล้วไม่ใช่เหรอพรานใหญ่ไม่กล่าวเช่นไรอีกดืนอ้อมมายังที่นอนด้านของเขาแล้วทอดกายลงนอนงายเอาแขนกายหน้าผากครุ่นคิดอะไรอยู่คนเดียวจนกระทั่งความง่วงคืบคลานเข้ามาสู่จึงม่อยหลับไปท่ามกลางความเงียบ ของไพร ล, ลึกเชษ่อถ้าหลับอย่างสบายติดต่อกันถึงสามชั่วโมงนับตั้งแต่กินอาหารเสร็จเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นเพราะเสียงขยับกายของบุญคำผู้นอนอยู่ใกล้ๆทางด้านขวามือยามนั้นป่าดูเหมือนจะตกอยู่ในมนสกดของความเงียบความมืดแม้แต่ใบไม้ก็ไม่กระดิกให้ได้ยินเสียงราชสกุลหนุ่มบิด ก, กายอย่างเมื่อยบตั้งใจจะหลับต่อ แต่แล้วก็ต้องลืมตาขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นบุญคำก็ค่อยันกายลุกขึ้นนั่งด้วยท่าทีเหมือนหมาล่าเนื้ออึดใจต่อมานั่นเองก็แววเสียงใบไม้ลั่นกรอบแกรบผ่านเบามันดังมาจากบริเวณโป่งทางด้านที่ปลายเท้าของเขาชี้ไปเสียงนั้นหยุดๆยุดดังๆใกล้เข้ามาเป็นลำดับต่อมาก็เป็นเสียงคล้ายๆตะกุยขุดพลิกดินบุญคาค่อยๆหยิบไฟฉายประจาตัว มันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เชษฐาดึงกายขึ้นอย่างเบากริบไรเพื่อนจุดสีห้าแปดประจำตัวขึ้นมาอยู่ในมือแต่แล้วใครอีกคนหนึ่งที่นอนอยู่ทางด้านศีรษะของเขาก็เอื้อมมือมาสกิบเบาๆหันขวับมาเห็นพรานใหญ่อยู่ในลักษณะครึ่งนั่งครึ่งนอนจึงเพิ่งทราบว่าไม่เพียงแต่เขากระบุญคำเท่านั้นที่ตื่นขึ้นยามนี้ระพินก็รู้สึกตัวได้ยินเสียงก่อนแล้วเช่นกัน สิ่งที่จอมพลานค่อยๆส่งไปให้หัวหน้าคณะก็คือลูกซอง FN กึ่งอัตโนมัติที่เป็นปืนประจำมือของจันพร้อมกับกระซิบว่ากวางครับกำลังย่องเข้ามากินโป่งครับระยะใกล้แค่นี้หวังผลเลิ่ไว้ก่อนดีกว่าครับเช็ดท้าวางไรเฟิลของเขาลงรับปืนลูกซองมาแทนปลดเซฟแล้วยกขึ้นประทับไหลบ่ายลากล้องจ้องไปทางเสียงที่ได้ยิน เอาล่ะบุญคำใช้ไฟหัวหน้าคณะกระสิบบอกเบาที่สุดตาพรานเท่าชุกระบอกไฟฉายขึ้นเหนือศีสะทำมุม45องศาแล้วกดสวิตเป็นลำพวยพุ่งขึ้นเบื้องบนอึดใจต่อมานั้นเองฟาดลำแสงต่ำลงอย่างชำนาญตาเหลือบเขียวเหลือบฟ้าคู่หนึ่งก็สะท้อนวาวฟ้องตำแหน่งมาในบัตรนั้น มันลอยอยู่ในระหว่างซุ้มไม้รกห่างออกไปเพียงไม่เกินห้าสิบเมตรและในพริบตาเดียวกันนั่นเองกระสุนลูกปรายก็ระเบิดกึกก้องขึ้นท่ามกลางความเงียบสงบติดตามมาด้วยเสียงลม้มลงดิ้นโครมครามพุ่งไม้ไหวสะเทือนไปหมดทุกคนที่กำลังนอนหลับพรวดพระตื่นขึ้นอย่างชุลมุนฟ้าปืนกับไฟฉายประจาตัวด้วยความตกใจเป้าหมายลูกปืนของเชษฐาถนนถลันลุกขึ้นยืนอีกครั้ง ภายหลังลงไปชักดิ้นชักงอตีแปลงอยู่มีเสียงร้องปุ๊บแบแบบแล้วมันก็วิ่งตะกายฝ่าพงลงไปยังตีเนินอันเป็นป่ารกเบื้องล่างต่อมาก็มีเสียงโอก๊กโอก๊กดังมาได้ยินถนัดสำลักเลือดแล้วนายอยู่แน่บุญคำตะโกน ล, ลั่นออกมาอย่างดีใจลุกขึ้นแล่นทะลันตรงเข้าไปยังตาแหน่งที่มันล้มลงครั้งแรกพวกติตกใจตื่นขึ้น ยังไม่รู้เรื่องอะไรส่งเสียงถามแซดพระร่วกวางย่องเข้ามากินปูและเชิดาเป็นคนยิงก็หมดความสนใจพากันถอนใจอย่างโล่งอกเอนกายลงนอนตามเดิมคง ม, มีแต่ระพินเชิฐาและจัน์เท่านั้นที่ออกจากที่นอนตามหลังบุญคำเข้าไปจากไฟฉายที่ช่วยกันส่องดูปรากฏว่าบริเวณพงตรงนั้นแหลกเป็นแปลงเพราะการลมดินของมัน เลือดทะลักเรียราาเป็นกองใหญ่และหยดเป็นทางมองเห็นได้ถนัดตามทิศทางที่มันลุกขึ้นแล่นหนีไปเห็นรอยกีบก็รู้ได้ทันทีว่ามันเป็นกวางขนาดใหญ่ทีเดียวเอ้ก็เห็นคว่ําลงไปแล้วทําไมถึงลุกขึ้นหนีไปได้อีกชวดฉะแล้วก็ไม่รู้หรือไม่ก็ตามกันอ่านละรพินสันส่นศีรษะพลางบุ้ยปากไปที่เลือดกองโตที่เป็นฟองสีชมพู หยดอยู่กลางดินและใบไม้ถูกจังที่สุดล้ครับคงแถบรักแร้แดงทะลุปอดด้วยแบบนี้ไม่ไกลหรอกครับชั่วแล่นตอนที่มันตกใจเท่านั้นเดี๋ยวก็ล้มครับคุณส่งลูกซองมาให้ผมก็ซัดเลยเนะ่ะไม่รู้หรอกว่าใส่ลูกอะไรไว้จันผู้ใช้ปืนกระบอกนั้นประจำตัวก็บอกมาโดยเร็วว่าผมใส่ลูกเก้าเม็ดไว้ในยิงกวางได้สบายเลย ลูกแบบไหนล่ะสีแสดหรือสีเขียวเชษฐาหันไปถามเจ้าของปืนสีเขียวครับโอ๊ะบั๊อกติระพินพืมพำมสาดไฟฉายลงไปยังเนินเบื้องล่างที่รอยเลือดของมันหยดเป็นทางเห็นชัดสบายมากครับลูกเรมิงตันความจริงมันควรจะอยู่กับที่แล้วล่ะแต่มันค่อนข้างจะใหญ่มากทีเดียวระยะเพียงแค่นี้สงสัยว่าจะรวมกลุ่มเข้าหมดทั้งเก้าเม็ดนั่นแหละ เอฟเอ็กระบอกนี้ฟู้โชคด้วยสิตามเธนายเสือมันคลางอกอกอยู่เมือตะกี้เนี่ยป่านนี้บุญคำว่าล้มแล้วละ่ละรับรองว่าวิ่งไปได้ไม่เกินสามเส้นหรอกว่าแล้วตามพรานเท่ากระจันก็ขยับท่าจะตามรอยเลือดไปอย่างกระตือรือร้นแต่อดีตท่านทูตทหารบกเหนียวไหลทั้งสองวัยช่ามก่อนเถอะอย่าพ่งตามกันเดี๋ยวนี้เลยถึงพบตัวตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์หอก กลับไปนอนเอาแรงกันดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยตามดูถ้าเชื่อว่ามันอยู่แน่มันก็ไม่หายไปไหนหรอกรอยเลือดชัดออกอย่างเงี้มันตามง่ายมากแล้วเชียดถาก็หันไปทางบุญคำสองไฟเก่งมากนี่บุญคำบูบเดียวเจอตาเลยแต่ไม่ยักสัมพันธ์กับคนหญิงเพราะไม่ซองให้เห็นศูนย์ปืนดีนะที่พรานใหญ่ส่งลูกซองม่ชันเมื่อกี้ทําเป็นไรเฟิลก็พลาดแล้ว บุญคำยิ้มแย่ๆไม่กล่าวว่าอะไรเชษฐาชวนทุกคนกลับมายังที่พักเพื่อเข้านอนต่อฟาวเหรอครับพี่ใหญ่ดารินถามเบาๆทั้งๆที่ตายังปิดอยู่สงสัยเหมือนกันแต่ละพินกับบุญคำแน่ใจว่าคนจะอยู่พรุ่งนี้ค่อยไปดูใครมันคนยิง่งชายันร้องถามมาจากที่นอนของตนขณะปิดปากหาวฉันเองบุญคำส่องไฟ ฉันได้ยินเสียงคล้ายๆปืนลูกซองนะอีกเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นเป็นเสียงของมาเรียใช่ลูกซองหัวหน้าคณะตอบส่งปืนกระบอกนั้นคืนไปให้จันแล้วส่งให้บรรจุสั่งให้บรรจุเพิ่มเติมแทนนัดที่เขายิงไปเพื่อครบเต็มอัตราตามเดิมเกิดกระสรยลุกขึ้นเติมเชื้อไฟเข้าไปในกองไฟที่กาลังจะมอดดับให้พอมีเปเลวและต่างก็นอนต่อ มีเสียงพูดคุยข้ามกันไปมาอยู่อีกครู่แล้วก็ค่อยๆเงียบไปท่ามกลางความหนาวเย็นจนปวดกระดูกนานๆจะได้ยินเสียงสยู่ตัวสันสะท้านจากคนใดคนหนึ่งขึ้นสักครั้งเดี๋ยวอยู่ไม่อยู่ก่อนที่ทุกคนจะหลับไปนั่นเองเสียงง่าวๆของแง่สายก็ดังขึ้นลอยๆท่ามกลางความเงียบว่ากวางตัวนั้นลมลงแล้วในระยะไม่เกินสองสามเส้นนี่เอง แต่ถ้าไม่ตายเอามาสักคืนนี้เราจะไม่ได้ตัวมันบางสิ่งบางอย่างในคำพูดของเจ้าคนดงพนเนจรสกิดใจระพินยังไงพิกฤแต่คนอื่นๆไม่สนใจอะไรด้วยนะักเพียงแต่เชษฐาถามมาจากที่นอนของเขาน้าเสียงด้วยเพียบว่าแป็หมายความว่ายังไงแงใส่แกกลัวว่าสือจะมาลากไปสัอย่างนั้นเหรอเงียบไปครู่ แล้วเสียงนั้นก็ดังเบาๆตอบมาว่าใครจะรู้ได้ล่ะในายใหญ่ว่าเสือหรืออะไรมาทำให้มันหายไปอ่ะถ้านอกจากเสือแล้วจะมีอะไรยกเว้นแต่ว่ามันจะไม่ตายและลุกขึ้นเดินไปเองไม่มีคำตอบจากเจ้าคนชายชาวดงและก็รู้ได้ยังไงแล้วว่ามันจะต้องหายไปถ้าหากว่ามันลม้มลงตายแล้วรพินถามมาด้วยเสียงคุนคุ ผมเคยผ่านเขาลูกนี้เป็นเวลาสองคืนเงาซายพูดน้ำเสียงลึกดังมาจากมุมทะแยงที่นอนอยู่คนละด้านกับเขาป้ายข้าของคืนแรกยิงหมูใหญ่ได้ในลำห้วยเอาขึ้นมาคนเดียวไม่ไหวจึงแร่เนื้อขึ้นมาพอเป็นอาหารชั่วมือ้อตั้งใจว่ารุ่งเช้าจะลงไปเอาอีกตึงขึ้นมาซากหมูตัวนั้นหายไปซะละเหลือแต่กระดูก คืนที่สองยิงได้กระทิงใหญ่ที่แอ่งน้ำมวกหวังจะเอาเป็นสเสบียงในวันรุ่งขึ้นหนกงเหมือนกันตื่นเช้ามากระทิงตัวเกือบเท่าช้างก็กลายเป็นเศษกระดูกเกลื่อนป่าเหลือแต่หัวคราวนี้คณะนายจ้างทั้งสี่คนพากันชันคอหูผึงมองมาที่แง่ซ้ายเป็นตาเดียวส่วนพรานใหญ่ระพินยังคงนอนขมวดคิ้วอยู่ในอาการเดิมสีงเชิากะชา ย, ยันถามมาเป็นเสียงเดียวกันว่า มันเป็นเพราะอะไรฝูงหมาปา่าหมานายหรือว่าสัตว์ประเภทกินเนื้ออะไรมารุมกินน่ะไม่ใช่หมาปา่าหมานายแล้วก็ไม่ใช่ฝูงเสือแต่มันจะเป็นอะไรนี่ผมไม่รู้เพราะไม่เห็นตัวจะพูดของแกภาษาอะไรวะแง่ทรายอะไรก็ตามที่มันมากินหมูกับกระถิงของแกอย่างที่แกว่านั่นมันก็ต้องทิ้งร่องรอยไว้สังเกตเห็นได้สิ ระพินพูดมาหุ่นหุ่ถูกแล้วผู้กองมันทิ้งร่องรอยไว้ร่องรอยที่ฉีกเนื้อกระจับกระจายออกไปเรียราดร่องรอยที่ดูดกินแม้กระทั่งเลือดแทบไม่เหลือให้เห็นไร่องรอยของการรุมกินเป็นฝูงอย่างอดโซ่ขิวกระหายไงแล้วรอยตีนของมันละ่ะไม่มีรอยตีนให้เห็นแล้วผู้กองบางทีจะเป็นพระตรงที่สับสองตัวล้มนะ่ะเป็นพื้นหินแข็งเกินไป และตัวมันก็คงไม่หนักหนักแกนอนอยู่ห่างจากสัตว์ที่ยิงล้มไปไว้สักเท่าไหร่ประมาณสองเส้นผมนอนอยู่บนต้นไม้ได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมในขณะที่มันเข้ากินเสียงมันมากันเต็มป่ารอบด้านไปหมดบางทีคืนนี้เราอาจได้ยินเสียงของมันก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ยินอย่างที่ผมเคยได้ยินมาแล้วตักวางตัวนั้นยังอยู่เป็นปกติเรียบร้อยดี ครั้งนั้นผมก็คงจะฝันร้ายไปเองอ่ะเอ็มพูดอะไรว่าฝังไม่รู้เรื่องไอ้แง่ทรายเสียงบุญคำตะวาดมาเบาๆและสะบดดาพุ่นต่อจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบเงียบลงตามเดิมอาจไม่มีใครคุ้นคิดถึงคำพูดเป็นปริศนาของแง่ทรายอยู่แต่ก็พ่ายแพ้ต่ออำนาจของความอ่อนเพลียและนิทรารมที่ครอบงำอยู่ ประมาณตีสองรพินสะดุ้งลืมตาโพลงขึ้นพระมือของใครคนหนึ่งสะกิดแรงๆมาที่แขนคนนั้นก็คือจัน์ผู้นอนอยู่ใกล้ๆเขานั่นเองขณะนั้นไฟมอดดับลงอีกครั้งทุกขนทุกแห่งปกคลุมไปด้วยความมืดนายฟังเสียงไรนั่นจัน์กระซิบข้างหูเขาอย่างร้อนรนจอมพรานเงียโสดกลั้นลมหายใจและจ้องหน้าพรานพื้นเมืองของเขา ไม่เห็นมีเสียงอะไรนี่คอยฟังให้ดีสินายตอนนี้มันเงียบไปผมฟังอยู่พักใจแล้วก่อนที่เขาจะขยับปากถามอะไรต่อไปนั่นเองสำเนียงประหลาดชนิดหนึง่งก็แวววเข้ามากระทบโสตประสาทอย่างชัดเจนมันดังเหมือนเสียงนกกวักร้องทอดระยะเป็นจังหวะห่างๆกันต่อมาก็เริ่มทีขึ้นเหมือนจะรับทอดเป็นต่อๆได้ยินชัดขึ้นเป็นลาดับ เสียงดังว้าวว้าวแล้ต่อมาก็เป็นก อ, อยกอยกอยกอยฟังเยือกเย็นวังเวงยังไงบอกไม่ถูกเสียงนั้นทีกระชั้นขึ้นทุกทีจนกระทั่งในที่สุดก็ดูเหมือนจะแซววังเวงไปทั้งด่งรอบดากมีเสียงไหวตัวแสกสกแผ่วเบาจากคณะพักที่นอนรวมกลุ่มกันอยู่ กลายเป็นด้วยคนหนึ่งสกิดปลุกอีกคนหนึ่งแล้วก็ปลุกกันต่อต่อไปจนทั่วกันหมดทุกคนนอนลืมตาสดับฟังเสียงประหลาดนั้นอยู่เงียบเงียบอย่างพยายามจะจับรหัสประสาททุกส่วนตื่นพร้อมเท่าๆกับที่หัวใจก็เป็นสั่นอย่างประหลาดจากกระแสะเสียงผิดวิกลที่ดังมาจากความมืดโดยรอบขณะหนึ่งต่อมานั่นเองเสียงแผ่วเบาของใครคนหนึ่งก็กระซิบเรียกชื่อพรานใหญ่ มาจากทางด้านศีรษะที่เขานอนสงบนิ่งอยู่ระพินครับได้ยินอะไรนั่นหรือเปล่ากำลังฟังอยู่ครับมันเป็นเสียงอะไรพรานใหญ่ค่อยๆยันกายลุกขึ้นนั่งนั่นเท่ากับเป็นการเตือนให้อีกสิบเอ็ดคนทรงตัวนั่งขึ้นพร้อมกันหมดแต่ก็เป็นไปอย่างแผ่วเบาะระมัดระวงังกองไฟที่ไม่มีใครเฝ้าหมดเชื่อลงแล้ว หรือแต่ทานแดงเรืองเรืองมองเห็นรอบด้านในระยะใกล้ได้เพียงเงาตะคุม่มทุกคนเห็นจอมพลานนั่งกอดเขา่าเงี่ยหูฟังอยู่เช่นเดิมโดยไม่ได้ตอบคำถามของเชษฐามาเรียกับดารินซุบซิบอะไรกันเบาๆที่สุดไฟฉายพร้อมอยู่ในมือคนลักระบอกช้ยันก็กระซิบมาว่าฟังคล้ายๆเสียงพวกหอยทากประเภทหนึ่ง ที่เคยได้ยินแถวป่าชื้นแฉะภาคใต้แต่ก็ไม่น่าจะมีในป่าแห้งแรงแถวนี้เลยนะมันดังขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ดารินถามขึ้นลอยลอยเพราะหล่อนรู้สึกตัวตื่นได้ยินเสียงโดยการสะกิดปลุกของพี่ชายสักพักหนึ่งแล้วละ่ะนายหญิงใครคนหนึ่งในจำนวนพรานพื้นเมืองของระพินตอบมาอย่างกระซิบกระซาบ พ, พวกนก หรือพวกสัตว์คลือคลานแต่แปลกมากนะทำไมถึงเพิ่งจะมาได้ยินเสียงเอาเดี๋ยวนี้ล่ะหัวหน้าคณะว่าเสียงนั้นบางขณะก็เว้นห่างส่่งซาทำท่าเหมือนจะเงียบหายไปแต่แล้วก็เริ่มดังถี่กระชั้นขึ้นอีกระเบงแซ่สลับกันอยู่เป็นระยะบุญคำส่างปาและขยินลงนอนราบกับพื้นเอาหูแน่แผ่นดินฟัง แต่แล้วทั้งสามคนที่ช่วยกันฟังเสียงเหล่านั้น <c oughs> ก็เงยหน้าขึ้นสันหัวอยู่ไปมาเป็นสัญญาณว่าไม่สามารถจะจับรหัสฝีเท้าหรือการเคลื่อนไหวใดๆ ไ, ได้เป็นที่พอใจมันพากันเต้นไปตามผิวใบไม้แห้งขยินพึนพรรมพำสีหน้าใคร่ครวญใช้ความคิดหนักตัวมันเบามากแต่ข้าไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากเสียงที่มันร้องบุญคำพูด อาการงุนงงไปหมดสร้างปลาพผ ง, งกหัวขึ้นเอานิ้วแคะหูแล้วก้มลงฟังอีกใช้มือข้างหนึง่งตบลงกับพื้นดินเป็นจังหวะมันทาท่าเหมือนจะล้อมวงเข้ามาที่ปางพักของเราแต่ก็ไม่เข้าไม่ใช่นกไม่ใช่หอยเขียดปาาอะไรหรอกนายแต่เป็นอะไรนี่สรางปลาก็ไม่รู้เหมือนกัน สงสัยแต่ว่ามันจะทำให้พวกเราเดือดร้อนนะทันใดนั้นระพินไพรวันผู้นิ่งเงียบโดยไม่เอ่ยคำใดเลยทั้งสิ้นก็สองไฟฉายพุ่งปราดออกไปและโดยการนำชนิดนั้นไฟฉายจากคนอื่นๆก็ระดมสาจ้ากราดไปยังแนวป่ารอบทิศเพื่อค้นหาที่มาของเสียงลึกลับเหล่านั้นไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นในการสองค้นหานอกจากต้นไม้ใบพึก ที่ยืนนิ่งอยู่ในอาการสงบสียงที่ร้องระง ม, มเยือกเย็นเหล่านั้นเงียบกริบเป็นปริทิ้งไปในทันทีที่แสงไฟหลายกระบอกพุ่งลำออกไปแต่แล้วก็ไปกวักก้าวห่างออกไปในดงลึกฝากซ้ายมือแล้วค่อยๆห่างออกไปเป็นลำดับจนกระทั่งได้ยินมาเพียงแค่แว่วๆในปลายหุบด้านที่พบคราบงูยักษ์อะไรของมันวะ เสียงช ย, ยันครางออกมาอย่างประหลาดใจท่านใหญ่กระดกลิ้นออกมาเลียริมฝีปากช้าๆตารีลงชำเลืองไปทางแงซายผู้ดูเหมือนจะนั่งทอดสายตาเงียบๆจับนิ่งมาที่เขาก่อนแล้วในเงามืดสลัวนั้นปากก็บอกกับคณะนายจ้างของเขาด้วยเสียงเรียบๆ เ, เป็นปกติว่าผมก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันครับเบิ่ครัางอยู่เหมือนกัน ประสบการณ์ในชีวิตมาของผมมีอะไรแปลกๆเข้ามาทําเสียงก็ได้ยินใกล้ๆกับแคมปพักนอนแต่มันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นไม่มีแม้แต่ร่องรอยให้ค้นพบด้วยว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมันคืออะไรอย่าไปสนใจมาเลยครับน้องก็ต่อไปดีกว่าเมื่อเขาไม่แสดงท่าว่าห่วงกังวลหรือสนใจอะไรนักขณะนายจ้างก็พลอยหมดกังวลเช่นกัน แต่ก็ไม่ไวายที่จะชะ ง, งนชะ ง, งายคลางแคลงระพินสั่งให้ก่อไฟลุกโชนขึ้นอีกและคราวนี้ขยายให้กองไฟโตขึ้นกว่าเดิมทั้งสมด้านโดยไม่ยอมให้มันมอดดับไปง่ายๆต่างนอนเงี่ยหูคอยจับฟังเสียงกันอยู่อีกครู่ใหญ่จึงหลับไปทีละคนสองคนเมื่อไม่มีอะไรกระโตกกระตากมากไปกว่านั้นคงมีแต่จอมพรานเท่านั้น ที่ยังคงนอนลืมตาโพโลุบต่อมาเขารู้สึกว่าใครคนหนึ่งในคณะลุกขึ้นช้ำเลืองไปเห็นร่างสูงใหญ่ของแง่ทรายเดินย่องไปหยุดที่กองไฟแล้วก็ออกไปยืนคล้ายจะพยายามจับฟังเสียงอะไรอยู่ยังอีกด้านหนึ่งหันหน้าออกราวป่าทึบอันมืดมิดจึงลุกขึ้นเคลื่อนตามเข้าไปหยุดยืนอยู่เบื้องหลังเจ้าคนใช้ชาวดงคงยืนสงบอยู่ในอาการเดิม แม้ว่ามันควรจะได้ยินเสียงไลเตอร์ที่ขีดขึ้นเพื่อจุดบุหรี่ของเขาเสียงอย่างนี้ใช่ไหมที่แกเคยได้ยินโดยไม่ได้หันกลับมาเสียงกระซิบเบาในลักษณะเดียวกันตอบมาว่าเสียงชนิดนี้แหละผู้ ก, กองเพียงแต่ว่ามันไม่มาเหมือนที่ได้ยินคืนนี้ถ้าผมทายไม่ผิดนะพวกมันพากันมุ่งตรงไปยังซากกวางที่ไหนใหญ่ยิงล้มไว ที่แรกมันเลียบใกล้ปางพักของเราเข้ามาแล้วก็คงได้ข่าวเลือดยึงตามรอยเลือดไปเขาเก้าวขึ้นไปจนกระทั่งยืนเคียงอยู่กับร่างอันตรังงานเหมือนหลักหินนั้นความมืดทำให้อ่านสีหน้ากันไม่ออกนอกจากแววตาอันลุกวาวที่กวาดอยู่ไปมาคู่หนึ่งดูประหนึ่งว่าจะมองให้ทะลุฉากอันดำสนิทของราตรีเข้าไปให้เห็นสิ่งที่แอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ บอกว้างคิดความเห็นของแกสิว่ามันควรจะเป็นอะไรคือนี่มันเกิดลักษณะการขึ้นอย่างเดียวกับที่แกได้พูดไว้แล้วนั่นก็คือมีสัตว์ล้มแล้วมีเสียงอะไรสักอย่างพากันมาเต็มป่ามันมุ่งมาที่เราก่อนแล้วก็ตามรอยเลือดกวางตัวนั้นไปแก็เคยเจอมาแล้วในการผ่านมาที่นี่ครั้งก่อนคือนี่มันก็มีท่าทีเช่นเดียวกันอีกมันคืออะไรแง่สย่ย แง่สายเบือนหน้ามาสบตาเขาช้าๆพร้อมกระสั่นหัวหน้อยๆผมไม่ทราบจริงๆผู้กอผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันการเดาในสิ่งที่เราไม่รู้มันจะเกิดประโยชน์อะไรละ่ะมีอะไรบ้างในป่าที่คนอย่างแกบุญคำส่างป่าหรือชัดจะไม่รู้ต้องมีสิผู้กอ อย่างน้อยที่สุดก็บันดาสิ่งที่ชีวิตบุกบันอยู่ในป่าและเรายังไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อนไงผมผู้กองบุญคำและสามปายังไม่ได้เปิดปาออกไปได้หมดทุกป่าหรือผู้กองคิดว่าปลูกโปร่งหมดแล้วหล่ะคำพูดแผ่วเบาแต่ชัดเจนของแง่ทรายทำให้พรานใหญ่อึง้งไปในที่สุดก็ยิ้มเสียดออกมามันจะเป็นอะไรก็ตาม จากความรู้สึกของฉันไม่เห็นว่ามันจะเป็นอันตรายกับเรามากมายนักเลยและฉันก็ไม่กังวลสักนิดแต่แง่ทายลักษณะท่าทีอันหวาดระแวงของแกนั่นแหละที่ทำให้ฉันต้องเกิดกังวลขึ้นใช่ล้ผมไม่ใช่คนกล้าหาญนักหรอกนะผู้กองเสียงแง่ท า, ายพูดมาเนิบเนิบอย่างใช่ความคิดเมื่อผมเดินทางคนเดียวในป่าใหญ่ผมเลือกนอนบนต้นไม้ ความรู้สึกบอกตอนเองอยู่เสมอว่าภายหลังจากตะวันตกดินแล้วมันล้วนเต็มไปได้วยสิ่งที่จะมาเอาชีวิตแต่การเดินทางโดยมีผู้กองเป็นผู้นำในครั้งนี้ผมอบอุ่นเชื่อมั่นอย่างที่สุดอย่าลาะให้ตายใจโดยการถ่อมตัวเองและยกย่องชันเลยผมพูดจากใจจริงครับแววตาบนใบหน้าดูสุขใสอ่อนโยนอย่างประหลาดเมื่อเอ่ยประโยคนั้นออกมา ระพินจ้องประสานอย่างค้นหาแต่ก็ไม่พบร่องรอยพิรุธใดๆเขายืนมองหน้าเจ้าหนุ่มพระเนจรผู้ปราศจากหัวนอนปลายตีนด้วยความรู้สึกที่ใหม่และแปลกออกไปอย่างไม่เคยมาก่อนดูเหมือนจะตะลึงเพลินไปชั่วขณะในความคมสันงดงามหน้าพิศวงนั้นไปนอนเสเถอะมังคงไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นหรอก ครั้นแล้วเขาก็เอ่ยมาด้วยเสียงอ่อนลงร่างสูงใหญ่ได้ส่วนสัตว์ย่อนกายลงไปนั่งบนขอนไม้หน้ากองไฟยกมือทั้งสองขึ้นลูปเสยเส้นผมอันหยิกหยักศกยาวปกท้ายถอยริมฝีปากปรากฏรอยยิ้มบางๆทำให้แหล่อ่อนซึง้งเหมือนใบหน้าผู้หญิงตาเหม่อลอยปราศจากจุดหมายพูดเหมือนรำพึงคืนนี้ผมนอนไม่หลับจะห่วงกังวลมากนักแล กเจ้าสิ่งประหลาดอะไรชนิดหนึง่งที่มันป้วนปีนเข้ามาใกล้ปางพักของเราโดยไม่สุกตาเขานอกจากมือลอยในอาการเดิมเงาทายสายหน้าแช่มช้าหาไม่ได้ครับผมรู้ว่าจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเราในคืนนี้หรอกเพราะฉะนั้นแกก็ควรจะนอนซะเหมือนๆกับพวกเราทุกคนดิโดยจะห่วงครับผู้กออีกไม่นานก็จะสว่างแล้ว ผมจะนั่งอยู่ยามคอยเติมกองไฟให้ามใจแกรพินพูดห้วนๆ ห, หันหลังกลับออกเดินแต่แล้วก็ชะงักเหมือนจะคิดอะไรอยู่ครู่หนึง่งยึ่งหันกลับมาช้าๆยิ้มออกมานิดหนึง่งเป็นเวลานา น, านแล้วนะที่ฉันไม่ได้ยินเสียงเพลงจากแกเลยเจ้าการเวกเสียงหวานตาคู่นั้นมีแววชะงนเลิกคิ้วน้อยๆพลางยิ้มตอบ ผมทำความรําคาญใจให้ผู้กองน้อยไปเช่นนั้นเหลอครับอาจเป็นได้แต่บางขณะความรําคาญใจรคหูชนิดนั้นมันก็ช่วยชันเป็นสุขขึ้นได้เหมือนกันร้องเพลงของแกขึ้นซักเพลงสิแงาสายทําให้คืนอันหนักข้นนี้มีชีวิตชีวาขึ้นบ้างแงาสายถอนใจลึกตาเป็นประกายแวววาวล้อแสงไฟในกอง พระพิณถ อ, อยกลับไปล้มตัวนอนลงยังที่เขาหลับตาลงและมิช้ามินานท่ามกลางความเงียบสงดสำเนียงทุ้มกลางวานจากเพลงบทหนึง่งก็ลอยมากระทบสดถ้าถอดข้อความออกมามันก็น่าจะได้ความหมายอัทรสทำนองนี้เก <terror> <mall> ิดมาเยี่ยงกษัตริย์ขัตติยราชแต่อนิจจาอนาถนะัก ต้องพลัดพรากทินฐานแหล่งกำเนิดสมซาพนพเจนจรไปทั่วเขตแคว้นแดนกันดานทุกหุบเหวห้วยละหานลำเนาไพรเข้าบุกบันไปปิ่มเลือดตากระเด็นมีดวงดารากรแทนประทีพส่องฝากอนาคตไว้กับหมู่เมฆที่เลื่อนลอยสุริยประทานพลังฤทธิ์ให้แก่ข้า จันทราเปรียบเสมือนเพื่อนใจหากสวรรค์ส่งข้ามาเกิดจริงแล้วไซข้าคงได้กลับคืนไปสู่เจ้าได้สมจริงรอข้าก่อนอาณาจักรสีทองอันผ่องใสรอข้าก่อนประชากรทั้งหลายและรอข้าก่อนศัตรูหมู่อมิตรข้ากำลังจะกลับไป กลับไประพินไพรวันพยายามจะเปิดเปลือกตาขึ้นแต่มันหนักอึ้งไปหมดบางสิ่งบางอย่างผ่านเข้ามาในประสาทสัมผัสยังบอกไม่ถูกกระแสเสียงเพลงบทนั้นมันมีทั้งความเศร้าส้อยรันทดและเหี่ยมเกรียมดุดันผสมผสานกันฟังผิดแพกไปกว่าทุกครั้งครั้นแล้วพรานใหญ่ก็ง่วงงุนพลอยหลับไป ท่ามกลางความยุ่งเหยิงสับสนของจินตนารมันลีลับทุกคนตื่นขึ้นโดยเสียงพูดเอะอะร้อนรนของใครสองสามคนที่ดังครุ้มฟังไม่ได้สักขณะนั้นเป็นเวลาเช้าตรู่ที่พอจะมองเห็นอะไรได้รางๆและ3มคนที่ยืนโบเบกันอยู่ก็คือเซยสส่างปาและขยินแล้วทั้ง3มก็ปราดตรงก็มานั่งยองๆรายล้อมระพินไพรวันผู้กาลังลุกขึ้นนั่ง ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่คณะนายจ้างทั้งหมดพากันลืมตาขึ้นนายกวางที่นายใหญ่ยิงไว้เมื่อคืนตัวเบิรมทีเดียวเกือบเท่าควายเนี่ยแต่มันเหลืออยู่แต่หัวกับเขาเท่านั้นแหละคณะพชนภัยชาวพระนครถล่นพรวดพลาดขึ้นยืนแล้ฮือกันก็มาล้อมส่งเสียงถามแซดในขณะที่รพินนั่งย่นหน้าผากจากคาบอกเล่าอันแข็งกระไรางานเป็นรถไฟด่วนของทั้งสามคน พอะจะสรุปได้ความว่าทั้งเซยสางปาแล้วก็ขยินตื่นขึ้นแต่มืดออกชวนกันสำรวจติดตามรอยกวางตัวที่เข้ามากินโปง่งและเชิดฐายิงสาหัสไปเมื่อคืนร่องรอยของมันวิ่งซอกซอนบุกรกลงไปทางก้นหุบด้านเดียวกันกับที่พบคราบของงูยักษ์แล้วไปล้มพกและไปล้ ม, ล, ล, มลงพบอวสารที่ปลวกลูกหนึ่งใต้พงเถาวัน ระยะห่างจากตำแหน่งที่ถูกยิงเพียงแค่สี่เส้นเศษเศษเท่านั้นแต่ปรากฏว่าซากของมันที่ทั้งสามตามไปพบนั้นเหลือให้เห็นแต่เพียงแค่ส่วนสีสักและเขางามเท่านั้นส่วนอื่นๆ อ, อันตรธานหายไปหมดไม่เหลือแม้แต่เศษหนังพบพบกับเหตุการณ์ประหลาดผิดวิกลช น, นั้นทั้งสามคนก็ห่อแนบกลับมายัางปางพักเพื่อรายงาน สิ่งที่แงสายเตือนเราไว้เมื่อคืนน่ะเป็นความจริงเชลั่เชิดท้าพูดต่ำตำกัดริมฝีปากแน่มันละไอเสียงกอย่กอยที่พวกเราได้ยินเมื่อคืนน่ะแหะใช้ยันครางออกมาดารินกับมาเรียหันไปสอบซักพวกที่ไปพบเห็นซากกวางตัวนั้นเพื่อเอารายละเอียดอีกครั้งทั้งคณะพูดกันแซดมีระพินกับแง่สายเพียงสองคนเท่านั้นที่ไม่ได้เอ่ยคําใดออกมาทั้งสิน้นนอกจาก มองสุตากันเงียบๆไอ้ใจนั้นเองจอมพรานก็คว้าไรเฟินสปริงตัวขึ้นยืนไปดูกันเถอะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งคณะนอกจากจันและเกิดซึ่งได้รับคำสั่งให้ก่อไฟหุงหาเฝ้าปางพักผ้ากันสาวเทาว้าตามหลังพรานใหญ่ไปในทันทีนั้นระพินตรงเข้าไปสำรวจดูตำแหน่งแรกที่กวางตัวนั้นถูกเชิดถายิงลม ซึ่งมันอยู่ห่างจากที่พักนอนออกไปเพียงไม่เกินห้าสิบเก้าและความจริงเขาเองก็อีกสองสามคนก็ได้เข้ามาตรวจดูไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนขณะที่เชิดฐายิงไว้หยกๆกสิ่งที่ก่อความประหลาดใจให้อย่างยิ่งก็คือเลือดกองใหญ่ที่เห็นเรียราาอยู่กับพื้นขณะที่เข้ามาดูเมื่อคืนนั้นบัดนี้หายไปซะแล้วเหลือแต่เพียงคราบบางๆที่ติดอยู่กับผิวดิน คล้ายๆจะมีอะไรมาสูบดูดเอาไปหมดไม่มีร่องรอยของสัตว์อื่นใดเข้ามาปะปนพอให้สังเกตเห็นได้ชัดนอกจากรอยของกวางตัวนั้นอย่างเดียวขณะที่เข้ามากินโป่งนั้นมันเดินลงจากชายเนินของดงใหญ่ด้านขวามือแต่เมื่อถูกยิงแล้วตระหลดิดหนีลงไปยังหุบต่ําด้านตรงข้ามทิศทางไปแลเห็นได้ถนัดชัดเจนเพราะกระเซ็นเลือดที่แตะแต้มไปตามใบไม้ที่มันแล่นผ่าน แสดงว่าเลือดไหลออกมาจากบาดแผลชะกันเชษฐาก็มีความสังเกตที่ถี่ถ้วนว่องไวพอใช้เขาสุดตัวลงนั่งพิจารณาตรงรอยเลือดที่หยดกองไว้มากมายเมื่อคืนเพราะจำได้แล้วเงนยหน้าขึ้นจ้องพรานใหญ่งง ง, งมันจะถามว่าเลือดเหล่านั้นน่ะมันหายไปไหนหมดกระพินไม่เอ่ยคำใดกับเขาเดินตรวจรอยไปอีกทางหนึ่งทุกคนเห็นเขาพยักหน้าเรียกบุญคา เข้าไปซุบซิบปรึกษาอะไรกันอยู่เงียบเงียบสังเกตดูสีหน้าของตาพรานเท่าตื่นเลิกหลักชายันดารินและมาเรียซุดตัวลงคุกเข่าล้อมบริเวณพื้นที่เชิดฐานั่งจ้องอยู่ก่อนแล้วมีอะไรผิดปกติหรือครับพี่ใหญ่เสียงมาเรียกระซิบถามขึ้นเบาๆขณะที่จ้องหน้าเขาอย่างสงสัยอดีตท่านทูตทหารบกหัวหน้าคณะรีตาลงบุยปากให้พักพวกดู เมื่อคืนตรงนี้มีเลือดกองใหญ่เรากับใครทำกระป๋องสีขนาดหนึ่งแกนลอนหกไว้แต่เดี๋ยวนี้มันหายไปหมดแล้วพร้อมกับพูดเขาใช้ปลายมีดโบวีเขี่ยพริกดินดูพึมพันต่อมาว่าจะว่ามันถูกดินดูดซึมไปหมดก็ไม่มีรอยเลยนะดินใต้กองเลือดนี่แห้งสนิทเอ้อมันหมายความว่าไงชายันร้องออกมาเบาๆขมวดคิว้ว เชิดายักไหลก็หมายความว่ามีอะไรสักอย่างมาดูดด้วยเลียไปหมดนะสิไลเจ้าอย่างที่ว่านั่นก็คือเจ้าของเสียงร้องไก่ยก่ที่เราได้ยินน่นแหละดารินอุทานออกมาคำหนึ่งอย่างสยดสยองห่อไหลลงถ้ามันเข้ามาที่นี่และดูดกินเลือดกวางที่กองอยู่แล้วก็ควรจะเห็นร่องรอยอะไรบ้างสิแต่นี่ทําไมถึงไม่มีร่องรอยอะไรเลยสักนิดล่ะ ก็อันนี้แหละที่มันเป็นปัญหาให้คิดละ่ะพี่ชายว่าหันไปมองทางราพินผู้กำลังก้มก้มเงยเงยอยู่กับบุญคำทางอีกด้านหนึ่งห่างออกไปสิบกว่าก้าวดูท่าพานใหญ่ของเราก็จะปวดขมองอยู่เหมือนกันรู้สึกว่าเขาจะไม่สบายใจพอๆกับเรานั่นแหละรพินมีความเห็นยังไงมั้งละ่ะนี่ชายยันถามไอ้สือนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ายังไม่แน่ใจอะไรหมอก็ไม่ยอมปริบปากออกมาหรอก ดารินเงยหน้าขึ้นมองหาองค์รรักซึ่งมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประจำตัวหล่อนมาแต่ไหนแต่ไรก็เห็นยืนนิ่งสีหน้ายากจะอ่านความรู้สึกอยู่เบื้องหลังแง่ท า, ายเธอน่าจะรู้ดีกว่าทุกคนนะบอกไม่ได้เลยว่านี่มันคืออะไรเจ้าคนใช้ชาวดงเปิดปากยิ้มเห็นไรฟันก็ถามนายใหญ่ดูดีกว่านายหญิง ก่อนที่ใครจะกล่าวเช่นไรออกไปนั้นก็ต้องลุกขึ้นยืนเพราะเสียงระพินดีดนิ้วเรียกและโบกมือเป็นสัญญาณให้ตามเขาไปหนทางที่กวางเคราะไรตัวนั้นแล่นสุมซานไปแกะรอยได้อย่างสะดวกได้ยิ่งแม้ป่าเบื้องบนจะรกทึบเป็นพุ่มนาแทบจะมองไม่เห็นทองฟ้าแต่ในระดับขนาดสีสักทุกคนก็สามารถจะเดินไปได้อย่างสบาย ปราศจากกิ่งก้านหรือเถาวัลย์ขึ้นเป็นอุปสรรคติ ก, เ ก, กะเพราะธรรมชาติของกวางซึ่งมีเขาเป็นกิ่งอยู่แล้วนั้นจะไม่เลือกบุกเข้าไปในพงรกรุงรงังที่จะทำให้ติดเขาของมันจ้ะขยินและสางตาผู้ออกตามรอยนั้นไปก่อนแล้วนำลิ้วรุทไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วเพราะรู้ทางอยู่แล้วกระพินทอดระยะห่างอยู่เบื้องหลังเคียงคู่กบุญคาซึ่งเป็นคนคู่ใจ ทั้งสองสำรวจตรวจตราไปตามทางอย่างทีท่วนระมัดระวงังเหมือนจะค้นหาร่องรอยแทรกแซงอย่างอื่นให้ได้แต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากรอยพรานพื้นเมืองสามคนที่เดินไว้เมื่อเช้าตรุ่และแล้วไม่กี่อึดใจต่อมานั่นเองทั้งสามที่นำอยู่เบื้องหน้าก็มายืนรายล้อมมุงดูอะไรอย่างหนึ่งตรงบริเวณเนินปลวกภายใต้ซุ้มของเราของป่ารวกรอบด้าน ตำแหน่งนั้นเองเป็นแอ่งลึกลงไปกว่าระดับที่เดินมาในครั้งแรกเมื่อทุกคนตามเข้ามาถึงก็พากันจ้องงันไปศรีรษะที่ประกอบไปด้วยกิ่งเขางามกว้างใหญ่ของกวางตัวผู้ตัวหนึ่งพิงกลิ้งอยู่ที่นั่นเราก็จะถูกใครตัดคอไว้ตัดทิ้งไว้แค่คอส่วนลำตัวทั้งหมดหน่าหายไปมีแต่รอยเลือดที่เรียรายบางๆอยู่ตามใบรวกทั่วไป แมลงวันกระพึงตอมหึ่งกระจุก ข, ขนบางส่วนติดอยู่กับโคนกอรวบด้านรอบด้านและห่างออกไปอีกรัศมี20บเมตรเศษกระดูกกระจัดกระจายกลาดเกลือนขาวโพลนแม้แต่เนื้อบางส่วนตรงบริเวณหัวก็ยังมีรอยถูกแทะจนหินกระดูกในตาก็ถูกควักโบปลายจมูกและลิ้นก็ไม่มีเหลือมีแต่หนังติดหน้าผากอยู่หน่อยเดียวเท่านั้น ภาพที่ถูกรุมกินอย่างสยดสยองพองขนสะกดให้ทุกคนตัวชาไปชั่วขณะมารียกมือขึ้นทำอาเมนดารินหลับตาลงส่วนชายยันกระเดือกน้ำลายลงคออันแห้งผากกระซิบกับเชษถาเบาที่สุดว่าโชคดีเหลือเกินที่เป็นกวางตัวนี้แทนที่จะเป็นพวกเราคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดไม่มีอะไรผิดปกติให้สังเกตเห็นได้ถึงความรู้สึกของพรานใหญ่ ทุกคนเห็นเขายืนพิจารณาดูเงียบเงียบและออกเดินตรวจไปรอบรอบแล้วชี้รอยตำแหน่งหนึ่งให้คณะนายจ้างดูมันมาหมดแรงล้มลงตรงนี้แหละครับสังเกตรอยเท้าที่ถลายลื่นแยกหางออกจากกันนนพอล้มก็กลิ้งเป็นทางลงมาถึงที่นี่เราไม่สนใจหรอกว่ามันล้มอีท่าไหนยังไงเสียงแหบปลาแผ่วเบาของใครคนหนึ่งดังแทรกขึ้น แต่เราอยากจะรู้ว่าอะไรที่มารุนกินมันด้วยลักษณะอันหิวโหยดุร้ายที่สุดอย่างนี้เจ้าของเสียงนั้นคือดารินวราฤทธิ์จอมพรานยิ้มแแค่นตอบในขณะที่ตายังทําหน้าที่สอดส่ายไปรอบๆสำหรับเดี๋ยวนี้บอกได้เพียงว่ามันเป็นสัตว์ฝูงประเภทตัวเบาฟันคมกริบราวกะมีดโกนแล้วก็อย่างที่คุณหญิงว่าะครับ มันเป็นพวกกดโซหิวโหยตะกราาตะกรามที่สุดที่ผมชี้ให้ดูร่องรอยการล้มของกวางก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่ากวางได้ล้มลงตายก่อนแล้วเพราะพิษบาทแผลลูกปืนของกุญชายแล้วพวกมันตามรอยเลือดมารุนกินที่นี่ไม่ใช่เข้าโจมตีกวางในขณะมีชีวิตเสียดายเหลือเกินดินบริเวณนี้แข็งแล้วก็แห้งผากเกินไปทาให้เราไม่สามารถเห็นรอยตีนของมันได้ถนั ถ้าเหตุการณ์ชนิดนี้มันเกิดขึ้นในน้ำแล้วก็ฉันจะต้องลงความเห็นว่ามันเป็นฝุงปลาปิรัญญาอย่างแน่อย่างแน่นอนแต่เท่าที่เห็นก็มีอยู่เฉพาะลุ่มน้ำอเมซอนเท่านั้นน ะ, นะมาเรียสำลักออกมาความสยองใจฉา ย, ายชัดอยู่ในดวงตาสีเขียวที่จ้องภาพหัวกวางอย่างไม่กระพริบลองใคร่ควรดูให้ดีสิพวกหมาในหรือเปล่าเชตาเอ่ยขึ้นอย่างพยายามให้ความคิด บุญคำก็หัวเราะเสียงพิกลอยู่ในลําคอสังเกตดูตาพรานเท่าเองก็ไม่สบายใจอยู่ไม่ใช่น้อยสัญชาตหมานะ่ะมันไม่ทิ้งพันหรอกครับในายใหญ่มันจะต้องเหา่าต้องหอนแล้วถ้ามันมากันเป็นกองทัพอย่างนี้ก็ได้ยินเสียงตาแตกอื้อมาทีเดียวมันไม่เงียบเหมือนอย่างนี้หรอกไอ้นี่มันเห่าเหมือนกันแต่เห่าดังก้อยก้อยหมาชนิดไหนก็ไม่เห่าอย่างนี้หรอกครับในายใหญ่ แล้วบุญคำว่ามันเป็นอะไรล่ะชัยันหันไปมองหนะ้าพรานท่าหัวรับแ ป, ง, แปงอยู่เช่นนั้นชำเลืองแวบไปที่ระพินแต่ก็ไม่ตอบคําถามดารินดูเหมือนจะสังเกตเห็นอยู่ว่าที่บุญคําไม่กล้าเอ่ยคําออกมาก็เพราะพรานใหญ่ใช้สายตาปรามไว้อดรุนทนไม่ได้หล่อนก็โผล่มาว่ารู้สึกว่าสองคนนี่จะมีอะไรเป็นความลับกันอยู่นะมีอะไรทําไมไม่บอกกันมั่งล่ะ ้างหล่อนก็จ้องไปจ้องหน้าบุญคําด้วยสายตาคุณคุณในบอกมาสิบุญคําคิดว่าหมูควรจะเป็นอะไรพวกเรากําลังเผชิญอยู่กับปัญหาที่ทําให้ไม่สบายใจมวัวแต่อ้ำๆ อ, อึ้งๆสงวนท่าทีอยู่นั่นแหละก็สัญญากันไว้แล้วไม่ใช่เหรอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องให้ความจริงแก่กันไม่ใช่จะมามัวปิดๆบังๆอยู่อย่างนี้ซึ่งมันจะมีแต่ผลเสียถามไงส า, ายก็ไม่บอก ถามบุญคำก็ไม่ยอมพูดจะเพิ่งความเห็นจากพรานใหญ่ก็วางท่าอยู่นั่นแหละอีกชักเยอะแล้วนะบุญคำอึกอักอยู่ในลำคอขณะนั้นพรานใหญ่ก็หัวเราะทำบรรยากาศอันตึงเครียดของกุคคงให้เป็นขบขันซะอย่าเพิ่งเยอะครับคุณหญิงเรากำลังอัตะคัดน้ำกันอยู่นะครับยิ่งเยอะมากก็ต้องดื่มน้ำมากเขาลูกนี่นะหาน้ำยากเลยด้วยนา ผมยังเป็นทุกข์อยู่เลยแต่เดี๋ยวผมพอจะมองเห็นน้ำบ้างแล้วละ่ะสำหรับเช้า ว, วันนี้ที่ไหนกันเห็นมีสักหยดดารินพูดมาสะบัดสบัดตื่นขึ้นมาเช้านี้เันอยากจะเอาน้ำที่มีสำรองอยู่บ้างเล็กน้อยล้างหน้าก็ยังไม่ ก, กล้าเพราะจะต้องสงวนไว้สำหรับหุงข้าวและดื่มยิ่งได้ยินแงซท า, ายพูดไว้เมื่อคืนว่าแหล่งน้าบนเขาลูกนี้หาได้ยากมากก็ยิ่งทาให้วิตก เกรงเกรงเพราะตามปกติในขณะเดินทางหล่อนดื่มน้ำมากกว่าคนอื่นๆอยู่แล้วพรานใหญ่ควักบุหรี่ออกมาจุดสูบลักษณะของเขาใจเย็นเป็นปกติพลอยทำให้คณะนายจ้างผ่อนความตึงเครียดลงแม้จ ะ, ะเผชิญอยู่กับปัญหาที่ทำให้ต้องคิดอย่างไม่ปลอดโปร่งใจนักนี่ถ้ายังมัวยืนปรงสากเจ้ากวางเคราะร้ายอยู่ตรงนี้แล้วก็ ผมว่าเห็นจะไม่ได้น้ำหรอกนะครับแต่ถ้าออกเดินหามคงจะได้ละ่ะใช่สิเดินหากันเป็นวันไงนักมานุษยวิทยาสาวประชดอย่างหัวเสียมองดูเขาด้วยตาขวางๆเพราะเข้าใจว่าถูกยั่วเล่นทันใดนั้นมาเรียก็กล่าวมาเรียบๆว่าฉันคิดว่าแหล่งน้ําคงอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่หรอกน้อยเธอรู้ได้ไง เธอเคยผ่านเขาลูกนี้มาแล้วงั้นเหรอเม่ดารินหันขวับไปถามด้วยเสียงเขียวอารมณ์มัวมั ว, มวเสียงของหล่อนเกือบเป็นตะวาดแต่เพื่อนสาวต่างผิวยิ้มไม่ถือเป็นอารมณ์ฉันไม่เคยผ่านเขาลูกนี้มาก่อนดอกน้อยแต่สันนิษฐานออกจากสิ่งที่เห็นน่ะกวางตัวนี้ถูกยิงเสียเลือดมากธรรมชาติของมันจะต้องวิ่งเข้าหาแหล่งน้ําเพื่อหาน้ําดื่มและมันก็บายหน้าวิ่งมาทางนี้ แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวลม้มลงซะก่อนถึงยังไงก็ตามน่าจะสันนิษฐานเอาไว้ว่าควรจะมีแหล่งน้ำอยู่ไม่ห่างจากที่นี่นักนะรพินมอ ง, างมาเรียด้วยตาเป็นประกายทึ่งยิ้มพร้อมก้มศีรษะให้เล็กน้อยอืมไม่สีแรงที่เกิดมาเป็นลูกสาวพรานใหญ่คุณชำนาญในธรรมชาติของสัตว์ได้ดีนี่น้าเสียงที่กล่าวยกย่องนั้นจิตนาจะยั่วกระทบไปยังอีกคนหนึ่ง ซึ่งยืนฟังอยู่ใกล้ๆดาริ น, น่าแดงและสะบัดมือไปทางหนึ่งะ ใ, ในขณะที่มาเรียสงยิ้มตอบไปยังระพินหลอนชื่นชมพอใจกับคำนิยมของเขาอย่างเปิดเผยเชษฐากรชยันก็มองไปทางพัญยาไม้สาวสวยของนักสำรวจด้วยสายตาเลื่อมใสและระพินก็หันไปสั่งพวกพลานพื้นเมืองที่ตามมาด้วยให้แยกกันออกสารวจหาแหล่งน้าในบริเวณใกล้เีย คงเหลือแต่เขากับคณะนายจ้างนั่งพักรอกันอยู่ตรงซากของกวางตัวนั้นมาเรียสบัดซิปโปประจำตัวออกมาขีดสองสามครั้งมันไม่ติดเพราะน้ำมันหมดหล่อนจึงหันไปขอต่อกับพระพินผู้อยู่ใกล้ๆที่สุดเขาส่งบุหรี่ติดไฟไปให้แม่สาวแทนที่จะรับบุหรี่จากมือเขากลับจับข้อมือข้างนั้นของเขาไว้อย่างถือสนิท ด, ดึงเข้ามาจนจรดกับบุหรี่ของหลอ ย้อมพานเหลือไปพบกับหางตาคมคมของใครคนหนึ่งที่ชำเลืองมาก่อนแล้วแวบหนึง่งแล้วตาคู่นั้นก็มืนทำเป็นไม่เห็นซะทำความกระอักกระอ่วนกังวลใจสำหรับเขาซะยิ่งกว่าปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนี้อันเกี่ยวกับกลิ่นไอของอันตรายลึกลับซึ่งยังไม่สามารถจะทายถูกว่ามันจะมาในรูปใดชยยานั้นลงนั่งบนขอนไม้ผูกอะไรเฟิ่ภาคตัก มือทั้งสองกลุ่มท้ายทอยมองดูทราบขัวกวางแล้วกับพริบตาปริบๆพูดเสียงแห บ, หบๆกับสหายผู้นั่งเคียงอยู่ใกล้ๆว่าเสียด้ยหรือเกิดความจริงกวางตัวนี้มันควรจะเป็นอาหารเช้าจะเป็นสเสบียงชั้นดีต่อไปได้อีกหลายมือเชอะไต้ผีหาอะไรก็ไม่รู้สิลงกินซะหมดยังห่วงกวางตัวนั้นอยู่อีกเลยใช่ยัน มันทึงกวางเป็นนดีแล้วดีกว่าที่มันจะยกขยงมาทึงพวกเรารูปการน่ะมันบอกชัดนะถ้าจะไม่เหมาะซะแล้วนะเชษถาตอบอย่างกังวลใจนี่ไม่มีความเห็นอะไรบ้างเหรอผูกออดีนตนายทหารปูงใหญ่หันไปถามไออ้อยเอาเท้าถีบหัวกวางคลิกไปมาผมคิดว่าไม่มีอะไรที่เราจะต้องกังวลหรอกครับ สังเกตดูลักษณะที่มันลงกินซ่า ก, กวางนี่ก็พอจะประมาณได้ว่ามันไม่น่าจะมีอันตรายอะไรสําหรับพวกเรานักมันมารุนกินซ่า ก, กวางก็ต่อเมื่อกวางได้ล้มลงแล้วนั่นน่าจะสันนิษฐานได้ว่ามันไม่ใช่สัตว์ที่ว่องไวปราดเปรียวมีดิ์ร้ายอะไรนักแม้ว่าจะมีปากคมมีความหิวโซแล้วก็กินอย่างตะกลักตะกรามอย่างที่สุดก็ตามมันคงไม่มีปัญญาที่จะจับสัตว์ชนิดใดกินได้เองหรอก นอกจากรอให้สัตว์นั้นหมดทางหนีซะก่อนและนี่ก็น่าจะเดาได้ว่าทำให้พวกมันอดโซอ่อยู่เป็นนิดออกตะเวนหาซากสัตว์กินเฉพาะในเวลากลางคืนอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อคืนนี้น่ะมันมีกวางกินเราก็เลยนอนกันได้อย่างสบายแต่คืนนี้มันอาจจะหันมาทางเราก็ได้นะเชิดาว่าอันนี้ผมก็ยังไม่กล้ารับรองเหมือนกันครับ เพราะมันเป็นสัตว์ประเภทที่ไม่เคยพบมาก่อนอ่านมันยังไม่ค่อยออกชัดมันอาจเล่นงานเราหรืออาจไม่กล้าก็ได้เมื่อคืนนี้ก็มาล้อมดูเราอยู่ไม่ไกลนักแล้วก็กล้าจนถึงขนาดย่องเข้ามาดูดเลือดกวางที่กองอยู่กับพื้นกินใกล้ๆที่นอนของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่ามันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนมาไหวตัวกันขึ้นก็ตอนที่ได้ยินเสียงร้องของมันเท่านั้นแต่จะยังไงก็ตาม ถ้ามันเข้ามาผมก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องเหลือบากว่าแรงอะไรนะักพวกเราทั้งสิบสองคนผิดนักเห็นท่าไม่ดีก็จัดยาไว้ก็ได้นี่และจอมพลานก็หัวเราะออกมาเบาๆกล่าวต่อว่าภาวนาให้มันเถอครับให้มันมาเถอครับเราจะได้เห็นชัดออกไปเลยว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ผมหรือพวกคุณทุกคนอาจจะเคยได้ยินเขาเล่ากันมาเป็นนิยายเกี่ยวกับเรื่องป่ามาก่อนเท่านั้น คราวนี้ลองปรเชิญกับตัวจริงมันดูสักทีไปไลยคำพูดของเขาทำให้คณะนายจ้างทุกคนจ้องหน้ามาเป็นตาเดียวได้ยินมาก่อนหมายความว่าไงเฉถาและชัยยันร้องถามมาเป็นเสียงเดียวกันก็ผีกองกอยยังไงล่ะครับทุกคนอ้าปากทางปะลึงผึงเพลิดไปชั่วขณะผีกองกอย เพาชื่อมันฟังพิลึกพิลั่นฟังดูเป็นนิยายอย่างนี้ละครับผมถึงไม่อยากจะให้บุญคำซึ่งมักจะถนัดในเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วเปิดปากพล่อยๆบอกอะไรกับคณะของพวกเราไปจนกระทั่งทำให้คุณหญิงโมโหความจริงบุญคำนะแอบมากระซิบบอกผมก่อนแล้วตั้งแต่เมื่อคืนก็บอกด้วยว่าถ้ามันดูดกินหมดแม้กระทั่งเลือดแล้วก็มันเป็นผีกองก่อยแน่ผมถามว่าแกเคยพบมาก่อนเนะ แกก็บอกว่าพ่อแกสอนไว้สอนไปถึงพ่อแกว่าพ่อเคยเห็นเหรอแกอ้อมก็อ้อมแอมโยนไปถึงปู่มันก็เป็นเรื่องเล่าสืบทอดต่อๆกันมาผีขหมดนะเราเผชิญกับมันมาแล้วคราวนี้คงได้เผชิญกับเจ้าผีกงกอยดูบ้างผมไม่ได้แปลชื่อภูเขาลูกนี้ให้พวกคุณทราบเองเพราะมันฟังแล้วไม่เป็นมงคลหูนักจะทําให้เราแรมคืนกันบนนี้ไม่มีความสุขใช่เปล่า แต่ไหนๆก็บอกเรื่องนี้แล้วก็เลยขอบอกซะเลยมังมหานรทาเรียกเขาลูกนี้ตรงตัวเลยล่ะครับว่าเขากองก่อยแหนไสเองสมัยที่ผ่านมาคราวก่อนก็เจอเขาก่อนแล้วเวลานอ น, นต้องนอนบนต้นไม้ครับสิงช ย, ยันอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งยาวเหยียดสีหน้าของอดีตนายทหารปืนใหญ่ปั้นยากที่สุดเขารู้สึกว่าอากาศของดงแถบนั้นเยือกเย็นเข้าจับขั้วหัวใจ ดารินซึ่งนั่งปั่นปึงเชิดหน้าห่างออกไปทางหนึ่งหล่นทลาเข้ามารวมกลุ่มอย่างขวัญหายส่วนมาเรียภายหลังเมื่อเชิฐาส่งภาษาบอกความแมมสาวก็ยังคงทำหน้างงไม่รู้เรื่องอยู่เช่นนั้นเพราะไม่เคยประษากับชื่อที่คมขวัญในแบบนี้มาก่อนหล่อนพยายามอ่านสีหน้าและอาการของแต่ละคนแล้วคอยสกิดถามอยู่เป็นระยะให้ช่วยถ่ายทอดอธิบายไม่มีปัญหา นามชนิดนั้นเชษฐถาชายันและดารินล้วนเคยผ่านหูมาแล้วเว้นไว้แต่จะคาดไม่ถึงเท่านั้นเท่าๆก็ยังไม่สามารถจะค้นพบกับคำอธิบายโดยละเอียดมาก่อนในนามอันฟังและชวนให้ขนลุกเช่นนั้นอย่างไงก็ตามชื่อของมันที่แว่ออกมาจากปากของพรานใหญ่ก็มีอิทธิพลอย่างประหลาดลำ้ทำทาให้ต้องเย็นว่าไปถึงไขสันหลังเพราะอุปทานในทางร้าย ถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อได้ฟังดังนี้ไม่คนใดคนหนึ่งก็ต้องหัวเราะออกมางอหายแต่ในยามนี้คณะพ จ, จนภัยชาวกรุงผู้ผ่านความชิวิไลสูงสุดแล้วพากันนั่งเงียบกริบได้แต่มองตากันเองแล้วแลมไปยังจอมพรานเหมือนจะขอให้ช่วยอธิบายมันควรจะต้องเป็นสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เหรอในที่สุดเชษฐาก็กล่าวขึ้นอย่างแผ่วเบา เดิมทีที่ได้ฟังพรานเ ก, าเก่าเขาเล่าผมก็ลงความเห็นไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนอกจากเหมาว่านั่นเป็นเรื่องที่กุกกันขึ้นมาเท่านั้นเพราะสาระในคำบอกเล่าเหล่านั้นมันโน้มน้าวไปในเรื่องของพูดผีประเภทหนึง่งถ้าเจ้าสิ่งที่มารุนกินกวางของเรานี่เป็นชนิดเดียวกันกับที่ถูกระบุว่าผีกองกอยมันก็คือสัตว์ประเภทหนึง่งอย่างไม่มีปัญหาอาจะร้ากาดแน่ครสักแค่ไหน พวกเราก็ต้องจังหน้ากันมันสักก่อนล่ะครับถึงจะรู้รพินกล่าวด้วยน้ำเสียงเรื่อยๆตามบุคลิกที่อ่านความรู้สึกได้ยากของเขาผีกองกอยมันมีอยู่จริงเหรอเนี่ยชายันร้องออกมาเหมือนจะถามตัวเองก็ เ, เห็นจะจริงขึ้นมาใช่แล้วละมั้งโดยสิ่งที่เราพบเห็นร่องรอยหลักฐานอยู่เนี่ยเช็ดท้าหัวเราะฝืนๆอยู่ในลาคอ ต่ฤทเดชมันจะไร้ากาดเหมือนเช่นที่นิยายเล่าไว้หรือไม่นะ่ะเราจะได้เห็นกันอย่างที่รพินว่านั่นแหละถ้าหากมันพยายามจะเข้ามายุ่งกับเราฉันรู้จักคําว่าผีกองก่อยเพราะในพจนานุกรมเท่านั้นน่ะลักษณะของมันเป็นยังไงในทัศนคําบอกเล่าของพวกชาวป่านักมานุษยวิทยาสาวถามมาด้วยเสียงที่บังคับให้เป็นปกติอันนี้ก็เห็นจะต้องถามบุญคําช่แล้วละครับ แกจะสาธยายให้ฟังได้พิลิกเกืกกือทีเดียวสำหรับผมนะ่ะเท่าที่เคยได้ยินมาก็พอจะเดาได้ว่ามันร้องเสียงก้อยก้อยดังเยือก เ, เย็นเหมือนที่เราได้ยินเมื่อคืนมันแอบเข้ามาดูดเลือดคนเดินป่าที่นอนอยู่กับพื้นดินจนตายส่วนที่ว่าคนจะงโง่นอนให้มันดูดเลือดหรือว่าขี้เซายังไงจนถึงกับปล่อยให้มันเข้ามาทําอันตรายถึงตัวได้โดยไม่มีการรู้สึกนั้น ผมก็คาดคันซักความไม่ได้ละเอียดจากคนเล่าหรอกทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าและโดยการบอกเล่าของชาวป่านั้นเราได้แต่ฟังเฉยๆครับจะซักไซหาเหตุหาผลเพื่อทำคนะิวอดีน่ะไม่ได้หรอกครับสร้างป่าก็บอกกับฉันเหมือนกันนะว่ามันเป็นผีประเภทหนะึ่งมาเรียเอ่ยขึ้นอย่างปราศจากความสะดุ้งสะเทือนใดๆทั้งสิ้นตรงข้ามกับหัวเราะกบขันแต่จากหลักฐานที่เห็นอยู่นี่ ฉันเห็นด้วยกระพรานใหญ่นะว่ามันเป็นสัตว์กินเนื้อจับกลุ่มเป็นฝูงๆแล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะไล่จับเหยื่อเองได้นอกจากจะไปพบซากอะไรที่ตายเข้าก็รุมกินแบบแรงไม่งั้นเมื่อคืนนี้มันก็น่าจะโจมตีพวกเราแล้วสิยังประมาทหรือประมาณการในขั้นต่ำอย่างใดไม่ได้ทั้งนั้นนะเมัวหน้กคณะกล่าวอย่างรอบคอบระมัดระวัง เหลือตาไปยังหัวกวางที่กลิ้งอยู่ด้วยความระแวงเมื่อคืนนี้นะพวกเราตื่นและเตรียมพร้อมกันหมดทุกคนประจวบกับที่มันพบซากกวางนั่นสะกก่อนสมมุติว่าทําเมื่อคืนไม่มีซากกวางแทนและมาพันมันพากันย่องเข้ามาโดยไม่ส่งเสียงขึ้นเลยละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในขณะที่พวกเราทุกคนหลับกันทั้งหมดด้วยความอ่อนเพลียสังเกตได้ด้วยว่าเมื่อคืนนี้เนะี่ย เราได้ยินแต่เสียงร้องของมันเท่านั้นแต่การเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้ยินเลยนะสองไฟไปก็ไม่พบตัวทั้งๆ ท, ที่รู้สึกว่ามันเข้ามาอยู่ใกล้ๆคําคพูดของเขาทําให้ทุกคนคิดและเริ่มไม่เป็นสุขนักสิ่งที่มาเรียฮอกมันคาดคะเนวไว้ด้วยความชํานาญของหล่อนไม่ผิดไปเลยไม่กี่นาทีนั่นเองขณะที่ยังนั่งสุดบุรีปรึกษาหารือกันอยู่แงซายและพวกพรานพื้นเมือง ทีระพินใช้ให้แยกกันออกไปหาแหล่งน้ําก็พักกันเดินรวมกลุ่มพลูออกมาบานหลังของสั่งปลาและขยินสะพายกระบอกไม้ไผ่สดที่เพิ่งตัดมาใหม่ขนาดใหญ่มีน้ําบรรจุเต็มมาคนละกระบอกพวกนั้นรายงานให้ทราบว่าลึกกว่าระดับที่ทุกคนนั่งพักกันอยู่ลงไปอีกเพียงสองเส้นเท่านั้นมีน้ําพุเล็กๆไหลออกมาจากซอกหิน และขังอยู่ในแองตื่นเพียงแค่สององคุรีเท่านั้นพวกนั้นช่วยกันคอดใส่กระบอกไม้ไผ่มาได้แค่สองกระบอกถ้าจะเอาให้มากกว่านั้นก็ต้องรอเวลาที่น้ำจะค่อยๆซึมออกมาอีกช้ยันขอเอาไปดูพอมองเห็นก็ทำหน้าเบยยื่นให้เชษฐาดูอีกคนหนึ่งศรีก็โอนไปนงั้นแหละไหวเลยเนี่ยทิ้งให้นอนก้นจะใสกว่านี้นะนายทหาร นี่ต้องเอาใบไม้ขอดใส่มาทีเดียวนาแองมันตื้นก็เลยขุนคลักอย่างนี้แหละบุญคำบอกมายิ้มยิ้มเงาสายบอกไว้ว่าน้ำสืวนมากบนเขาลูกนี้นะ่ะเป็นพิษแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำที่เอามานี่ไม่ทำให้ชักดิ้นมีอันเป็นไปกันทุกคนดารินร้องถามมาอีกคนหนึงว ย, ยกระบอกน้ำไปก้มลงดมอย่างไม่ไว้ใจ ไก่ป่ามันกำลังลงกินอยู่พอดีนายหญิงถ้าสัตว์กินได้คนก็กินได้เงยสายตอบทำให้คณะนายจ้างหมดกังวลไปได้เกี่ยวกับปัญหาที่ว่า น, น้ำจะสะอาดพอหรือไม่นั้นก็เป็นอันว่าพ้นไปเพราะดารินมียาสำหรับฆ่าเชือ้อและหล่อนก็ใส่ลงไปในน้ำที่ใช้บริโภคทุกครั้งนับตั้งแต่ออกเดินทางมาการได้น้ามาสองกระบอกใหญ่ปริมาณจุกระบอกละร่วมกันลอนเช่นนี้ ก็ต้องนับว่าประเสริฐสุดแล้วทมกลางความธุรกันดาลอัตคัดเช่นนี้ต่างกลับมายัางที่พักกินอาหารพอประทังชีวิตแล้วก็ออกเดินทางทันทีระพินวางเข็มฝ่าดงแนวขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งหนทางแม้จะขึ้นขึ้นลงๆนับมอและมากไม่ท่วนก็ยังเดินสะดวกกว่าหนทางที่ผ่านมาแล้วเมื่อวาน สองชั่วโมงเต็มเมที่งมกันไปในดงดึกดำบรรที่เงียบสงัดปราศจากร่องรอยของสัตว์ใดๆหรือพืชชนิดใดที่พอจะเก็บเอาเป็นสเสบียงได้พอล่วงเข้าชั่วโมงที่สก็พบกับทุ่งหญ้าขนสลับไปกับต้นเต็งแล้วก็เลียบเลาะไปตามทุ่งแฝกอันมีใบสากคายและเห็นร่องรอยของไฟป่าที่กินไว้โล่งเตียนบางแห่งอันเป็นผลมาจากความแห้งแล้ง แสงแดดเริ่มแรงกล้าขึ้นเมื่อผ่านออกมาสู่ที่โลกระพินกับพวกพรานพื้นเมืองใช้มีดกรีดกิ่งไม้ที่เดินผ่านไปเป็นระยะและหยุดสังเกตลู่ทางอยู่บ่อยครั้งก่อนที่จะตัดสินใจตัดทางพักเที่ยงกันที่เนินริมทุ่งตอนหนึ่งก่อนเริ่มต้นเดินทางต่อไประพินเรียกแง่ทายเข้ามาพูดอะไรกันอยู่ครู่หนึ่งก็บอกให้หนายจ้างทราบว่า เขาจะนำตัดขึ้นเนินลูกเล็กๆที่แลเห็นอยู่ทางทิศใต้ของทุ่งเพื่อเข้าหาแอ่งนา้ามวกสำหรับพักนอนค่ำนี้บีนกันหน่อยนะครับถ้าไม่งั้นพรุ่งนี้อีกวันเราก็ไม่มีทางพ้นทิวเขาใหญ่ลูกนี้ไปได้อีกอย่างหนึง่งเราก็ต้องหาแหล่งน้าไว้ก่อนด้วยเอาไงก็เอากันไม่ต้องห่วงเชิดถาร้องบอกมาพร้อมกระตบไหลเมื่อกาลังที่อยู่ตัว และความเข้มแข็ง แ, งแกร่งทารหดที่ลอล้อมจิตใจมาเป็นอันดีแล้วของทุกคนในคณะทั้งหมดร่อนแรมไปอย่างบากบัน่นไม่มีใครพูดอะไรกันโดยไม่จําเป็นเพราะก้มหน้าก้มตาเดินเดินแล้วก็เดินนอกจากบุญคําคนเดียวเท่านั้นที่ค่ําครวญเพียงยี่เกที่ขึ้นต้นว่าโอ้เจ้าช่อมะนาวของแกไปเป็นระยะทําให้ไม่ถึงแต่เงียบจนเกินไปนักแล้วครั้งหนึ่งชา ย, ยันก็บ่นว่า เย็นนี้เห็นทีจะต้องอาศัยข้าวลิงซะเป็นแน่แท้เพราะย่ำกันมาหลายชั่วโมงเกือบตลอดวันแล้วยังมองไม่เห็นวี่แววของสัตว์ที่จะมาเป็นอาหารได้เลยแม้แต่ข้างหรือลิงสักตัวบ่ายสามโมงอากาศลดความอ้าวลงเล็กน้อยเพราะตะวันถูกบังอยู่ยังยอดเขาทมรมนเบื้องหลังทั้งคณะบุกกันไปในป่าเต็งสลับหญ้าคาอีกครั้ง แอ่นหน้าม่วกเป้าหมายของแง่ทรายอยู่ในระหว่างตีนดอยเล็กๆสองดอยเทราดลงมาบรรจบกันแล้วความหวังของทุกคนก็เริ่มมีขึ้นเมื่อผ่านต้นมะกอกป่าและต้นเข็ดซึ่งขึ้นอยู่ประปรายห่างๆกันปรากฏว่ามีรอยของละมั่งและสมันลงกินไว้ใหม่ๆแต่ก็ไม่มากนะักยิ่งกว่านั้นเมื่อใกล้ตีนดอยเข้าไปก็ยังเต็มไปด้วยป่าลูกเดือย พวกพลานพื้นเมืองช่วยกันเก็บเพื่อนำไปหุงต้มรวมกับข้าวสารซึ่งเหลืออยู่เป็นมือสุดท้ายประมาณอีกเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็บรรลุถึงพื้นราบบนไหล่ดอยตอนหนึ่งใต้ต้นสัก์ใหญ่ที่สูงทะยานเยี่ยมขึ้นไปชูยอดเสียดฟ้าเรากับจะเป็นประธานของหมู่ไม้ใหญ่น้อยในละแวกนั้นรอบดานน้ำม่วกที่แงาซายบอกไว้คือบ่อน้าธรรมชาติ ขังอยู่ในแอ่งหินลักษณะเกือบจะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินสองเมตรน้ำที่ขังอยู่มีสีขาวมัวเหมือนน้ำนมจางๆแต่ก็จืดสนิทและเย็นเฉียบรับพินสั่งให้ปรุงของลงนั่นหมายถึงการเดินทางของวันนี้จะสิ้นลงเพียงแค่นี้ระหว่างการจระเตรียมที่พักมาเรียก็เดินเข้ามาบอกคณะพักพวกทุกคนที่นั่งพักขาดื่มน้าอยู่ว่า หรืออีกสองชั่วโมงก่อนมืดฉันจะไปหาเนื้อตอนที่ผ่านมานี่เห็นรอยอยู่หลายแห่งปเดี๋ยวผมก็จะออกไปเหมือนกันระพินบอกหล่อนยิ้มห้ดูท่าไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรนะักยังคล่องแคล่วปราดเปรียวอยู่เหมือนเดิมอ่ะทางนั้นเราก็แยกกันไปดีเหมือนกันช่วยกันหลายๆทางโอกาสจะได้มีมากขึ้นอย่ากลับให้ค่ำแล้วก็อย่าไปให้ไกลนักนะ เชษถาสั่งสั้นๆเขาไม่มีอะไรจะต้องห่วงกังวลกมาเรียเลยในข้อเสนอของแม่พรานสาวเพราะเห็นฝีมือมาดีแล้วมาเรียไม่กล่าวอะไรอีกโบกมือให้ทุกคนแล้วเดินไปยืมเรมิงตันบรรจุลูกสองห้านัดของขยินโดยทิ้งจุด375ห้าไว้ให้พรางพยักหน้าชวนเจ้าพรานตองสู่ของหลอนและเพียงไม่ถึงอึดใจร่างอันคล่องแคล่วของนักนิรุติศาสตร์เลือดผสมตับพรานคู่ใจ ก็หายลับเข้าป่าไปพระพินสุบุรีไปได้ครึ่งตัวก็ดับใส่กระเป๋าเสื้อไว้ช่วยจุดส0ศทัพ0ูของเกิดชวนบุญคำแยกออกไปอีกทางหนึ่งส่วนชายยันก็พยักหน้าชวนแงท า, ายเพื่อช่วยกันออกหาเพิ่มขึ้นอีกแรงหนึ่งกลายเป็นสามสายคงทิ้งให้สองพี่น้องราชสกุลอยู่เฝ้าที่พักพร้อมกับพวกพรานที่เหลือ ซึ่งยุ่งอยู่กับการจัดที่หลับที่นอนและหาฝืนพลานใหญ่กระบุนคำเดินทับไปบนเส้นทางของมาเรียและสังตาครู่หนึ่งรอยของหล่อนอ้อมเนินไปยังปาโปรงหลังเนินอันอุดมไปด้วยมะขามป้อมและมะกอกป่าแต่เขาแยกเข้าป่าทึบอีกด้านเพราะบุญคำชวนหาข้างยังไม่ทันจะไต่พ้นบริเวณปลวกระพินไครวันก็ต้องสะดุ้งสุดตัว เพราะเสียงตะโกนสุดเสียงของใครคนหนึ่งจากเบื้องหลังไม่ไกลนักเพราะได้ยินอย่างถนัดระวังนายแมมลบก่อนพร้อมกระเสียงนั้นยังไม่ทันจะสิ้นกระสุนนัดหนึ่งก็แผทระเบิดขึ้นกึกก้องมันเป็นเสียงลูกซองติดตามมาด้วยเสียงฝีเท้าที่โคกตะลุยจนแผ่นดินสะเทือนเสียงต้นไม้ย่อมย่อมถูกกาลังรุนแรงมาหาศาลปะทะขาดสะบั้นเราก็จะถูกบันดาลขึ้นโดยลมเพชรเหึ สัพพะสํเนียงแห่งความโกลาหนและตลบไปด้วยกลิ่นไอมรุตตอยู่มันเหมือนจะเกิดขึ้นใกล้ๆนี่เองและมันก็ได้ยินไปทั่วหมดทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายของเชษฐาผู้นั่งพักอยู่ที่แคมป์หรือฝ่ายของชา ย, ยันที่เพิ่งแยกไปอีกทางหนึ่งเพราะอยู่ในรัศมีใกล้เคียงแล้วเลือดในกายของทุกคนก็แทระจับเป็นก้อนแข็งเมื่อได้ยินเสียงแหลมก้องของมาริอาฮอฟมันพรานใหญ่ผู้ออกจากที่ วิ่งตะลุยตรงไปยังต้นเสียงที่มานั้นสุดกําลังเท่าที่มีอยู่บุญคำก็โลดแล่นตามหลังเข้ามาติดๆขณะนั้นเสียงไรฟ้นก็แผดสนันขึ้นมาอีกนัดหนึ่งมันจะต้องเป็นจุด375หของสางปานั่นเองท่ามกลางเสียงร้องโวยวายไม่เป็นภาษาของเจ้าพรานตองสู่และเสียงฝีเท้าหนักๆที่ขวบตะลุยมาเป็นพายุบุแคมปานปา่าถล่มเสียงลมหายใจฟืดฟาดหนักแรง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 แต่แวบเดียวที่แลไปเห็นสันนอกบนคอปา น, นเนเรนเหล็กเขาที่โค้งเข้าหากันหน้าผากและข้อเท้าทั้งสี่ตัดด้วยขอบเขารับพินไทรวันก็บอกได้ในทันทีนั้นว่ามันคือกระพิงเจ้าแห่งความว่องไวปราดเปรียวและมุทะลุดีเดือดของใครกว้านซึ่งความดุร้ายทรหดอย่างบ้าบินของมันเกือบจะจบชีวิตพรานใหญ่อย่างเข้ามาแล้วในอดีตเขามองไม่เห็นมาเรียไม่เห็นสางตา นอกจากเสียงร้องตะโกนไม่เป็นภาษาคนอยู่เช่นนั้นซึ่งคงจะดังมาจากยอดไม้ต้นใดต้นหนึ่งในละแวกนั้นยามนี้ตะวันจางแสงสาประสมีอ่อนเรืองลงมาอาบร่ามหือมาของเจ้าสัตว์ร้ายเป็นมันละเลื่อมมันกำลังแหงนบึง้งสะบัดเขายัางว่องไวรวดเร็วอยู่ไปมาพร้อมเสียงหายใจฟืดฟาดความตกใจเพระเดาไม่ถูกในเหตุ ก, ตการณ์ที่เกิดขึ้นกัมแมงสาวทาเข้า ทำให้เขาแล่นฝากอหญ้าและเถาวัลแห้งตรงก็ไปอย่างไม่ยอมหยุดยัง้งและพริบตานั่นเองขณะที่ระพินกําลังฝ่าพงหาทางออกอยู่พร้อมก็สายตาที่จับจ้องออกไปเขาก็เห็นร่างของมาเรียลุกทรวดพลาดขึ้นจากกอหญ้าแห้งตอนหนึง่งทิศทางที่ลอนโผล่ขึ้นมานั้นอยู่ตรงหน้าของกระเทงที่กําลังขยับสะบัดเขาห่างออกไปเพียงไม่เกินยีสบเมตรหลอนประทับปืนลูกซองที่ถืออยู่ในมืออย่างรวดเร็ว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 อุมแรกเป็นเสียงลูกซองกระบอกนั้นระเบิดเข้าใส่ส่วนตอ้นที่สองที่ปรากฏขึ้นอันเกิดจะเป็นเวลาเดียวกันคือเสียงต้นเคสขนาดลำขาที่ยืนต้นอยู่ใก ล, กล้ๆกับตำแหน่งที่มาเรียยืนขาดสะบั้นไปเราก็ถูกอำนาจระเบิดด้วยกำลังมาหาศาลที่โถงขีดกิ่งใบไม้ใบหญ้ปลิวกระจายเป็นฝอยเป็นทางอู้ไปตลอดระยะวิ่งของมัน ร่างของมาเรียหายวับไปอีกหลอนจะแหลกเหลวไปแล้วหรือไม่นั้นเขาไม่ดูเขาดูไม่ทันและเห็นไม่ถนัดถ่ามกลางผงคลีอันตลบอบอวนนั้นเห็นแต่เพียงเจ้ากระทิงร้แรนเลยตำแหน่งที่หลอนเคยยืนไปหยุดแล้วแว้งตัวกลับตั้งท่าสะบัดเขาฟืดฟาจู่อีกจังหวะชั่วเสี่ยวของวินาทีอันแข่งกระหตุการณ์นี้ทั้งเขาและบุญคา กำลังวิ่งตะลุยแหกทงเถาวันแห้งออกมาอย่างใจหายใจความความรู้สึกบอกตอนเองว่ามันช่างสักร้อยปีก็ไม่ปานกว่าจะพ้นพุ่มรกอันเต็มไปได้วยนามออกไปจากเหตุการณ์ที่เขาก็พอจะเดาได้แล้วมาเรียกำลังทำศึกใหญ่อยู่กับเจ้ากระทิงโทนบ้าเลือดตัวนั้นชนิดวางชีวิตไว้เป็นเดิมพันโดยรูปการแล้วหล่อนคงไม่ได้เจตนาที่จะล่ามันก่อนเลย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 แต่เขาก็ได้ยินเสียงไรเฟิลกระบอกนั้นลั่นเพียงนัดเดียวไล่ๆ่กับลูกซองของมาเรียที่ระเบิดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินแต่เสียงร้องอย่างตกใจของมันคร่มอยู่เท่านั้นถ้าจะให้ทายก็คือเจ้าสางปลาคงจะปริทิ้งปืนแปลสภาพเป็นลิงแล่นขึ้นต้นไม้ไปซะแล้ว่อยให้นายสาวประจันหน้ากับมฤตยุร้ายเพียงคนเดียวอย่างใจเด็ดสมเชื้อไขพรานใหญ่ โดยมีมันช่วยได้ก็แต่เพียงส่งเสียงโวก์โวกอยู่บนต้นไม้มารียยังไม่ตายเขาเห็นหลอนโผล่ขึ้นมายืนอีกแล้วพร้อมกับปืนที่ประทับอยู่บนไหล่วูกที่หล่อนยืนคือวูกที่กระทิ้งซึ่งเราจังหวะอยู่แล้วพรวดพลาดเข้ามาอีกคนละตูมเป็นการแลกกันอย่างยุติธรรมที่สุดกระสุนของหล่อนระเบิดและต้นไม้ขั้นเคียงก็ขาสะบั้นไปในพริบตาด้วยคมเขา ผสมกับความแรงเดี๋ยวนี้เขาเห็นันัดขึ้นแล้วด้วยกำลังใจที่ดีขึ้นมาเรียฉลาดที่สุดและคงจะลากระทิงมาอย่างช่ำชองดีแล้วจนสามารถเข้าใจได้ถึงสัญชาติยานและอุปนิสัยของมันเพราะทันทีที่รอนทันหลันขึ้นยืนรอนไม่ดูผลไม่ยืนเซ่อซาเกะกะอยู่แต่จะล้มตัวลงนอนราบกับพื้นทันทีนั่นเป็นจังหวะเพียงชั่วพริบตาเดียว ก่อนที่มัจจุราชเขาง้องจะพุ่งปราดเข้ามาเสยขวิดด้วยแรงสลาตันของมันพุ่งพงและต้นไม้ใกล้เคียงกับที่หลอนยืนอยู่ก่อนถานกระจุยแหลกวินาทไปเห็นทันตาเสียงโลดแล่นตะบึงใส่ของมันสิงกิ่งไม้หักโคนไม่ต้องพูดถึงมันประดังประหนึ่งว่าป่าละแวกนั้นจะถล่มทลายไอ้มหาการนั่นก็บรมทายากมันจะเอาชีวิตหลอนให้ได้ พอชนผิดแล่นเลยไปได้หน่อยมันก็หยุดแวงวกกลับมาจ้องคอยท่าอีกรอจังหวะที่เยื่อของมันจะยืนขึ้นมาถาโถมกขคุดได้ถนัดแต่มันผิดหว่ะมนุษย์ผู้หญิงผมสีเหมือนหญ้าแห้งคนนั้นไวกว่ามันมีน้ำซ้ำยังล่วงรู้ถึงอารมณ์ตลอดจนชั้นเชิงของมันด้วยตอนล้มตัวนอนราบบ่อยให้มันกระโจนข้ามกายไปทุกครั้ง ภายหลังจากโผล่ขึ้นมายิงเล่นเอาเธอเจ้าล่อไปพันกันอยู่เช่นนั้นอย่างน่าดูบัตนี้เลือดของมันแดงฉานไปตลอดทั้งส่วนหัวและสะบักแต่แน่ละลูก ป, ปืนในชั้นลากวางนะไม่มีทางจะยุติความดุร้ายบ้าเลือดของมันลงได้นอกจากความพยายามมากรายจนถึงขีดสุดซีนัทที่หลอนปล่อยสวนหน้าออกไปไม่ทําให้มันลดถอยกําลังไปเลย มีแต่จะว่องไวดุดเดือดยิ่งขึ้นทุกครั้งที่มันพุ่งทลาปราดเข้าใส่หลอนภาพที่แลเห็นเหมือนจะรวดนำวิถีเราดีๆนี่เองเชษฐาชายันดารินตลอดจนคนอื่นๆที่แล่นตามกันมาเป็นพรวนก็มองเ ห, เห็นเหตุการณ์ต่อสู้ละเลงเลือดนั้นอย่างันัดตาที่สุดแต่ก็อยู่ห่างไกลออกไปแลพินแหวกพงเถาวันสุดท้ายออกมาได้แล้ว ระยะมันห่างออกไปประมาณแปดสิบเมตรสำหรับภาพอันน่าวาดเสียวตื่นเต้นนั้นเขาประทับไรยฟ้นสามสิบทับหกศูนขึ้นแต่ก็จับเป้าหมายไม่ถนัดมาเรียยืนขึ้นอีกและไอ้กระทิงเปรียวก็ถาโถมเข้าสู่ลอนเป็นรอบที่ห้าพรานใหญ่ยิงไล่หลังขณะที่มันออกคั่วเข้าใส่แม่มสาวไปนักหนึ่งกระทบเข้ากลางช่องทองนั่นไม่มีความหมายอะไรเลย สำหรับหัวกระสุนเพียงแค่สองร้อยเกรนและเป้าหมายที่ไม่ใช่จุดดับมองไม่เห็นแม้แต่ว่ามันจะสะดุ้งสะเทือนสักนิดคงปราดเข้าใส่แมมสาวเป็นพายุอยู่เช่นเดิมบุญคำก็ระเบิดจุดสามเจ็ดห้าประจมือของแกไล่หลังเข้าไปติดๆแต่พลาดเป้าที่กำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วประกอบกับระยะที่ห่างออกไปรวมทั้งตาลีตาเลือกรีบร้อนของแกมันกระโจนเข้าใส่ร่างที่ล้มตัวนอนของมาเรีย แล้วไปเต้นสบัดวาดแวงเขาอยู่ไม่ห่างออกไปนักท่ามกลางเสียงร้องอื้อเอิงด้วยความตกใจของพรรคพวกทุกคนซึ่งตามมาเห็นเหตุการณ์เข้าคนเหล่านั้นพากันวิ่งเข้ามาเป็นขบวนพร้อมทั้งตะโกนลั่นฟังไม่ได้สับเพราะร่างของมันกระโดดข้ามกายพลไปแมมสาวก็ตะกายลุกขึ้นอีกคราวนี้หล่อนออกวิ่งไปที่โคนต้นเต็งข้างหน้าโดยมีเจ้าของเขาโค้งควบกวดจีตามาเบื้องหลัง นอยลงเร็วรพินร้องตะเบงออกไปสุดเสียงมาเรียก้มลงอย่างลุกลี้ลุกลนลักษณะของหล่อนเหมือนก้่มลงหยิบอะไรจากพื้นขึ้นมาสักอย่างคงจะเป็นไรเฟิลของสางตาที่ทำตกไว้นั่นเองแต่หล่อนไม่ทันเชแล้วเพราะศีรษะอันให ญ, ญ่โตประกอบกะวงเขาหน้ากลัวพุ่งลี้วเข้ามาทางเบื้องหลังห่างออกไปเพียงสามสีว่วาเท่านั้นท่ามกลางความใจหายใจความของพวกพอง ที่จ่องตาเหลือกลานอยู่ต้นลมก็ไวสุดยอดเหมือนกันผู้กายล้มคว่ำหน้าลงกับพื้นมือทั้งสองข่อยตะป บ, บท้ายถอยไว้เสียงตูมกึกก้องขึ้นที่ต้นเต่งย่อมย่อมเบื้องหน้าพร้อมกับลมแรงที่พัดพ้นตัวเต็งต้นนั้นขาดวินาทสันตโรไปอีกรากระสุกสายฟ้าฟาเพอผิดจากเป้าหมายทิศทางเบื้องหน้าของมันก็ประจันกับพระพินไทรวัน และบุญคำผู้ห่อสวนก็นมาพอดีมันกำลังจะผ่อนฝีเท้าเพื่อแวงตัวไปเล่นงานมาเรียอีกพอแลเหินมนุษย์ขวางอยู่เบื้องหน้าก็งดหัวลงต่ำขวบตะบึงต่อเข้าใส่ยังไม่แค่ว่าเป็นอินพรมยมมารรกบุญคำยิงไม่ได้เพราะติดหลังพรานใหญ่แต่รพินกดปากก็บอกไรเฟิลลงต่ำกะว่าถ้าพลาจากศีษะก็ให้เข้าต้นคอพร้อมกับกระดิกนิ้วลั่นไกลออกไป ทั้งๆ ท, ที่ผ่านทายนีบอยู่ในซอกแขนเพราะประทับไหลไม่ทันเขายิงโดยไม่ใช้ศู์นอกจากประสาทสัมผัสทางสายตาพอมันลั่นเปรี้ยงบุญคำก็เข้าประทะหลังกระชากลงล้มกลิ้งไปด้วยกันกลางพื้นหญ้าแห้งทันทีที่ทั้งสองรู้สึกว่าสัมผัสพื้นดินกัมปนาสนันวันไหวก็ดังขึ้นเหนือศีรษะเสียงโครมใหญ่ พุ่มเถาวันและตอไม้ผุกระจายว่อนขึ้นไปบนอากาศราวกับแรงระเบิดกดดับเมื่อเขาถลันขึ้นยืนอีกครั้งพร้อมบุญคำอย่างฉุกเฉลหุก็เห็นมาเรียถือไรเฟิลที่หยิบขึ้นมาได้วิ่งกลัวตามเข้ามาพร้อมกับตะโกนบอกอะไรฟังไม่ได้สับท่ามกลางความโกลาหลสับสนเหลือที่จะกล่าอึดใจเดียวก็มีเสียงวอยๆอื้อองขึ้นในบรรดาพวกที่ตามมาอีกชุดหนึ่ง เศษไรเฟิลขนาด ต, า ต, าต่างระเบิดประสานกันไม่เป็นจังหวะทียิบสะเทือนเลื่อนลั่นไปทางป่าแล้วก็เห็นเงาทามืนของกระทิงยักษ์ตัวนั้นขวบหลุดพ้นละเมอะเบื้องหน้าขโยขย e ไปยังทุ่งอีกด้านหนึ่งไม่ผิดอะไรกับมาพยศแต่ดูมันจะขาดความว่องไวลงไปมากแล้วมาเรียววิ่งออกสกัดไปทางด้านขวายอย่างรวดเร็วเกินเชื่อในขณะที่เชิดาก็ไล่าตามออกจากละเมออีกด้านหนึ่ง ไปยังห่างอยู่มากครั้นแล้วทุกคนก็เห็นธัญญาไม้ของนักสํารวจเยอรมันประวั ต, ไติไรเฟิลของสางตาขึ้นไหลอึดใจหนึ่งที่ดูเหมือนหล่อนจะเล็งอย่างหมายมัน่นและประณี่ที่สุดครั้นแล้วจุดสามเจห้าของระเบิดก็แผดระเบิดกึกก้องออกไปภาพนั้นประทับอยู่ในความรู้สึกของทุกคนเจ้า ก, กระทิงร้ายหัวขมาลงไปตามดิน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 ท่ามกลางม่านฝุ่นที่ลอยคว้างขึ้นปกคลุมจางๆเพราะฝีเท้าและแรงที่มันล้มกลิ้งลงมาเรีย ร, รมอาเมนแล้วทิ้งกายหวบลงไปนอนแผ่อยู่กลางทุ่งรับพินกระบุญคำเข้าถึงตัวหล่อนเป็นชุดแรกตามมาด้วยดารินและกลุ่มพลานพื้นเมืองส่วนเชษฐากชายันปรากฏตัววิ่งดุมๆตรงเข้าไปที่ซากกระทิง พร้อมกับไรฟินในมือที่ถือเตรียมพร้อมแล้วไม่กี่อิดใจต่อมานั่นเองทั้งหมดก็เข้ามารวมกลุ่มรายล้อมอยู่ที่แมมสาวผู้ยังนั่งกลางมือกลางเท้าอ้าปากโบหน้าขาวซีดยังไม่สามารถจะตอบคำถามของใครในขณะนั้นทุกคนสังเกตเห็นว่าหล่อนไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะักนอกจากบาดแผลจากรอยกิ่งไม้ขูดแต่เสื้อและกางเกงขาดยับกระรุ่งกระริ่ง แทกไม่มีชิ้นดีมันกำลังนอนอยู่หลังกอย่านั่นเป็นประโยคแรกที่รอนพูดออกมาได้ภายหลังจากดื่มน้ำที่รพัพินส่งกระติกไปให้ยังคงหอบหักหักอยู่เช่นนั้นพบกั น, นระยะประชิดจนตัวเหลือเกินหลบไม่ทันนึกว่ามันจะหนีแต่มันกลับพุ่งเข้าใส่คุณปลอดภัยเรียบร้อยดีนะเชิาฐานอย่างร้อนรน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 พร้อมกับพูดหลอนเอี้ยวส่วนหลังให้ทุกคนดูทั้งหมดอุทานออกมาพร้อมกันเสื้อล่าสัตว์ด้านหลังของมาเรียขาดโงงออกไปราวกับถูกใครกระชากเปิดให้เห็นแผ่นหลังสีชมพูซึ่งขณะนี้เป็นผื่นแดงกำ่ำและมีรอยทลอกเลือดซิบเหมือนถูกกระดาษทรายถูหรือมิฉะนั้นก็เหมือนถูกลากไปกับพื้นกรวดทรายครุขระอะไรนั่นเธอล้มคลุกกับพื้นเหรอดารินร้องถามลั่นออกมาอย่างตกใจ เพื่อนสาวต่างผิวยิ้มแค่น แ, แค่สันสีรษะไม่ได้ล้มคลูดรอกแต่ที่เธอเห็นรอยจากหลังของฉันนี่คือฤิ์เดชของลิ้นที่มันเลียฉัล่ะคราวนี้ไม่เพียงแต่ดารินเท่านั้นเชิฐากรชัยันถึงกับพังหะกตาเหลือกแทบจะตะโกนออกมานั่นนะหรอเกิดขึ้นเพราะลิ้นเลียของมันมาเรียกตกอยู่ในภาวะตื่นเต้น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 บอฟฟาโลมันยังไม่ร้ายกาดถึงเพียงนี้มันขวิดไม่ได้มันก็เลียแล้วยังจะเอาปากกาัดอีกด้วยนะคณะพะจนภัยชาวพระนครตะลึงงันไปอีกครั้งหนึ่งในคำบอกเล่ากระหืดกระหอบของหล่อนระผินเป่าลมพลวกจากปากยังดีนะที่มันไม่รู้จักกระทืบหรือเหยียบอย่างช้างไม่งั้นคุณเละไปแล้วแต่คุณก็เก่งเหลือเกิน รู้สัญชาตญาณของมันดีที่สุดตามหลักแล้วกระทิงนะ่ะถ้ายืนประจันหน้ากันอยู่บนพื้นดินเดียวกันภายหลังที่ยิงนัดแรกไปแล้วไม่ต้องดูผลรีบล้มตัวนอนทันทีมันจะชาดขมาเร็วมากเร็วจนคิดไม่ถึงทีเดียวละ่ะแต่ถ้านอนแล้วมันจะขิดไม่ถึงและทำอะไรไม่ได้ถนัดถ้ามันไม่จ็บหรือไม่ถูกเอาตัวที่ดูร้ายนักมันก็จะวิ่งเลยผ่านไปแต่ถ้าจ็บ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 แต่ฉันไม่รู้มาก่อนนี่ว่ามันจะใช้วิธีเลียหรือว่ากัดเป็นด้วยเท่าที่เคยยิงมาแล้วอ่ะมันไม่เคยเข้าถึงตัวฉันเลยสักตัวส่วนมากนัดเดียวก็ล้มแม้ว่ามันจะพุ่งเข้ามาแต่วันนี้ฉันเคราะห์ร้ายที่ดันมาถือลูกซองข้าบลูกปืนยิงทำอะไรไม่ได้เลยมีแต่จะยุให้มันอยากฆ่าฉันมากขึ้นแต่ไม่ยิงก็ไม่ได้เพราะมันปราดเข้าใส่ก่อนนี่จาไว้เถอะนี่แหละกระทิง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 ช่วยยิงมันนัดหนึ่งตอนที่ไอ้วายร้ายนั่นเข้ามาเลียฉันเท่านั้นแหละแม่สาวพูดอย่างสำลักลิ้นพันกันทุกคนเพื่อจะนึกถึงเจ้าพราณตองสูงขึ้นมาได้พากันเหลียวหาไปรอบๆก็เห็นเขามายืนหน้าแห้งทำหน้าพิกลอยู่รวมกลุ่มเมื่อใดไม่สราบใช้ ย, ยันโครงหัวช้าๆสะบุดดาบเจ้าตองสูงออกมาขมถมเถบุญธรรมผสมโรงด้วยอีกคนหนึ่งชี้หน้าด่ามา ไอชิบหายมึงหนีเอาตัวรอดจะปล่อยให้นายของมึงตายงั้นเหรอพึ่งไม่ได้นี่ไอสางตาตาพรานเท่าอิตรโรพรานประจำตัวของมาเรียเอามือเกาหัวกบพริปาปริบ ป, ปริบแล้วบอกอ่อ ย, ออยมาว่าสางตาก็บอกนายแมมให้หลบแล้วนึกว่านายแมมจะหลบไม่นึกเึยว่าจะกล้ายิงสางตาเล่นหาต้นไม้หลบ ถยุยก็กกเห็นมึงขึ้นมาโหนเปนชนีอยู่บนต้นแตงนนได้แต่ร้องเย้วเยว อ, อังก็านายแมมบอกให้สางตาขึ้นต้นไม้อะ่ะสางตาก็ะทำตามคำสั่งของนายแมม อ, ะอ่ะอ๊อแล้วก็ปล่อยให้หนายของมึงถูกกระยิกระทิงกระยิมึงได้แต่ร้องอยู่บนต้นไม้อย่างงั้นเหรอมาเรียดูเหมือนจะควบคุมสติลงได้เป็นปะกะติแล้วหัวเราออกมาเบาๆแกให้คนของหล่อนว่ะ อย่าไปตำหนิเขาเลยดีแล้วล่ะที่เขาหนีขึ้นต้นไม้ทันไม่งั้นเขาก็อาจจะแหลกไปแล้วก็ได้สั่งตาน่ารักและซื่อสัตย์ต่อชั้นที่สุดแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะนึกถึงชีวิตของตัวเองก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในายามที่ตกใจจนควบคุมสติไว้ไม่ได้อย่างตะ ก, กี้แ ต, แ, ตแต่ไหนแต่ไรมาแล้วสา่งปาไม่ได้มีหน้าที่ในการคุ้มครองชีวิตชั้นหรอกเขามีหน้าที่แต่เฉพาะคอยรับใช้และนำทางให้เท่านั้น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 ต่างมองย้อนไปถึงภ่าทีของแต่ละคนในระหว่างเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นรพินกับบุญคำหน้าตาปอกเปิกไปได้วยรอยขีดข่วนของกิ่งหนาขณะที่แล่นตะลุยฟาพงออกมาชายันก็ถูกกิ่งไม้เกี่ยวเอาเปลือกตาแหกเวอร์เลือดสซมดารินแล่นปะทะต่อไม้ล้มกลิ้งถึงสองครั้งสองนก่อนที่จะมาถึงขาช้ำเขียวไปหมด มีเชษ้าคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ปลุนผันรีบด่วนจนตัวเองต้องเจ็บเพราะคอยระมัดระวังเรื่องขาที่มักจะแพลงอยู่บ่อยๆแต่ก็ได้โอกาสถนับที่สุดเหนือกว่าคนอื่นๆในการสกัดกัน้นปัดกำลังกระทิงตัวนั้นด้วยจุดสี่ห้าดขณะที่มันแล่นผ่านหน้าเข้าไปในละมาะแม้จะถูกไม่จังนักในการรีบยิงอย่างสุ่มๆ น, นั้นอานาจปะทะของหัวกระสุนขนาดใหญ่ที่ตัดเข้าขาหลัง ทำให้ความว่องไวปราดเปรียวของมันลดลงไปในทันทีโดยล่าขาออกกลางทุ่งมาเป็นเป้าให้มาเรียอีกครั้งคนอื่นๆก็ช่วยสันโบออกไปคนละนัดสองนัดแต่ภายหลังจากตรวจดูรอยกระสุนแล้วปรากฏว่าผิดหมดเพราะเป้าหมายที่เคลื่อนอย่างรวดเร็วตลอดจนเห็นไม่ถนัดเพราะป่าบังส่วนกระสุน30ทัศูนของระพินนั้นนัดแรกเจาะเข้าช่องทองทะลุออ ก, ออกอีกด้านหนึ่ง และนัดที่สองที่ยิงสวนแบบจ้ำจี้เพียงแต่กระทบโคนเขาข้างหนึ่งฉีกแตกออกไปแล้วก็ผ่านข้าล้ำตัวอันกว้างใหญ่ทะลุฉลัดไม่ถูกกระดูกหรือบริเวณสำคัญจึงไม่สามารถจะหยุดมันลงได้สำหรับลูกปลายแบบเก้าเม็ดจากปืนลูกซองทั้งห้านัดที่มาเรียยิงเข้าใส่ระหว่างพันตูนัวเนียกันตัวต่อตัวแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยเม็ดลูกปลายเหล่านั้น ฝังเข้าไปใต้ผิวหนังของมันเพียงตื้นๆเท่านั้นแต่ถึงยังไงก็ตามกระทิงร้ายตัวนั้นก็จบชีวิตลงด้วยมือของหลอนจนได้ดารินมองดูเพื่อนสาวต่างผิวด้วยความรู้สึกที่พอใจในฝีมือหลอนมองเห็นภาพการโรมดันระหว่างมาเรียกับกระทิงโทนตัวนั้นอย่างถนัดตาที่สุดบอกตนเองอยู่ในใจว่าถ้าจะพูดถึงชั้นเชิงและความชนานาญกันแล้ว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 จึงสามารถจะบุกบันไปได้ทุกป่ากับสามีตามลาพังเพียงสองคนเท่านั้นเดี๋ยวนี้หลอนหมดความสงสัยแล้วทั้งหมดนั่งพักกันพอคลายความตื่นเต้นเหน็ดเหนื่อยจากนั้นก็พากันมายืนรายล้อมยังซ่ากระทิงใหญ่ตัวนั้นอีกครั้งเห็นเขาใกล้ๆเช่นนี้คนยิงเองถึงกับเ บ, บ้ปากสวดอะไรเป็นภาษาของตนพึมอยู่ในคอ มันใหญ่กว่าควายป่าแอฟริกันที่ฉันเคยยิงมาแล้วซะอีกหล่อนครางจุ ป, ปากลั่นแล้วก็เป็นความรู้สึกเช่นเดียวกันกับคณะพจนภัยชาวกรุงในขณะนี้เจ้ากระทิงโทนตัวนี้เขื่องกว่าตัวที่ดารินและชัยยันเคยยิงได้ที่ปงกระทิงเกือบครึ่งค่อนแผกจะตลอดทั้งตัวเต็มไปด้วยร่องรอยการโรมรันขับเขี้ยวกับสัตว์ป่าด้วยกันเองอย่างโชโชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตาซ้ายโบด หลุกหายไปข้างหนึ่งด้วยรอยเล็บเสือซึ่งเป็นแผลเก่าแล้วโอ้ตาบอดนี่ไงเล่ามันถึงได้ร้ายนักบุญคำอุท ธ, ธานออกมาไม่น่าเลยนะก็ทิ้งตัวเดียวแค่นี้ทำาพวกเราโกลาหนกันไปหมดที่แรกนึกว่าเมเจอเอาสิ่งพิสดารอะไรที่เราคิดไปไม่ถึงจะอีกชายันปรงสังเวทกา ร, ระจนภัยกับมาหารตภัยใหญ่หลวง ในแบบที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนจนเกิดความเคยชินทำให้รู้สึกว่าฤทธิ์เดชความร้ายกาจของสัตว์ธรรมดาในชั้นช้างเสือรึกกระพิงเป็นเรื่องปริย่อยสามันซะละจอมพรานมองไปยังแมมสาวซึ่งยืนเขาอ่อนกระปลกกระเปียอยู่ถ้าเมื่อกี้คุณถือไรเฟินซะอย่างเดียวเท่านั้นล่ะพวกเราจะไม่ต้องวุ่นวายตก อ, กอกตกใจกันถึงเพียงนี้เลยอย่างมากแค่สองนัดคุณก็ลมมันลงละ สาวผมทองห่อไหลลงก็ใครจะรู้รล่วงหน้าเล่าภูมิประเทศมันไม่น่าให้คิดเลยว่าจะมาประจันหน้ากับเจ้านี้รับฉันก็ว่าจะยิงแก้งหรือสมันในขณะที่มันวิ่งอยู่ในทุง่งซึ่งลูกซองย่อมหวังผลได้แน่นอนกว่าอีกอย่างหนึง่งสามตาก็ถือจุดสามเจ็ดห้ามาแล้วกระบอกหนึง่งอีทีนี้ตอนเวลาขับขันมันเกิดขึ้นจะสามตาของฉันมันดันพาปืนเล่นซะนี่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 เธอปัญจนหน้ากำมันด้วยชั้นเชิงและฝีมือจริงๆผิดกระฉันซึ่งเป็นเรื่องของการฟลุกโชคเข้าข้างซะมากกว่านักนิรุติศาสตร์ซึ่งชีวิตส่วนมากจับไรเฟินมากกว่าปากกามองอีกฝ่ายหนึ่งด้วยสายตานเนื่อยๆสันหน้าน้อยๆอย่างไม่เห็นด้วยกับคำสรรเสริญยกย่องนั้นตอบอย่างถ่อมตัวว่าฉันยอมรับว่าเคยทะนงในตนเองน้อย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 ก็ยังเห็นมาเรียนนอนคว่ำหน้าให้สางตานวดเฟนบริเว ณ, ร, เวณร่างกายส่วนหลังอยู่ตามเดิม่อดเลิกคิ้วนิดหนึง่งยิ้มออกมาเลี่ยนเลียนแล้วเดินทอดน่องช้าๆตรงไปที่เบาชายกับนายสาวคู่นั้นมาหยุดยืนกอดอกเอียงคอมองอยู่ทางด้านปลายเท้าของมาเรียใกล้ๆขณะนั้นเจ้าตองสู่ ก, กําลังเอาเข่าอันบอบบางเกรงของมันกดอยู่กับบริเวณเอวคอดกิ่วของนายสาว มือทั้งสองทำหน้าที่คลึงขยี้แรงๆอยู่ที่สะบักทั้งสองและลูกขยำไปตามเนินลาดของปีกสีข้างอย่างคมักขม้นตั้งอกตั้งใจพอเลยเห็นนักมนุษยวิทยาสาวมาหยุดยืนมองอยู่ก็เงยหน้าขึ้นยิงฟันยิ้มด้วยอาการชะงักเล็กน้อยของสางตาทาให้มาเรียนนอนตะแคงหน้าหนุนท่อนแขนที่สอดประสานกันลืมตาขึ้นพอเห็นดาริมก็ยิ้มให้ สางปานะเป็นนักนวดกล้ามมือหนึ่งทีเดียวฉันกับสเตเก้นได้อาศัยเขาอยู่เสมอตลอดระยะทางที่เราเดินป่ามาด้วยกันมาเรียพูดดารินพ ง, งกศรีรษะให้นิดนึงเอาลิ้นดุนกระพุ้งแก้มแล้วเดินอ้อมมาสุดตัวลงนั่งบนขอนไม้ตรงหน้าของเพื่อนสาวผู้นอนอยู่อย่างสบายก็รู้สึกว่าจะชำนานมากเลยนะแต่ฉันแปลกใจแปลกใจ ทำไมเหรอเธอพูดว่าเธอสามีได้อาศัยเขาอยู่เสมอในเรื่องการนวดระหว่างการเดินป่างัน้นไม่ใช่เหรอใช่และมีสามีที่ไหนในโลกนี้บ้างที่เขายินยอมไม่ใช้อื่นนวดเฟ้นพัญญาของเขาถ้าเขาไม่ใช่พวกวิป ร, ริตประเภทใดประเภทหนึ่งของเซ็กชวลเดเวชั่นมาเรียชันคอขึ้นมองดูผู้ถาม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 มาเรียนหยุดระยะเล็กน้อยพักบุหรี่จากกระเป๋าเสื้อออกมาจุดสูบแล้วพ่นควันไปทางสางตาผู้กำลังดูดบ้องกัญชาอยู่ทางหนึง่งในตาของหลอนรีลกเจ้าสางตาผู้น่าสงสารคนนั้นถ้าเธอคิดว่าเขาเป็นผู้ชายเธอก็เข้าใจผิดถนัดละด้ารินลืมตาโตร้องออกมาหมายความว่ายังไงกันเน่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 ครางออกมาอย่างประหลาดใจขีดสุดเมนี่เป็นความจริงเหรอเธอเป็นแพทย์จะลองตรวจร่างกายเ็าดูก็ได้นี่น้อยว่าแล้วก็ชูมือขึ้นขยับจะดีดเรือกเจ้าตองสู่ของหลอนดารินรีบตะครุบมือข้างนั้นของเพื่อนสาวไว้ละล่ำละลักไม่ต้องเมฉันเชื่อเธอไม่จําเป็นจะต้องให้ฉันพิสูจน์หรอกนิ่งงันไปครู่ หลนก็พึมพำแผ่วเบาออกมาอย่างสังเวชสลดว่าถทนี่ฉันรือใครๆก็ไม่รู้ความจริงข้อนี้เลยนะจนกระทั่งเธอบอกขึ้นฉันสังเกตเห็นเธอใกล้ชิดสนิทสนมก็บสางตาจนผิดวิสัยสงสัยไม่เข้าใจอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวเนี้มีหน้าละ่ะเธอถึงได้ให้เขานวดอย่างสนิทใจเหลือเกินสาหรับฉันแล้วนะ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 ถ้ายังมีความรู้สึกกดดันเป็นเครื่องเร่งเร้าแต่นิสสงตาไม่รู้สึกอะไรสักอย่างก็สํานึกแต่เพียงว่าสเตเกลนะ่ะคือพ่อของเขาเท่าเท่ากับที่ชันคือแม่ถ้างั้นดารินยักไกลหัวเราออกมาจิดจืดอีกครั้งยายชั้นเป็นผู้มาขับความสํำราญของเธอเลยอะเรียกเขามานวดเธอตามสบายเถอะ